ช่วงปีใหม่ก็เลยมีทีมงานอาสาทั้งนั้นตากล้องสวิต ช, ช์นะแต่ละที่เนะี่ยก็ลุนเป็นอาสาสมัครนะก็ขาดตกปกพล้องก็ข อ, อาภัยด้วยมือใหม่ <c oughs> จะมีอัปเดตให้พวกเราได้ทราบนิดนึงในเรื่องของการ <c oughs> ลงพิกัด นะพุทธภาสนะเน็ตเบรกนะ <c oughs> ผู้ที่จะร่วมเป็นพุทธศาสนะสถาปันนะ <c oughs> เพื่อความเป็นรัตนหนะ้าประกาศคำของพระศาสดาของเรา <c oughs> ก็ล่าสุดตอนนี้เท่าไหร่ละสองร้อยสองร้อยหนึ่งนะ 15ประเทศนะจะมีตัวเลขขึ้นให้ดูนะคลสให้ดูนิดหนึ่งนะ201นะที่มาลงพิกัดนะตำแหน่งที่อยู่ของตนเองบนโลกว่าเราเป็นศูนย์เผยแผร่และประกาศพุทธพจนะทั้งจากตัวเองแล้วก็จากนะ หลักฐานที่มีหนังสือซีดีนะอย่างวันนี้โยมเอกอังกฤษเพิ่งโทรมาบอกว่าหลังจากลงพิกัด ก, ก็ได้ใช้บริการเลยมีคนโทรมาจากประเทศต่างๆนะเข้ามาที่เขาแล้วก็อขอหนังสือซีดีเขาก็ได้ให้คนจัดส่งไปให้ละน ะ, ะ ไ, ดได้ใช้ประโยชน์ของเครือข่ายเลยนะ แล้วก็ที่ฝากบอกอีกอันคืออย่าลืมไปตรวจแก้พิกัดตนเองสักนิดหนึ่งนะอย่างที่ออสเตรเลียน่ะนะที่ออสเตรเลียไปอยู่กลางทะเลทรายล้วมั้งตำแหน่งที่อยู่นะเห็นบอกอยู่ที่เพิร์ตลองไปดูที่ประเทศออสเตรเลียสินะลองเลื่อนเลื่อนไปที่ประเทศออสเตรเลีย จะเห็นว่ า, าในที่อยู่เนี่ยบอกว่าอยู่ที่เพิร์นะแต่ไปอยู่กลางทะเลซายซะแล้วนะช่วยเลื่อนแผนที่ตัวเองมาที่เมืองเพิร์หน่อยนะอันนี้คือเนี่ยลองให้ดูเพิร์เพิร์อยู่ที่ไหนขยับไปไหนเพิร์จะอยู่ทางซ้ายทางซ้ายมือของแผนที่นะลงอีกนิดหนึ่งนะ ลงลงอีกอนี่เพิร์ทจะอยู่ทางซ้ายตอนล่างเนี่นะเพิร์ทตรงนี้อแต่ตอนนี้ไปอยู่ตอนกลางประเทศนะช่วยขยับลงมาที่เพิร์ทนิดหนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งบอกอยู่ซิดนีย์ก็ไปอยู่ใจกลางทวีปเหมือนกันน ะ, ะซิดนีย์จะอยู่มุมขวาน ะ, ะมุมขวาเกือบสุดเลยนะเกือบสุดทวีปเลย ตอนล่างมุมขวาตอนล่างนะ น, นี่ก็บอกอยู่ซิดนีย์นะแต่ไปอยู่ตอนกลางทวีปนะซิดนีย์ขยับมาหาเพื่อนหน่อยมีเพื่อนอยู่ซิดนีย์อยู่คนหนึ่งนะได้ลงตำแหน่งได้ถูกต้อง <c oughs> ก็มีอีกหลายๆจุดนะพวกที่อยู่กรุงเทพก็มีไปอยู่มอง โ, งโกเลียโน่นนะ <c oughs> แล้วก็เอ๊ะใครน้ออยู่มองโกเลียนะไปดูอ๋อที่อยู่อยู่กรุงเทพนี่นะนะแล้วก็ น, นี้ไปลอยอยู่มองโกเลียนะนะช่วยเอาลงมากลับประเทศหน่อยนะ ก็อ่านในเมลของผู้ที่เขียนโปรแกรมนะ <c oughs> ยมสุธีนะทิดโกของเร า, นะเาก็บอกว่ารายงานความคืบหน้าของโปรแกรมดัง น, นี้ทิดโกใช้เวลาเขียนอยู่4วัน4ี่คืน <c oughs> นั่นเขียนตลอดเลยเแปบ๊บเดียวเสร็จแล้วก็อัปเดตตลอดนะ <c oughs> ก็บอกว่าเปลี่ยนสีหมุดนะมาเป็นสําหรับนักบวชและไม่ใช่นักบวช ด, ดังนั้นสีหมุดที่ลงเนี่ยจะมีอยู่สองสีคือสีขาวกับสีจีวร น, นะอ่าถ้าเป็นสีจีวรเนี่ยเราดูได้เลยออันนั้นคือภิกษุนะหรือเป็นวัดหรือเป็นสถานปฏิบัติธรรมถ้าสีขาวก็จะเป็นอุบาสกอุบาสิกานะแล้วก็แบ่งตามนี้จากเดิมที่แบ่งแบบอื่นลบข้อมูลไปก่อนนะ <c oughs> เปลี่ยนแบ่งใหม่ แบ่งอย่างนี้แล้วก็ลบลบของอข้อมูลของการรับรองออกเพราะรู้สึกว่าไปรับรองทั่วโลกไม่ไหวทุกคนต้องรับรองตัวเองแ ล, นะล้วนะไปไล่รับรองแต่ละคนไม่สามารถน ะ, ะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> นําความเกี่ยวข้องกับองค์กรไปใส่แทนว่าถ้าใครใส่องค์กรเนี่ย ท่านเป็นเจ้าขององค์กรหรือเป็นผู้ชี้นาทิศทางขององค์กรหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรนะถ้าเป็นองค์กรของรัฐนะไม่มีเจ้าของนะประเทศเป็นเจ้าของเราก็ถือถ้าเราเป็นผู้นำในองค์กรก็เป็นผู้ชี้นำทิศทางขององค์กรได้นะหรือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งในองค์กรนะเราจะได้ทราบหรือถ้าเป็นห้างร้านบริษัทเราก็เป็นเจ้าขององค์กรได้นะก็ อ, อีกอันเนี่ยจะให้มีผู้ขอให้ซ่อนข้อมูลส่วนตัวไว้หน่อยเฉพาะผู้ผที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นถึงจะเห็นเช่นว่าเบอร์โทรที่อยู่อีเมลอย่างนี้ไ ม, ไม่ประกาศให้เป็นสาธารณะเกินไปนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาได้กันก็จ ะ, จะเห็นจะทราบข้อมูลกันอย่างนี้นะก็จะปรับตรงนี้นตรงนี้ใครเห็นอะไร ก, ก็เสนอปรับขึ้นมาได้เรื่อยๆนะ <c oughs> ต่อมาก็ล่าสุดล่าสุดของล่าสุดเรื่อยๆนะการแสดงสถานะที่ถูกเลือกนะแถบป้ายสนะีเพิ่มชื่อประเทศที่เข้าไปนะในหน้าต่างรายละเอียดนะว่าในช่องรายละเอียดเนี่ยก็จะเพิ่มประเทศเข้าไปด้วยเพราะบางทีก็ลืมว่าเอ๊ะเรากาลังดูประเทศอะไรอยูนะนะนะ่กลายเป็นต้องถอยกลับมาดูอีก ก็เลยใส่สถานที่นั้นไป <c oughs> ก็สถานะที่ถูกเลือกก็คือเรื่องของสีนะแล้วก็การแสดงระเอียดของสถานที่สามารถแสดงได้โดยการกดเมนูสองครั้งนะ <c oughs> กดเมนูที่ชื่อเนี่ยถ้าไปที่แผ่นที่เรากดทางด้านซ้ายมืออย่างนี้นะกดทางด้านซ้ายมือครั้งหนึ่งนะก็จะแสดง แผนที่ของตนเองขึ้นมาแล้วบางทีไอ้หมุดเนี่ยมันซ้อนกันน่ะคนมันเยอะในในละแวกนั้นเนี่ยก็กดเมนูตรงชื่อนั้นซ้ําไปอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการโชว์นะอ่ากดที่ชื่อด้านซ้ายมือซ้ําไปอีกทีเนี่ยบางทีมันซ้ํากันซ้อนอย่างเนี้ยปุ๊บก็จะขึ้นรายละเอียดของคนนั้นขึ้นมานะอ่าเราจะได้ไม่ต้องไปจิ้มที่หมุดที่มันทั บ, ทบซ้อนกันเยอะนะ นี่ก็ปรับพัฒนาขึ้นขึ้นเป็นอย่างนี้นะแก้ปัญหาตรงที่หมุดมันทับกันใกล้กันจนทำให้กดที่หมุดไม่สะดวกก็ให้กดที่ตัวลายชื่อได้และล่าสุดอีกอันก็แสดงจำนวนประเทศรวมทั้งหมดแลก็สามารถกดเพื่อแสดงรายการของประเทศทั้งหมดได้นะ นี่ก็ที่มีเพิ่มเติมอ๋อที่หนองคายเหรออ่าโยมที่หนองคายปรับแผนที่ด้วยนะไปอยู่ในทะเลน่ะอืมห น, อ ง, นองแค่หนองแครหรือหนองคายหนองคายน่ะอ่าบ้านพันพร้าวน่ะหนองคาย ไปอยู่ในทะเลเกาะไต้หวันมั้งเนี่ยใช่ไหม <laughs> อ่ า, อาก็ช่วยกันอัปเดตข้อมูลนิดนึงนะอันนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ยอดผู้ที่สมัครเข้ามาลงพิกัดร่วมเป็น พุทธวจนะสถาบันก็เพิ่มมากขึ้นทำให้เราเห็นภาพรวมของผู้ที่กำลังศึกษาพุทธวจนะทั้งหมดทั้งโลกได้น่ก็เริ่มเห็นพักพวกเพื่อนฝูงนะเวลาเกิดความรู้สึกไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงก็จะได้มีความมั่นใจขึ้นหน่อยแหมจะทิ้งดีไหมเนาะวัตโกตุลละมงคล น, นี่มันเสียดายเหลือเกินนะเกลี่ยแรงคองขัง สารเจ้าสารเจ้าที่ประภูมิอะไรต่ออะไรเนี่ยนะจะละจะเลิกก็ยังเสียดายนี่ก็ดูมีหมูเพื่อนเยอะอยู่เหมือนกันน ะ, ะที่ยังเป็นเพื่อนโลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะร่วมความเห็นเดียวกันศรัทธานในตาาคตนะนะ <c oughs> ออมีไปอยู่คู่โลกเหนือด้วยคนนะในี่ใครเนะี่ย วิชิตคลองศักดิ์เนี่ยน ะ, ะปทุมธานีนะช่วยกลับบ้านหน่อยไปอยู่บนกรีนแลนด์นั่นนะ่ะโอ้โหประเทศไทยกันหนาวพอแล้วนะม ประเทศโซนอเมริกาใต้ไม่มีเนาะมไม่มีคนไทยไปอยู่อเมริกาใต้กันบ้างเลยเนาะเนี่ยอืมันหลังใครชอบไปต่างประเทศไปตั้งโลกลางบ้างสิ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ศึกษาธรรมพระศาสดาเนะอืมอเมริกาใต้ไม่ค่อยมีโอ้นี่ใต้สาราเป็นกล้องใหม่เนาะนี่อันนี้เป็นกล้องอีกตัวใช่ไหม กล้องเก่านะมีกล้องเดียวมหมกล้องเดียวหรือกล้องเดียวเลยล่ะในขอดูภาพใต้ศาลาไม้อ๋อนี่มุมใหม่จะเป็นกล้องกล้องเก่าเชื่อมกับกล้องที่ติดเก่านะก็ได้เห็นทั้งศาลาก็จะอัปเดตนะ โปรแกรมตัวนี้ไปเรื่อยๆนะ <c oughs> เอ่อลองขึ้นภาพขึ้นภาพที่บ้านธรรมสุขที่เมืองจั น, จนทบุรีนะของทิดก๊อปนี่นะอ่า เรามีตำรวจที่ปฏิบัติธรรมไปอยู่แล้วนะ อ, อยู่ในวงการตำรวจแล้วนะเพื่อจะได้ช่วยนะพัฒนานะสถาบันทางโลกให้ดีขึ้นนะนะ <c oughs> <c oughs> นี่พวกมาปฏิบัติธรรมวันนี้นี่โอ้เสียสละทางโลกอย่างใหญ่หลวงนะั่นนี่นะ <c oughs> ไม่ไปเที่ยวเขาบ้างหรือไงเนี่ยวันนี้เขาเข้าดาวกันแสดงว่าปล่อยวางหน้าดูนะเนี่ยนะมีไม่มหมไหมไมให้เยอะกันหน่อยเดี๋ยวให้เมกาได้ยินด้วยต่อฟีลเสียงออก ค่ะโยมโยมเป็นผู้มาใหม่นะคะได้มาที่วัดนาป่าพงวันแรกคือวันที่25กันยายน25่ผ้ามันมานี่เงใช่ค่ะครั้งแรกเลยที่มาที่วัดนาป่าพงนะคะเคยได้ยินชื่อนี้จากจากเพื่อนเคยชักชวนมาตอนนั้นคือตอนลูกโยมนี่เป็นข้าราชการนะคะเป็นตำรวจค่ะค่ะทีนี้ชีวิตในวงการในราชการนี้รับราชการมา20กว่าปีนะคะ ก็อยู่ในสายปราบปรามก็อยู <c oughs> <c oughs> so ่นะคะออกจากผู้ไล่ก็จับค่ะแล้วค่ะแล้วก็ผู้ไนาชื่อค่ะก็เคยอยู่สนประชาชื่นนะคะปัจจุบันย้ายมาดํารงตําแหน่งร้อยตํารวจตรีอยู่ที่กองยุทธาธิการสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้ก็ได้มีเพื่อนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่เคยชักชวนมาบอกว่านองมาที่วัดนปาพงษ์นะคะแต่ก็ตอนนั้นยังด้วยภารกิจทางหน้าที่มากมายก็ไม่ได้มานะคะแต่ช่วงที่ ยีกว่าปีเนี่ยก็ศึกษาก็ชอบอทางนี้นะคะทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ได้ไปวัดต่างๆแล้วก็ไปปฏิธรรมในช่วงที่มีเวลานะคะทีนี้จุดที่ได้มาที่นี่คือสามีพามามันเกิดท้อส ม, มีก็พามาที่วัดอภาพง์นะคะครั้งแรกครั้งแรกที่มานี่ก็รู้สึกประทับใจประทับใจใน ส, สภาพแวดล้อมนะคะ <c oughs> ทีเ่เป็นทุ่งนาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบนะคะทีนี้ ก็ได้เข้ามาดูเข้ามาคือเป็นทั่วใหม่ก็ยังไม่ทราบอะไรทั้งนั้นนะคะแต่หลังจากที่ได้มาวันแรกก็รู้สึกประทับใจแต่ก็ความศรัทธาเดิมๆของเรานะคะก็ยังมีอยู่ที่เดิมๆอะค่ะทีนี้กลับไปที่ทำงานก็เริ่มศึกษาจาก d e ทูบนะคะจากหนังสือที่ที่ได้มาคืออนาปนสติกับสาธยายธรรมนะคะก็กลับไปอ่านก็รู้ว่าเป็นบทสาธยาธรรมก็คือเป็นบทสวดมนต์ที่มีอยู่ใน เป็นบุตสมบลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ก็ดูว่าเออก็เห็นว่าหลายสิ่งที่เราก็ไม่เคยอ่านไม่เคยไม่เคยเห็นอย่างคว่าละนันทิปฏิจจสมุรปรบาทอย่างเงี้ยนะค ะ, ะ ก, ก็ศึกษาแต่ก็ยังไม่ลึกซึ้งนะคะก็พูดง่ายว่าตอนนั้นศรัทธายังไม่ลงมั่นเหมือนกับทุกวันนี้นะคะช่วงที่ทำงานเนี่ยตอนกลางวันหรือตอนกลับไปบ้านก็เข้าไปดูดใน YouTube ก็ศึกษาจากพระอาจารย์ที่อยู่ในที่ใน youtube นะคะ<อ>ที่ไปบรรยายธรรมณสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่คิดดีทำดีหรือว่าเงินเสนาธิการทหารบกหรือว่าล็อกเลอะไรก็เข้าไปดูมากมายเลยนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ที่บอกว่ามันมันเกิดความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นในในความรู้สึกเราว่าเฮ้ยเราอย่างคำที่ว่าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเนี่ยคือจริงๆแล้ว ก็ตั้งใจว่าหลังจากที่ได้ฟังได้ฟังหลายๆครั้งแล้วก็เปิดคอมมานะคะ uh huh. เปิดให้เพื่อนฟังด้วยเพื่อนที่เป็นตํารวจด้วยกันเนี่ยเขาก็งงว่าเปิดอะไรให้ฟังเป็นเป็นเป็นเท พ, พอาจารย์นะคะ uh huh. คื อ, ค, อคือเราบอากว่าเราฟังแล้วเราเราชอบเราก็อยากให้เพื่อนฟังน uh ี huh. ่เพื่อนก็ไม่เข้าใจอะไรเขาก็เขา ก, เขาก็มามาถามว่า เปิดอะไรแล้วก็บอกว่าอยากอยากรู้ก็เข้ามาฟังสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพื่อนก็เข้ามาฟังด้วยแล้วเพื่อนก็ถามว่าคืออะไรก็บอกว่าเป็นเป็นธรรมะซึ่งมาจากคําของพระธรรคตโดยตรงเพื่อนก็ไม่เข้าใจอีกก็บอกว่าคือก็เป็นผู้มาใหม่ก็ก็บางทีเราก็ไม่รู้จะอธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้ยังไงนะคะก็เลยคิดว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือต้องมาศึกษาด้วยตัวเองก่อนอต้องเข้ามาด้วยตัวเองก่อนก็เลยปรมวนาตัวว่า ก็เลยมาลงมาที่วัดอีกมาด้วยตัวเองที่นี้มาด้วยตัวเองสามครั้งนะคะก็นั่งรถมาไม่มีรถหรอกคะ่ะนั่งรถเมย์รถรถมอเตอร์ไซค์อะไรก็มาเถอะมาได้นะคะไอไอก็มาด้วยตัวเองแล้วก็มานั่งศึกษาจากพระสูตร <ไอ S 1> จากหนังสือนะคะก็ไม่เข้าใจคําก็บอกตรง ว, ว่ามาใหม่ก็ก็ไม่รู้เรื่องเลยอย่างคํารู้แต่ว่าร้านนันที่นี่รักความเพลินอัสาปฏิจจสมุปบาทก็ก็เป็นนั่งศึกษาว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อวิชาความไม่รู้มา ก็ไล่ามาตามสายเกิดสายดับอันนี้เข้าใจค่ะเข้าใจทีนี้บางอย่างน อ, อย่างมามาฟังมาฟังที่ก็มาฟังที่พระอาจารย์นะคะตอนที่เอามาใส่บาทเสร็จก็ก็ฟังจากศาลาไม้เนี่ยก็นั่งฟังคือก็อย่างวันนี้ก็นั่งฟังคือมาเนี่ยตั้งคือมาอยู่ที่ปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่29นะคะแล้วตั้งใจว่าสีวันที่ที่โยมอยู่เนี่ยก็จะเอาไปให้เพื่อนเผยแผ่ให้เพื่อนในสิ่งที่ที่เราได้เปลี่ยนอย่างมาครั้งแรกได้ ได้ถามพระอาจารย์ว่าอนุสัยเดิมขอ ง, ขอ ง, ข, องของเราที่เรานับถือว ท, ทุกอย่างวัตถุมงคลหรือการสวดมนต์หรือภูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยเราต้องเปลี่ยนใหม่หมดก็หนักใจเหมือนกันตอนแรกก็รู้สึกว่าโอ้โหมันมันขัดมันขัดคือทุกคนเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะรู้สึกอย่างนี้หมดนะคะว่ามันขัดแต่ว่าพอรัึกษาไปได้สักพักหนึ่งเราจะรู้สึกว่ามันความรู้สึกเดิมเิมเราเริ่มเปลี่ยนละเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆ พอมาถึงจุดนี้วันที่29ก็ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ที่29นะคะก็คือวันเสาร์เนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันทั้งที่บ้านเนี่ยก็แบบว่าเออทุกปีจะไปสวดมนต์ข้ามปีแต่ปีนี้ไม่ไปตั้งใจมุ่งมั่นว่าคือเรามีศรัทธาอย่างลงมั่นแล้วว่าเราจะมาที่นี่เราจะเอาสิ่งที่เราได้รับ4วันนี้กลับไปเผยแผ่ให้เพื่อนที่ทางานว่าพุทธวจนะคืออะไรนะคะคือคสัจสัจคอน ส, ะสะาัสะสะาเนี่ย คือรู้เลยว่าเป็นสิ่งที่ตรงจริงคือถ้าใครได้เข้ามาตรงนี้เป็นผู้มีบุญทุกคนนะคะก็บอกว่าไม่เสียดายที่ได้มาตรงนี้เอ่อสี่ิกว่าปีของอายุกับที่เหลือไม่รู้จะเท่าไหร่เนี่ยก็ขอขอว่าขอศึกษาตรงนี้แล้วขออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อยากจะเอาไปให้เพื่อนที่ทํางานหรือครอบครัวเพื่อนฝูงทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าความสําคัญของพุทธวรนะคําสอนทศนิยมที่มีมาสองพันปีเนี่ย เป็นอะไรที่ไม่มีอะไร ท, ท, ที่เทียบเท่าเสมออีกแล้วนะคะก็เลยก็เลยมีความสุกว่าอย่างวันนี้ฟังผู้มาใหม่พี่ที่เขามาครั้งแรกก็มีความรู้สึกย้อนไปเหมือนเหมือนเราว่าเรามารักแรกเราก็งงงแบบเหมือนเริ่มจากศูนย์ค <c ười> ่ะตอนนี้เราเหมือนก็เด็กอนุบาลแต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มไต่ขึ้นมาก็ก็ขออนุญาต ข, ขอขอแชร์ความความรู้สึกนะตรงนี้นะคะก็บอกว่าก็จะกลับไปเอาเอ า, เอาสิ่งที่ความคิดที่เราเปลี่ยนไป ชีวิตใหม่ของเราเนี่ยเอาไปให้เพื่อนเอาไปให้พ่อแม่พี่น้องครอบครัวนะคะในเอาเอาคำสอนของทุกวัฒน์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดในโลกแล้วอืมอดีดีดีทุวัฒนาะนะเปลี่ยนได้นี่นะครับข อ, อการครับอาจารย์ครั บ, า จ, ารรบจากไหนนะครับอ๋ออ๋อก็ข<ช>ายาสั้นบนอ่าแชร์ครับน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอีกมากครับ <c oughs> อะ จากเรื่องมารวิธีที่ง่ายที่พระอาจารย์เคยแนะนําไปในเทปก่อนครับ uh huh. uh huh. คือเมื่อคือนนะครับจากการปฏิบัตินะครับ uh huh. ก็ปกติเนี่ยการปฏิบัติผมก็จะเดี๋ยวพื้นฐานที่ปฏิบัติที่นี่ก็คือรักษาศีลแล้วก็เพียนละอากุศลให้ออกจากจิตแล้วก็สร้างกุศลคราวนี้เนี่ย <c oughs> การปฏิบัติก็คือให้ให้จิตมันรวมเป็นสมาธิแล้วก็เห็นการเกิดดับคราวนี้เมื่อคือนการปฏิบัติเนี่ยมัน ยุงมันเยอะครับเยอะมากจนกระทั่งนั่งไม่ไหวแล้วกัดตะลุซอฟเฟลก็เอาไมา่อยู่ครับ<ม>ก็เลยอยากจปะปลุความเพียรต่อก็เลยลุกมาเดินอันนี้เดินวิญญาณมันก็ย้ายขานบ่อยจนกระทั่งเรารู้สึกงุงนงงครับ<ม>ก็เลยนึกถึงคำของที่พระอาจารย์เคยมาแนะนำในเทปมัน ก, นก่อนเรื่องมาวิธีที่ง่าย<ม>ก็คือที่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อเห็นรูปก็ไม่เที่ยงตาเราก็ไม่เที่ยงมมไม่ได้ยิน เที่ยงก็ไม่เที่ยงหูเราก็ไม่เที่ยงก็จับอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับตามความเป็นจริงที่เกิดสัญญาก็ไม่เที่ยงวิญญาณเราก็ไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงไปเรื่อยๆมันก็รวมเป็นสมาธิเองครับโดยที่เราไม่ได้หวังสมาธิครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าน่าจะมีคนอีกจํานวนหนึ่งเหมือนเหมือนผมครับที่ขั้นต้นเนี่ยไปมัวหวังกับสมาธิก็ที่จะให้มีสมาธิก่อนที่ค่อยเห็นเกิดดับ ทั้งที่เราก็สามารถเห็นเกิดดับไปตามธรรมชาติไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รวมเป็นสมาธิของมันเองอแล้วก็พิจารณาได้เองจริงๆครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะใช่ลองใช้เนี่ยปฏิปทาที่พูะเจ้าบอกเลยเนี่ยปฏิปทาที่สะดวกต่อการเข้ามรรคผลนิพพานพอเราพิจาณลูกตาเออตาเราก็ไม่เที่ยงนะลูกที่เห็นด้วยตาก็ไม่เที่ยงวิญญาณที่มารู้ทางตาก็ไม่เที่ยง วนพิ่นายอยู่อย่างเนี้ยทั้งหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันอย่างเนี้ยอสงบได้เหมือนกันนี่นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับอ <c oughs> าจารย์ครับ <c oughs> คืออย่างเราเนี่ยเรียนทฤษฎีหรือว่าคําสอนของตถาคตมาเนี่ย น, นี้เนี่ยเพื่อเราต้องมองเป้าหมายว่าเราเอาไปทําอะไรอันนี้ที่สุดของเป้าหมายคือเพื่อที่จะทําให้สัตตานังเนี่ย <c oughs> อเมื่อเห็นความเกิดเกิดดับแล้วเนี่ยก็คือสัตตานังเนี่ยมันรู้สึกเบื่อหน่ายละต่อ ระบบสมมติทั้งหลายทั้งขันทั้งหลายเพื่อที่เขาเนี่ยจะกระโดดออกจากระบบสมมติไปสู่ระบบวิมุตติอันนี้คําว่าเบื่อจริงๆเนี่ยเราต้องถามใจตัวเองจริงๆว่ามันเบื่อที่สุดเบื่อแค่ไหนอืประมาณไหนครับถึงขนาดที่ว่ามีผู้ที่เอามีดเนื้อที่จะมาฟันเราเราไม่หวั่นไหวต่อความตายเพราะว่ารูปปั้นนี้ก็ไม่ใช่เราอเราก็เป็นเพียงนี้หรือเปล่าครับจะได้เอากลับไปเพียนต่อเรื่อยๆครับอ ก็เบื่อขนาดไหนไอตัวตัวนี้ก็ก็เหมือนวัดยากเหมือนกันวิธีวัดง่ายๆก็คือบิญยาณที่ไปเกาะกับอารมณ์นะถ้ามันเบื่อแสดงว่าอ่าเราจะต้องวางอารมณ์นั้นได้เร็วครับอ่าถ้ามันเบื่อจริงรพอไปเกาะปุ๊บโอ้ไม่มีสาระวางครับไปเกาะปุ๊บโอ้ไม่มีสาระวางครับมันก็จะเห็นอย่างเนี้ย เพราะมันจะไม่เห็นสาระของการที่จิตปรุงไปรปรุงไปเรื่อยโอ้ไม่ีความแน่นอนเลยปรุงอะไรก็เดี๋ยวถึงเวลานั้นจริงๆมันก็เปลี่ยนอีกนีมันจะเห็นชัดอย่างนี้เราก็จะไม่ค่อยากปรุงอะไรมากแล้วพอปรุงอะไรปุ๊บมัน่ก็จะกลับมาอยู่ปัจจุบันครับก็อยู่กับลมหายใจช่กัแตว่าอยู่กับลมหายใจใ<ช>โนโนไปอะไรเงี้ยใช่ครับอยู่กับการเดินการกินการทํากิจอะไรของเรานะปัจจุบันอย่างเนี้ยครับนี และการคิดการปรุงเราก็จะคิดปรุงแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์นะเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อตนเองต่อทุกๆคนอย่างนี้อะไรที่เบียดเบียนมันก็จะลดละเลิกมันไปนะขอบคุณครับเอาตัวนี้เป็นตัววันเนาะต่อจากน้องเมื่อกี้ครับคืออรมณโบสสักขานี่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเบื่ออื้วไม่ต้องจับแล้วดีกว่ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเบื่อแล้ว แต่มันเป็นความรู้สึกที่พระอาจารย์บอกมาคิดว่าไปจับอะไรก็ไม่รู้จะไปจับทําไมสุดท้ายมันก็ดับอยู่ดีแต่ทีนี้คำถามคือว่าขันสุดท้ายครับพระอาจารย์ที่มันจะต้องเป็นวิญญาณติดติดสุดท้ายก่อนที่เราจะโว้ศรัคธาเนี่ยมันคือสังขารขันใช่ไหมครับคือตัวสติตัวสุดท้ายที่เราจะไปวิมุติแล้วเนี่ยอจะต้องมีวิญญาณติดติดขั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นแล้วตัวเนี้ยที่มันจะเกิดขึ้นก็คือตัวสติซึ่งเป็นสังขารขัน Uh huh. พอตรงนี้ดับไปปุ๊บวิชาพิมุนก็จะเกิดใช่ไหมฮะ uh huh. ขอบคุณครับ uh huh. ความรู้สึกที่เป็นราวแม้นิดหนึ่งในวิญญาณจะไม่มีไม่อยากกาะวิญญาณดวงใหม่หนึ mm ่ง hmm. น uh ี้ก็จะหมดไปอ่ mm hmm. uh huh. อใหม่ข้างหลังนี่หลังลาไม้ชั้นบน uh huh. ไปละไม่ต้องละข้างหน้าไม่ต้อง <Kh> ah. uh huh. อนุญาตพระอาจารย์กับพอดีได้ฟังน้องเขาพูดถึงเรื่องที่พระอาจารย์แนะนำมรรควิธีตรงนี้นะคะตัวเองก็เลยคือมีอยู่ในใจที่ชอบพระสูตรของมรรควิธีที่ง่ายเรื่องของเจริญอายามรมีองแปดด้วยวิธีลัดนะคะก็ก็เหมือนกับจะมาประกอบกับที่น้องก็บอกหรือว่าที่พระอาจารย์แนะนำแต่เขาจสารจะยหได้ไหมพระอาจารย์นะคะก็คือ ภิกษ <würden. S 2> ุทั้งหลายเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักรสุตามที่เป็นจริงเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขวิญญาณตามที่เป็นจริงเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขูสัมผัสตามที่เป็นจริงเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเวทนาอันมีจักขูสัมผัสเป็นปัจจัย สุขก็ตามทุกก็ตามทุกขมะสุขก็ตามตามที่เป็นจริงบุคคลย่อมไม่กำหนดยินดีในจากสุขย่อมไม่กำหนดยินดีในรูปทั้งหลายย่อมไม่กำหนดยินดีในจากขูวิญญาณย่อมไม่กำหนดยินดีในจากขู่สัมผัสย่อมไม่กำหนดยินดีในเวทนาอันมีจากขู่สัมผัสเป็นปัจจัยสุขก็ตามทุก็ตามทุกขมะสุขก็ตาม บุคคลนั้นเมื่อไม่กำหนดยินดีแล้วไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่หลงไหลแล้วมีปกติเห็นโทษอยู่ปันจุปาทานขัน ป, ปัญจุปาทานขันทั้งห้าย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อขึ้นอีกต่อไปและปัญหาอันเป็นเครื่องนำมาซึ่งพบใหม่อันประกอบด้วยความกำหนัดด้วยความเพลิอนอย่างด้วยอารมด้วยความเพลิอนอย่างยิ่งในอารมณ์นั้น ของบุคคล น, นั้นย่อมละไปความเร่าร้อนความกระวนกระวายทางกายและทางจิตก็ละไปความแผดเผาทางกายและทางจิตก็ละไปความเร่าร้อนทางกายและทางจิตก็ละไปบุคคลผู้นั้นย่อมเสวยความสุขทั้งทางกายและทางจิตทิฏฐิของผู้รู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ ความดําริของผู้รู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะความเพียรของผู้รู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาวายามะสติของผู้รู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสตออิสมาธิของผู้รู้เห็นอยู่เช่นนั้นเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขานั้นบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิม <c ười> ด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าอริยะอัตถังคิขมะฆะ แห่งบุคคลผู้รู้เห็นอยู่เช่นนี้ย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเขาทำอริยะอัฏฐานคิขมักให้เจริญให้เจริญอยู่เช่นนี้สติประฐาน4สมัคประธานสอิทธิบาท4อินรีย์าพละหโพุทชงเจย่อมถึงซึ่งความงอกงามบริบูรณ์ได้แท้ ทำสองอย่างของเขานั้นคือสมถะและวิปัสนาได้ชื่อว่าเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟน้นค่ะพระอาจารย์คิดว่าเป็นคำตอบในส่วนที่ได้เข้าใจตรงเนี้ยค่ะมรรคปวิที่ง่ายเลยเนี่ยทาอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยมรรคแปดครบนะอ่อโพธิปักญยธรรมสามสิบเจ็ดครบเลยเ น, นี่ยเราหยิบมรรคง่ายๆแบบเนี้ยนะ ทำอย่างเดียวเนี่ยทุกอย่างครบนะไม่ต้องไปวิ่งนั่งวิ่งไล่แต่ละอย่างแล้วเราจะเห็นมุมของการครบใช่ไหมว่าเพราะการทำตรงเนี้ยความเห็นเขาก็ถูกความเพียรเขาก็ถูกสติเขาก็ถูกสมาธิความตั้งใจมั่นเขาก็ถูกต้องมันอยู่ถ้าจะติดกันเลยเป็นหนึ่งเดียวกันเลยอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นแง่มุมตรงนี้พร ะ, ะาอาจารย์คะขอโอกาสค่ ะ, ะว่าไงน้ำุ้น หองปชุมสองค่ะอลาถมทำค่ะปกด้านหลังค่ะถมทด้านหลขาทำค่ะอ๋อสันเลขาทำโอ้ยยาวนะเนี่ยยากนะนี่ยว่าไงจุนทะสันเลขาทำ ความขูดเกาเป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทาในพึงพึงทำในรมทั้งหลายเหล่านี้กล่าวคือเมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียนเราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเมื่อผู้อื่นกระทําปาณาติบาเราจะเว้นขาดจากปาณาติบาเมื่อผู้อื่นกระทาอาทินาทานเราจะเว้นขาดจากอาทินาทานเมื่อผู้อื่นเป็น เมื่อผู้อื่นพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเราจะเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเมื่อผู้อื่นมากด้วยอภิชาเราจะเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีจิตพยาบาทเราจะเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุ้งซ่านเราจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มาโกรธผูกโกรธเราจกเป็นผู้ไม่มาโกรธผูกโกรธเมื่อผ yup ู้อื่นเป็นผู้ลเป็นผู้ดูหมิ่นเอ๊ะลบหลู่คุณเราจกเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณเมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดีเราจะเป็นผู้ไม่แข่งดีเมื่อผู้อื่นเป็นเมื่อผู้อื่นเป็นเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษยาเราจกเป็น ผู้ไม่ริษยาเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตรณีเราจะเป็นผู้ไม่ตรณีตรนีเมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวดเราจะเป็นผู้ไม่โอ้อวดเมื่อผู้อื่นเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมารยาเราจะเป็นผู้ไม่มีมารยาเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบหลู่คุณเราจะเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณเมื่อผู้อื่นเมื่อผู้อื่นเป็นผู้กระด้างเราจะเป็นผู้ไม่กระด้าง <c oughs> เมื่อผู damn, ้อื่นเป็นผู้ลบดูคนเราจักเป็นดูหมินไอ้ดูหมินท่านดูหมินท่านเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ดูหมินท่านเราจักเป็นผู้ไม่ดูหมินท่านเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่ายากเราจักเป็นผู้ว่านง่ายเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมิชั่วเราจักเป็นผู้มีมิตรดีเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ประมาทเราจักเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อผู้เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ เป็นผู้ไม่มีฮิริและโอตัปปะเราจะเป็นผู้มีฮิริและโอตัปปะเมื่อผู้เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสุดตะน้อยเราจากเป็นผู้มีสุดตะมาก <c oughs> เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ขี้เกียจเราจะเป็นผู้ปารบความเพียรอ้าอโหเยี่ยมมากที่น่าสังเกตคืออะไรสันเลขธรรมเห็นเ้าทำอะไรไม่ดี นะอากุศลต่างๆก็ไ huh. ม่ได้ไปว่าเขานะแต่เราจะน้อมมาว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นนะอ่าเห็นเขาเบียดเบียนเห็นเขากําลังเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเราจะน้อมมาเออเราจะไม่เบียดเบียนนะทาอย่างนี้ดูไม่ดีนะอ่เห็นเขาทําปาณาติบาตเขาฆ่าเนี่ยเราก็เราจะไม่ฆ่าดีกว่านะเห็นเขาขโมยเราก็น้อมมาสู่ตัวเราเราจะไม่ขโมยนะเห็นเขาพูดเท็จ พูดส่อเสียดคําหยาเพื่อเจ้เราก็น้อมมงเราจะไม่ทำเห็นนะทุกอย่างเลยเจ้าีโอ้อวดมีมารยากระด้างดูหมิ่นท่านเห็นเขาดูหมิ่นคนอื่นเห็นเขาเป็นผู้กระด้างเป็นผู้โอ้อวดเจน้นีอย่างนี้เราเราจะไม่ทำเนาะเห็นะไหมนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ <c oughs> สุดะน้อยเราก็จะมีสุดะมากนะเห็นเขาไม่ก็สังสมสุดะแล้วเห็นก็เป็นผู้ขี้เกียจเราก็จะปาราลบความเพียรอื <c oughs> <c oughs> กลับมาย้อนดูตัวเองหมดเลยนะอืเ <c oughs> นี่ยถ้าทุกคนย้อนดูตัวเองอย่างเนี้ยมันโอ้สังคมจะดีมากเลยอืม <c oughs> ขอการครับพระอาจารย uh ์ huh. สาไม้ชั้นล่างครับศารม้ชั้นล่าง <c oughs> ครับ <c oughs> คือเมื่อเช้านี้ผมได้ฟังรายการธรรมะรายการหนึ่งทีนี้เนี่ยคือก็ดีใจะครับก็ใช้คำพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ uh huh. มีเรื่องติดใจนิดนึงของคงคําอธิบายของเรื่องอนัตตาครับอตานี้ผมว่าคือ เอาสั้นๆคือผมอยากให้พระอาจารย์เนี่ยอธิบายให้พุทธบริบรษัทเนี่ยเข้าใจตรงกันให้หมดออว่าอ่าใช้คําสถานคดอธิบายคําสถาคตน <c oughs> ะครับ <c oughs> เพราะว่าผมคิดว่าอันิี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็เป็นหลักสําคัญผมเข้าใจว่าเป็นนัยยะหนึ่งของอริยสัจสี่ด้วยซ้ํำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีคือสําคัญที่สุดเนี่ยพุทธบริษัททุกคนเนี่ยน่าจะปรับวาทะให้ตรงกันเราจะได้เข้าใจไปนในแนวเดียวกันไม่พัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิครับขอบคุณครับอ เพราะก็ยังมีคนไปไปพูดว่านิพพานเป็นอนัตตาไม่เข้าใจความหมายของคําว่าอนัตตานี่ถ้าใครมาที่วัดตอนเช้าเช้าเนี่ยจะได้ฟังพระสูตรที่ที่พระท่านอัดเทปเราก็อ่านไว้อย่างเมื่อเช้านี่เองก็ฟังมันก็ชัดเจนเลยพระเจ้าบอกเนี่ยถ้าสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็จะเป็นไปเพื่ออาพาธ นั้นนิพพานเป็นอนัตตานิพพานก็จะเป็นไปเพื่ออาพาธ <c oughs> ม, มันไม่ได้เลยเรามาไปไข้ควรมันจะขัดกับพระสูตอีกเยอะแยะมากมายพูะเจ้าจัดไว้ชัดมากนะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนิพพานมันเป็นไปเพื่ออาพาธไม่ได้นรา ะ, ะนิพพานไม่มีเสื่อมอาพาธคือความเสื่อมความดับไม่มีในนิพพานเพราะคุณสมบัติของนิพพานหรืออสังขตะ เกิดไม่ปรากฏณนะอุ ป, ปาโทปัญญาญติไม่ปรากฏมีการเกิด 2. ณนะวะโยปัญญาญติไม่ปรากฏมีการเสื่อมนะอ่ะสาสณทิตตสะอัญญตตังปัญญาญติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่จําพระสูตรสองพระสูตรนี่ไว้เนี่ยสังคตะอสังคตะเนี่ยเห็นนะอ่าจำให้แม่นจําให้ดีจําให้ได้ แล้วเอาไปครควรไงดังนั้นถ้าไม่ทราบพระสูตรนี้เนี่ยเราก็จะเทียบไม่ได้ว่าสังคตะาสังคตามันต่างกันยังไงพระเจ้าบอกว่าลูกเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตานั่าะฉะนั้นตัสขันห้าเป็นอนัตตา และขันห้าคุณสมบัติของมันอะไรก็คืออุปาโทปัญญาจิเกิดปรากฏเห็นนลองดูสิมองไปทั่วโลกเนี่ยเกิดปรากฏหมดอนะ่ะต้นไม้ก็เกิดสัตว์ตตาาเกิดคนเกิดนามธรรมเกิดเกิดปรากฏนะในใจเราเนี่ยสิ่งหนึง่งเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวคิดโน่นเดี๋ยวคิดนี่เดี๋ยวไอ้โน่นเกิดปรากฏเห็นไหม สิ่งใดเกิดปรากฏแล้วตั้งอยู่ถาวรไหมไม่มีมันก็จะดับปรากฏนั่นแหละนะเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเมื่อตั้งอยู่เฉยๆก็เปลี่ยนแปลงตลอดดูก้อนน้าแข็งเนี่ยง่ายๆตั้งก้อนน้าแข็งไว้เฉยๆละลายตลอดละลายละลายละลายเปลี่ยนเนี่ยเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแล้วโยมว่ากระถนนี่ตั้งอยู่เฉยๆเสื่อมไหม เสื่อมนะมองมันมองไม่เห็นนะนะโยมมนมือลูกไปหน่อยมันก็เสื่อมแล้วนะลมพัดหน่อยมันก็เสื่อมทีละอนูสองอนเหมือนโขดหินที่อยู่ริมทะเลน้ํามันซาะไปทุกวันโยงไปเห็นมันอนะ่ะไม่เห็นมันกร่อนเลยแต่จริงๆมันก็กร่อนทีละนิดทีละนิดอยู่ตลอดเวลานะอา่าห้าปีสิปีโอ้โหกร่อนไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้อย่างเนี้ยอา่าเหมือนกัน ทุกอย่างนในโลกธาตุเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือละลายตลอดสลายตลอดคือว่าโยเสื่อมเข้าใจไหมนี่เข้าใจในบทพันะของพระองค์เพราะฉะนั้นความเป็นกระโถนก็มีชั่วคราวใช่ไหมเกิดขึ้นมาเสื่อมแล้วก็จะหายไปใช่ไหมสิ่งใดเป็นอย่างเนี้ยขันห้ามันเป็นอย่างเนี้ยพระองค์จึงเรียกขันห้าเป็นอนัตตาไปดูสิพระองค์บอกว่ารูปไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมอ่าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเห็นนะถ้านิพพานเป็นอนัตตาธิพานนิพพานต้องเป็นทุกข์อ่านิพพานเป็นทุกข์นิพพานเป็นอนัตตานี่มันต้องมาเข้ากรอบกับขันธ์หใช่ไหมอ่านี่แหล ะ, ะดังนั้นด้วยธรรมะพื้นฐานอย่างเงี้ยพุทธวจนะคําพูดต ถ, นะถาคตพื้นฐานมันตอบได้หมดเลยอาตมาก็ยังงงอยู่นะว่า คนไม่เข้าใจอนัตตานี่หรือเข้าใจวันิพานเป็นอนัตตามันเข้าใจได้ยังไงไม่ใช่ฐานะเลยนะแต่ในพระไตรปิฎกที่เป็นส่วนอัตถกถาคําแต่งใหม่เขาไปเขียนอย่างนั้นอันนี้ไอ้พวกที่ไปนั่งอ่านแล้วก็ไปเชื่อคําสาวกก็เลยพยายามหาเหตุผลโยงกันไปให้เข้าใจวันิพานเป็นอนัตตาคุณไม่ได้กลับมาดูพุทธวจนะเลยนะอ่า ไม่ดูกฎสังคตะอสังคตะพวกนี้จะไม่กล้ายกฎกฎสังคตะอสังคตะเห็นไหม เ, เวลาเขายกอ้างคำว่านิพพานเป็นหน้าตาเขาจะยกคําอัตถกาธานนั้นอันนี้ยกมาเต็มหมดเลยนะอืแต่เขาจะไม่ยกพุทธพจนะเ์เขาจะไม่ยกว่าพระตถาคตจัดกับพระอนุนว่าอ น, นุอ น, นกฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งการเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีบัญญัติขึ้นเพื่ออะไร บัญญัติขึ้นเพื่อขันห้าหม่มันก็ตรงนะนะแค่ประสุดนี่มันก็ชัดมากเลยกดแห่งการเสื่อมเนี่ยนะการเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ลองดูเนี่ยเห็นะอานน์กดแห่งความบังเกิดขึ้นก็ดีการปรากฏขึ้นเนี่ยกดแห่งความเสื่อมไปก็ดีวโยนะเนี่ยอุปปาโท ว, วโย กฎแห่งความเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่มันเคยเป็นอยู่เนี่ยกโถมันเคยเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมันแปลเปลี่ยนผูกรไปเรื่อยๆก้อนน้ำแข็งมันเคยเป็นก้อนอยู่แล้วละลายเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยเนี่ยความเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่มันเคยเป็นอยู่แล้วก็ดีเนี่ยย่อมถูกบัญญัติอยู่แกมูทาเหล่าไหนเล่านะพระนนตอบว่ายังไง ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่าใดที่ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วเอามันตั้งแต่อดีตเลยนะไอ้ที่มันล่วงไปแล้วเนี่ยแล้วก็ยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏและสิ่งที่เกิดอยู่แล้วปรากฏอยู่แล้วจะเป็นขันห้าในอนาคตก็ตามขันห้าในปัจจุบันก็ตามขันห้าในอดีตก็ตามเนี่ย <c oughs> กฎแห่งความบังเกิดขึ้นกฎแห่งความเสื่อมไป กฎแห่งความเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีย่อมถูกบัญญัติอยู่แก่หมู่แห่งธรรมเหล่านั้นนี่มันครอบคลุมทสังฆตะแล้วนะเนี่ยนะเออโยมต้องรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันคือสังฆตาธรรมนะเวลาแบ่งกลุ่มเนี่ยใหญ่ๆนะลองไปดูสังฆตะอสังฆต ะ, มะเมื่อกี้พระเจ้าแบ่งกลุ่มโลกธาตุทั้งหมดเนี่ยสองอันคือสมมุติกับวิมุตต์นี ใช่ไหมสมมติก็คือสังคตะทำที่ถูกปรุงแต่งได้ธรรมชาติอะไรก็ตามที่มันถูกปรุงแต่งได้มันคือสังคตะหรือสังขารทั้งหลายอสังคตะก็คือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้นิพพานอสังคตะเป็นชื่อแทนนิพพานไปดูไวยพจน์ของนิพพานที่ผู้เจ้าตรัสเอาไว้อสังคตะเป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพา น, นอมะตะ เป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพานไม่ตายหรือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้นะมีชื่อต้องอีก30กว่าชื่อลองไปดูนัยยะของเขานน่น่ะชื่อแทนนิพพานเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยพระสูตรพวกนี้เนี่ยถ้าเขาเข้าไปศึกษายกมาปุ๊บแต่พุทธวจนะเนี่ยจริงๆยมรู้แค่ประมาณ10กว่าพระสูตร เรื่องเกี่ยวกับอนัตตาจะแจ่มกระจากหมดเลยนะเห็นได้เป็นเรื่องซับซ้อนอะไรโอ้ยยกเหตุผลจีปาถะแต่ไม่ใช่เหตุผลพุทธวจนะเลยเหตุผลคำแต่งใหม่คำสาวกคนนั้นคนนี้พูดนะนี่แหละพื้นฐานจากการที่ผู้เจ้าตรัสว่าคำสาวกอย่าไปฟังคำแต่งใหม่อย่าไปฟังนะแล้วตัวเองก็เลยงงเองน ะ, ะโเรียนกันมามากมายกายกองนะ เป็นปลาตายน้ำตื้นเองนะง่ายๆดังนั้นใช้แต่พุทธวจนะคำตถาคตของเราเนี่ยนะเข้าใจง่ายตรงมีเหตุผล <c oughs> ไม่ต้องอ้างใครเลยนะเสื่อมนะลองดูพู้เจ้าจะตัดเกี่ยวกับกฎของสังกัตะมีอะไรบ้างจะมีตรัสในรูปแบบของรลสสัตตีคือสมุทัยกันนิโรธเกิดกระดับ ใช่ไเกิดกระดับอริ ส, สัตถีราทราบอยู่แล้วสมุทัยเกิดมีนิโรธความดับใช่อีกมุมหนึ่งก็คือ <c oughs> อ น, นิจจังทุกขังนัตตาใชา่เวลาเกิดแล้วก็ดับนะก็จะมีตัดอีกแบบหนึ่งก็คืออ น, นิจจังนะคือไม่เที่ยงสิ่งที่จะไม่เที่ยงมันต้องเกิดมาก่อนใช่ถ้ามันไม่เกิดเนี่ยมันจะมีมันจะมีความไม่เที่ยงไหมไม่มี แต่เพราะมันเกิดมันจึงมีความไม่เที่ยงนะอันทีจริงทุกขังก็คือดับแตกสลายนะเพราะพระุทธเจ้าบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์น้ำแข็งเนี่ยมันละลายเรื่อยนะก้อนหินโยมเอากระดาษทรายขัดมันไปขัดมันไ ป, ข, นไปขัดไปเรื่อยเนะี่ยมั น, ก, นก่อนไปก่อนไปที่สุดหมดความเป็นก้อนหินหมดเลยนะนั่นคือทุกขังนะอ่าต้องเข้าใจคาว่าทุกขังดีๆนะ ทุกขังอย่าเข้าใจว่าเป็นความรู้สึกทุกอย่างเดียวนะผู้เจ้าบอกความทุกข์ก็เป็นทุกข์นะอ่านี่พอไปเจอพระสูตรนิยมจะชัดแล้วนะความทุกข์ก็เป็นทุกข์ความสุขก็เป็นทุกข์อุเบกขาก็เป็นทุกข์พระองค์จึงบอกสารีบุตรว่าเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์เห็นนะอ่าเห็นไหมว่าคาว่าทุกข์เนี่ยมันมีทั้ง ความรู้สึกทุกข์นะแล้วก็ทุกข์คือการแตกสลายยมต้องเข้าใจความลึกซึ้งของคำคาเดียวอันนี้นะว่ามันใช้ได้อย่างนี้มันทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันมีการแปลเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลนเป็ น, ป น, ปนแตกสลายนะนี่คือศัพท์ที่ชาวพุทธเราเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจและเข้าใจผิดเข้าใจกรอบแคบจนกระทั่งแปะอธิบายให้ฝรั่งฝรั่งก็เข้าใจไปว่า ทำไมพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องความทุกข์ความสุขไม่สอนเรืองไงไม่ใช่สอนหมดทุกเรื่องนะเข้าไปเข้าใจว่าทุกขสัตว์ในอะเลสัต4ีคือความรู้สึกอันเป็นทุกทุกกระทมใจอย่างเดียวอย่างนี้มันไม่ใช่แค่นั้นนะความสุขก็เป็นทุกไม่ใช่ความสุขคือความทุกขแต่ความสุขเดินไปสู่ความดับนี่เข้าใจดีๆ น, นั่นเดยนะอูะอ่เบคขาก็เป็นทุกขไม่ใช่อุเบคขาเป็นความทุกขแต่อุเบคขานั้นเดินไปสู่การแตกสลาย ที่พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้คือมันมีนิโรธคือความดับความทุกข์นั่นเองไปประกอบกับที่พระองค์บอกเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์เห็นไหมเนี่ยอ่านพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับทุกข์ให้มากๆนะจะเข้าใจความรู้สึกจะเข้าใจความหมายของคําว่าทุกข์อย่างถูกต้องแล ะ, ละเอียด อนิจเจทุกขสัญญาเห็นไม่เที่ยงมากๆจะเห็นทุกนะสิ่งใดก็ตามที่เสือเเส่อมเลื่อยๆเสื่อมเื่อยๆหมดแน่นอนมันต้องหายไปแน่นอนก้อนน้ำแข็งมันตั้งอยู่แล้วมันละลายตลอดผลที่สุดก้อนน้ำแข็งนี้ต้องหมดไปณนะเวลาใดเวลาหนึ่งเข้าใจมหเพราะฉะนั้นเกิดกระดับดับใช้คำว่านิโรธตายทุก นี่ต้องเข้าใจนะมันคําเดียวกันนั้นเนี่ยนะอ่านะเดี๋ยวจะงงนะพอบอกสมุทยัยนิโรธอ่ะนิโรธคืออะไรกันไม่ใช่ดับเหรอหรือว่าตายหรือเปล่าพอลูกเนี่ยพูดคําว่าตายพอนามพูดอานามตายไหมทุกตายไหมทุกดับอืมดับตายเหมือนกันนั่นเนี่ยเข้าใจดีๆอ่าดับตายแตกสลายทุกนะทุกขัง อันเนี้ยเรื่องบัญญัติศับนี่มันต้องเข้าใจก่อนตรงนี้นะไม่งั้นมันจะพูดไปพูดมาก็สับสนสมุทัยคือเกิดนิโรธคือดับหรือทุกข์นะทุกขังนะอันนี้พูดอีกอันหนึ่งก็คืออ น, นิจจังทุกขังนะไม่เที่ยงดับแล้วก็นัตตาเ <c oughs> พราะนั้นขันห้าเป็นนัตตาขันห้าไม่เที่ยง ขันห้าเป็นทุกข์ใช่ไหมเคยได้ยินนะพระสูตรนี้มีมากมายอยู่แล้วขันห้าเป็นอนัตตารูปไม่เที่ยงนะเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงอรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ใช่ไหมรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาดูตัวอย่างของการใช้คําว่าอนัตตา พระองค์อธิบายอนัตตาต่อเนื่องจากเหตุของทุกขังทุกขังมาจากเหตุของอนิจจังอนิจจังมาจากเหตุของเกิดปรากฏเกิดเสื่อมดับเป็นอนัตตาเข้าใจมอ่าดังนั้นอ น, อนันตตก็คือของมันมีชั่วคร้าอยูเนี่ยกระโถนมันก็มีชั่วคราวใช่มอ่ากระดาษมันก็มีชั่วคราว้าเดิมมันไม่ใช่กระดาษ มันก็เกิดปรากฏเป็นกระดาษขึ้นมาแล้วจากนั้นก็กระดาษเสื่อมเนือ เ, เ, เปื่อยเหนือเปื่อยเือเปื่อยไปเรื่อยเหนือเอาน้ํามาละลายปุ๊บกระดาษดับหมดแล้วกระดาษเป็นอนัตตาเหนือเมื่อกี้ตัวตนมันมาแป๊บเดียวนี้เห็นชัดเลยอนัตตาและกระดาษมีแล้วเปื่อยยุย่ยสลายหมดแล้วเข้าใจมั้ยเนี่ยตัวตนชั่วคราวอ่าบางคนก็บอกอาจารย์คุอฤทธิ์ผสมมาจากไหนเงี้ยตัวตนชั่วคราว เออมันไม่มีหรอกที่แปลกันนะแต่อธิบายให้โยมเห็นเนี่ยนะมันต้องแปลอย่างนี้นะอ่านี่อนัตตาก็โอ้แปลกันไปจิปาถาสารพัดแบบเลยนะ อ, อจะใช้คำใดก็ได้ให้โยมเข้าใจว่าตัวตนที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีสักพักหนึ่งแล้วก็หายไป อ, อ่าจะเรียกว่าตัวตนสมมุติหรือมีแป๊บหนึ่งชั่วคราวมีไม่ถาวร อ, อะไรก็ตามเกิด เสื่อมดับหายไปสิ่งนั้นจะถูกเรียกว่าอนัตตาเข้าใจชัดๆดนั น, นี่นะดังนั้นลูกใช่ไหมเกิดไหมเกิดเสื่อมไหมเสื่อมดับไหมดับอนัตตาไหมอนัตตาเวทนาเกิดไหมเกิดเนี่ยทุกคนจิตอยู่นิ่ ง, งๆเฉยๆสักพักเดี๋ยวสุกโผล่ขึ้นมาแล้วแล้วมีสุขถาวรไหมไม่มีสุกสักพักดับแวบไปแล้วเนเสียดายสุขอีกต่างหากใช่ไหมอ่านั้นทุกอย่างไม่ถาวรสัญญา ความจำได้ไหมายรู้เกิดขึ้นมาตั้งอยู่สักพักหายไปอีกล้สังขารความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมาตั้งอยู่สักพักหายไปอีกแล้วอืมวิญญาณเดี๋ยวมารู้ช่องทางต า, าเดี๋ยวเปลี่ยนไปลูหูเดี๋ยวไปรู้ธรรมอารมณ์ทางใจอะเดี๋ยวมารู้กลิ่นเดี๋ยวไปรู้สัมผัสไปเลื่อนเหมือนการวิญญาณนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดใช่ไหมขันห้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเยนยนมื่อเปลี่ยนขันห้าต้องดับ ขันห้าดับขันห้าเป็นอนัตตาใช่ไหมเพราะขันห้าเกิดปรากฏใช่ไหมเสื่อมดับนะเป็นอนัตตาอนัตตาจึงมาจากทุกขังถูกต้องไหมอ่าทุกขังแตกสลายมาจากเสื่อมใช่ไหมถ้าไม่เสื่อมมันจะแตกได้ไหมไม่ได้นะสิ่งที่เสื่อมมาจากเกิดปรากฏใช่ไหมอ่าเข้าใจตามดีๆนะถ้าไม่เกิดจะเสื่อมมีไหมไม่มีใช่ไหมอ่า ดังนั้นถ้าเกิดเสื่อมแน่นอนและจะดับสิ่งใดที่ดับได้เมื่อเกิดมาแล้วตั้งอยู่ดับไปได้ผู้เจ้าเรียกอนัตตาเข้าใจไหมนะจากอนัตตาผู้เจ้าก็ยืต่ตอบไปอีกว่าเนตังมะมะเนสโมสมิสมนะเบโสตานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเราสังเกตเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรากับมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะ เวลาสุขดับไปเราไม่ได้ตายขอกดับไปด้วยกับสุกเสมอไหร่เราก็ยังอยู่ใช่ไหมอืมเราก็เห็นสุขมันดับสุขมันเกิดสุขมันดับเอา้าเรากระสุขเป็นตัวเดียวกันเสมอไหร่ใช่ป่ะอา่าไม่ใช่ตัวเดียวกันทีนี้ดูให้มันครบตัวแล้กันขันท่าเนี้ยนะให้มันครบทั้งลูกทั้งเวทนาทั้งสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็ดูให้ครบไม่ใช่ดูสุขอย่างเดียวดูทุกข์ด้วยดูอุเบกขาด้วยวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหม สัญญาความจำได้ไหมรู้สังคาญความปรุงแตง่งนะวิญญาณความรู้แจ้งเปลี่ยนดับหมดทุกอย่างใช่ไหมอ่ะทีนี้ไปดูอสังคตะาอาสังคตะหรือนิพพานคุณสมบัติเป็นยังไงไม่ปรากฏมีการเกิดเกิดไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏมีการเกิดเมื่อไม่ปรากฏมีการเกิดเสื่อมมีได้ไหมไม่มีไม่รู้จะเรียกอะไรเสื่อมโยงถ้ามีกระถนเนี่ยกระถนเสื่อม นะมีแก้วแก้วเสื่อมมีคนคนเสื่อมนะการจะบอกอะไรเสื่อมสักอย่างต้องต้องเกิดนะ่ะเรียกว่าอัตราตัวตนต้องมีตัวตนก่อนมีอัตรานะมีตัวตนโผล่ขึ้นมาให้เรียกยมจะเรียกฝุ่นเนี่ยรูปไปต้องมีฝุ่ น, นอันนี้ไม่มีเลยเช็ดมาอย่างดีเลยมาจะรูปฝุ่นให้ดูสักหน่อยนะ่ะได้ไหม ร่อมลูปไปปุ๊ฝุ่นต้องมีในแอร์อัตตาตัวตนเกิดปรากฏต้องมีโผล่มาก่อนมีตัวตนดังนั้นในพระสูตรอื่นมีการเหตุของการบัญญัติตัวตนเนี่ยอัตตาเหตุของการบัญญัติอัตตาต้องมีโพลมาก่อนแต่ท่นนี้นิพพานเนี่ยไม่ปรากฏมีการเกิดตัวตนบัญญัติได้ไหมไม่ได้ไม่รู้จะบัญญัติอะไรพระเจ้าจึงบอกไม่สามารถเรียกอะไรมันได้เลยเพราะมันไม่มีกว้างไม่มียาวไม่มีเล็กไม่มีสั้นไม่มีใหญ่ ไม่มีงามไม่มีไม่งามก็ เ, เกิดไม่ปรากฏนะ่ะแต่มันมีอยู่ความมีอยู่นี้เกิดไม่ได้ปรากฏเข้าใจไหมอ่านี่กฎอสังคตะเรียกว่าณอุปาโทปัญญาติไม่ปรากฏมีการเกิดเห็นนะหรือเกิดไม่ปรากฏอ่าไอความมีของมันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มีแต่ความมีเนี่ยไม่ปรากฏการเกิด แต่ความมีที่เราเห็นเนกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเกิดปรากฏหมดเลยนี่เราเลยจินตนาการไม่ออกไงว่าไอ้ความมีที่เกิดไม่ปรากฏมันเป็นยังไงนั่นแหะคือสุญญาตาความว่างอย่างยิ่งปรมาณุตระสุญญาตาใช่ไหมอ่ว่างอย่างยิ่ง <c oughs> เมื่อเกิดไม่ปรากฏเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือไม่เสื่อมพระองค์จึงตัดคุณสมบัติที่สองว่าณนะวะโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อม เห็นไหมเพราะเกิดไม่มีนั่นเองเมื่อไม่เสื่อมและคุณสมบัติต่อมาก็คือมันไม่เสื่อมเรื่อยๆเพรา ะ, ะ ว, ว่าเวลากระทิศเสื่อมเนี่ยกระทิศเสื่อมเอากระดาษทรายมาขัดปื้ดเสื่อมมันหยุดเสื่อมทีเดียวไหมไม่หยุดขัดอีกปืด้ดก็เสื่อมอีกปื้ดหนึ่งใช่มไหมมันเสื่อมเรื่อยๆนะ ลมพัดไปก็หลุดไปทีละอนูอน้ํามาสา์ก็หลุดไปทีละอนูนีเดี๋ยวนี้ก็ใช้น้ําตัดโลหะได้เห็นไหม <c oughs> น้ําไม่ใช่ธรรมดากันนะ เ, เนี่ย เ, เพราะฉนั้นทุกอย่างเสื่อมหมดเลยเสื่อมและเสื่อมไม่ได้หยุดเสื่อมทีเดียวเสื่อมเรื่อยๆเสื่อมตลอดทุกวินาทีเนี่ยแต่อสังขตะณติตตสัญญัตตังปัญญายติ เมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏขณะที่สภาวะของอสังขตะมีอย well ู่เนี่ยก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเพราะเกิดไม่มีเสื่อมไม่มีและไม่มีการเสื่อมเรื่อยๆอตมาเรียกภาษาสำนวนอตมาเนี่ยเสื่อมเรื่อยๆไม่มีการเสื่อมเรื่อยๆก็คือเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเพราะว่าพอใช้คาเนี้ยเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏยมต้องเป็นนั่งไข้ควรอีก อีกตึบหนึ่งอ่ะมันคืออะไรวะเห็นไหมอาตมาก็เลยย่อยเป็นภาษาใหม่อาตมามาอีกนะนะว่าไม่มีการเสื่มเรื่อยๆอะนะอ่าเพราะโยมก็ต้องไปจินตนาการเมื่อตั้งอยู่อะไรวะเอากองน้ําแข็งสักอันมาตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอื่นปรากฏคือมันไม่ปรากฏอะไรมันนิ่งสนิท ต, ตลอดคือคงที่เป็นความคงที่นะอยู่คงตัวตลอดอย่างเนี้อ่านั้นต้อง ใช้จินตนาการเยอะนะแต่หลังจากจมาจินตนาการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเขามาย่อยโยมฟังนิดหนึ่งนะเพราะ น, นั้นก็เลยไม่มีการเสรื่อมเรื่อยๆนะเมื่อไม่เสื่อมไม่มีการเสรื่อมต่อมาดับมีไหมไม่มีผู้เจ้าเลยไม่ต้องพูดเรื่องดับดับไม่มีแน่ๆเพราะโอ้โหขนาดย้ำเสื่อมก็ไม่มีนะเสื่อมเรื่อยๆก็ไม่มีนะจะมาพูดเรื่องดับลรอไม่ต้องพูด เกิดมันมีไม่ได้อยู่แล้วดับเพราะเกิดไม่ปรากฏจะเรียกดับได้ยังไงอะไรอะไรดับล่ะอะไรดับมันไม่มีอะไรมาให้ดับเลยใช่ไหมอ่านั้นการที่จะบอกว่าอะไรดับต้องมีอะไรขึ้นมาก่อนใช่ไหมมีอะไรอะไรขึ้นมาก่อนมีกระโถนมีแก้วมีกุฏิมีคนมีสัตว์มีน้ำแข็งขึ้นมาอ่าแล้วสิ่งนั้นดับนั่นแหละเข้าใจไหม เกิดเสือนะเส่อมนะเสื่มเรื่อยๆนี่สังคตะไม่เกิดไม่เสื่อมไม่มีการเสื่มเรื่อยๆนะนี่อสังคตะ <c oughs> ดังนั้นนัยยะของการอธิบายนะกดสังคตะาสังคตะตรัสไวหลายนัยยะไงทีงนี้เราลองเอามาผสมกันนะพอเอานัยยะต่างๆมาผสมกันก็จะเห็นว่า1อุปาโทปัญญาญาติเกิดปรากฏเมื่อเกิดปุ๊บเนี่ย อะไรจะตามมาวโยคือเสื่อมเสื่อมใช้คำพูดอะไรได้อีกอ น, นิจังเอ่าที่บอกอ น, นิจังทุกขังอนัตตาอ่าแต่อันนี้ใช้วโยคือเสื่อมหรืออ น, นิจังนะเสร็จแล้วต่อมาก็ต้องก่อนไปดับคือเสื่อมเรื่อยๆเห็อ่าอย่างนี้เกิดปรากฏเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆแล้วมันก็จะต้องดับเพราะมันเสื่อมเรื่อยๆที่สุดก็ดับ เมื่อดับปุ๊บเป็นอนัตตาอ่าแต่ทันนี้นิพพานเกิดไม่มีไม่ปรากฏการเกิดใช่ไหมเสื่อมก็เลยไม่มีเสื่อมเรื่อยๆก็ไม่มีดับก็ไม่มีอนัตตามีได้ัหมไม่ได้เจ้านะไม่ต้องเรียนปรเรียนหรอกโยมก็เข้าใจกันหมดแล้วนะที่ทันเรียนปรเรียนไม่เข้าใจก็จะไปเรียนมนเลยนะเออ เนี่ยมาเรียนพุทวจะนะดีกว่าเข้าใจนะออเ น, นี่ก็เป็นนัยยะนะเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆ <c oughs> ดับนะอนัตตาไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการเสื่อมไม่มีการเสื่อมเรื่อยๆดับไม่พูดถึงเลยอนัตตามีไม่ได้ทุกขังมีในนิพพานไม่ได้อนัตตามีในนิพพานไม่ได้ นั้นสิ่งใดเป็นทุกสิ่ง น, นั้นเป็ building, <ă s coinc idir> นอนัตตาพระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนเลยสิ่งใดเป็นทุกขเมื่อรูปเป็นทุกขรูปจริงเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นทุกขวิญญาณจริงเป็นอนัตตาเพราะวิญญาณก็คือเกิดปรากฏวิญญาณเสื่อมและวิญญาณดับรูปเกิดปรากฏรูปเสื่อมและรูปก็ดับเวทนาเกิดปรากฏเวทนาเสื่อมและเวทนาก็ดับดังนั้นพระสูตรนี้มีเป็นร้อยพระสูตร ให้โยมได้เห็นได้พิจารณานะเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตานะมีคำอีกอนิจเจทุกขสัญญาเห็นไม่เที่ยงเรื่อยๆเนี่ยจะเข้าใจทุกขงังนะมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่ง โยมก็ฉีกมันเป็นหน่อยหนึง่งอันนี้จังอันนี้จังอันนี้จังเด็ดมันไปเรื่อยอันนี้จังใช่ไหมอันนี้จังไปเรื่อยอันนี้จังไปไปไปหมดไหมหมดเนี่ยอันนี้จังเห็นอันนี้จังไหยโยมน่ะชัดไหมนะทุกขังไหมเนี่ยทุกไหมทุกหมดละแตกสลายกระจิ๋วนึงนเลยเนาะ อ, อมหมดเลยนะได้ไหมหมดแล้วน่ะก็อย่งนะเนี่ยทุกขังหายไปแล้วน่ะ เอาไปเผาซะเป็นละลายน้ำซะเนี่ยเกลี้ยงหนักเข้าไปอีกใช่อนั้น <c oughs> นี่คือขันห้านะภูเขาก็เหมือนกันนะอย่าเห็นว่าภูเขาไม่เหมือนกระดาษนะ <c oughs> มันใช้เวลาแค่นั้นเองมันใช้เวลายาวหน่อยสั้นยาต่างกันแค่นั้นเองดังนั้นระบบสังคตะสังคตะจำไว้ไดีสังคตะคือธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้ รูปก็เป็นสังขตะลักษณะเวทนาก็เป็นสังขตะสัญญาก็เป็นสังขตะสังขารก็เป็นสังขตะวิญญาณก็เป็นสังขตะน ะ, ะส่วนอสังขตาอะก็บอกอยู่แล้วอะคือไม่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้มันไม่ถูกอะไรปรุงแต่งได้เลยนะเป็นหนึ่งเดียวนิ่งสนิทนะมีอยู่ ดังนั้นนิพานไม่ได้ขาดศูนย์ไงนิพานไม่ได้ขาดศูนย์นะและนิพานก็บัญญัติอะไรไม่ได้นะคำว่าบัญญัติอะไรไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นสำนวนการพูดแบบเล่นคำมันไม่ได้จริงๆไงเพราะเกิดไม่ปรากฏเมื่อเกิดไม่มีเราจะบัญญัติอะไรละ่ะใช่ไหการบัญญัติอะไรก็บอกแล้วต้องมีโปรโมานิดนึงอะ ต, ตอมอิเล็กตรอนฝุ่นอะไรอย่างนี้โปรโมานิดนึงให้เรียกนะ คลองแห่งการเรียกคลองแห่งการบัญญัติการบัญญัติอะไรก็ตามการเรียกอะไรก็ตามคลองแห่งการพูดจาเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญานะมีเพราะวิญญาณกับ น, นามรูปคือระบบของเกิดปรากฏจึงจะมีการบัญญัติมีการเรียกมีการพูดจาได้ดังนั้นในิพพานไม่มีเข้าใจไหมเจ้ใครยังไม่ชัดอีกเนี่ยใครยังไม่ชัดอีกนะนะ กิกชัดไหมกิ๊กขอาการขอาการครับบรรลุครับบรรลุเลยนะข <laughs> อใจแล้เนี่ย <laughs> ครับอขอาการครับพระอาจารย์ครับเสริมนิดนึงครับคืออันนี้ก็คือเราทัพบริษัทก็จะได้คําตอบอีกคาตอบนึงจากคําตอบของพระอาจารย์ก็คือว่ า, <c oughs> าที่พระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้ว่า อริยาสาวกเนี่ยถ้าไม่หมั่นศึกษาในคำพุทธเจ้าก็มักจะพัฒหลงสู่มิจฉาทิฏฐิง่ายๆ<อ>แล้วก็ที่พุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่ า, าพระบางรูปเนี่ยแม้จะบรรลุอรหันต์เนี่ยก็ยังไม่สามารถตอบปัญหาธรรมะได้ เ, <อ>เนื่องจาก เ, <อ>เขามีสุดตนตะน้อยอและทีนี้เขาอย่างเช่น <c oughs> เขาเข้าสู่นิพพานได้แต่เขาไม่เข้าใจว่าจะอนิพานนิพพานเป็นยังไง อ, อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่เนี่ย เมื่อถูกถามก็นั่งนิ่งตอบไม่ได้ น, นี่ผู้เจ้าจัดไว้อยู่แล้วน ะ, นะบรรลุธรรมนะรู้อริสัตยแต่เมื่อถูกถามในอภิธรรมอภิินัยอภิวินัยก็นั่งนิ่งตอบไม่ได้และไม่เลยราบนี่คือพวกที่หนึ่งพวกที่สองรู้อริสัตย์ตอบปัญหาอภิธรรมอภิวินัยได้ไม่หลยลาบพวกที่3ามผู้เจ้าบอกรู้อริสัต์ ตอบปัญหาอภิธรรมอภิวินัยได้และรวยราบด้วยครบเครื่องหมดอย่างนี้ทีนี้การที่พระภิกขุบวชเข้ามาในธรรมวินัยแล้วเนี่ยพระองค์บอกให้ตั้งจิตอย่างไรใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามให้เธอตั้งจิตว่าเธอจกศึกษาเข้าใจไหมการไม่ศึกษาเวลาถ่ายทอดบอกสอนจะพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฐิโดยไม่รู้ตัวนี่ ผู้ชจ้าก็ตัดนะปิดรูรั่วช่องโวไว้หมดแล้วบวชเข้ามานี่ศึกษาอะไรศึกษาคําตถาคตไม่ใช่ไปบวชมาแล้วไปศึกษาคําแต่งใหม่ไหนคําไหนแต่งใหม่ที่ไม่ใช่คํำผู้เจ้าขอผมอ่านหน่อยสินะไปหาอาหารทำอะไรนี่ใช่ไหมออ่านคําศาสดา ข, ของคุณนี่ใช่ไืมคุณไม่เชื่อศาสดาคุณเหรอนะอดังนั้นถ้าเราบวชเข้ามาในธรรมวินัยข่าก็คือเป็น สาวกของคําพูดของคนคนนั้นพระองค์จึงเรียกว่าตถาคตสาวโกสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนผู้ฟังคําสอนของตถาคตอืถ้าลูกศิษย์สัญชัยปริพาชกสัญชัยปริพาชกสาวโกสาวกของสัญชัยปริพาชกนั้นถ้าโยมมุ่งไป ฟังคำสอนของใคร ย, ยงเป็นสาวกของคนคนนั้นนอดังนั้นเราสาวกของตถาคตเราก็มุ่งฟังคำสอนของตถาคตผู้เดียวนี่ น, นี่หลักการง่ายๆไม่มีอะไรโอาเาใจไหมอขอบคุสาธยายพระสูตรครับผ ม, มเรื่องความยาวนานแห่งกับในยะที่หนึ่งครับจากหนังสือพภูมิหน้า396ครับ ค่ะ uh huh. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ <c oughs> กับหนึ่งนานเพียงใดหนอแลภิกษุกับหนึ่งนานแลมิใช่ง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท <c oughs> ่านี้เท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือว่าเท่านี้แสนปี <c oughs> ก็พระองค์จะอุปมาได้ไหมพระเจ้าค่ะ อุปมาได้ภิกษุภิกษุเหมือนอย่างว่าภูเขาหินลูกใหญ่ยาวโยศหนึง่งกว้างโยศหนึง่งสูงโยศหนึง่งไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบบุรุพึงเอาผ้าแควนกาสีมาแล้ว <c oughs> ปัดภูเขานั้นร้อยปีต่อครั้งภูเขาลูกใหญ่ลูกนั้น พึงถึงการหมดไปสิ้นไปด้วยความพยายามนี้ยังไวกว่าส่วนกับหนึ่งนั้นยังไม่ถึงการหมดไปสิ้นไปกับนานอย่างนี้บรรดากับที่นานอย่างนี้เธอทั้งหลายท่องเที่ยวไปมาแล้วมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่า เพราะเหตุว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหลสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเหล่าสัตว์นั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้ทําปฏิพี ขอให้ครับเพิ่มภูนได้เพิ่มภูนปัตพีนี้ที่เป็นป่าช้าได้เพิ่มภูนปัตพีนี้ที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานชะนี้ภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็เพียงพอเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงเพียงพอแล้วเพื่อที่จะคลายกําหนัดเพียงพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ อันนี้สำนวนเพื่อจะหลุดพน้นดังนี้นะอันนี้อุโสโตก็เป็นคนไปเจอแล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้่เพราะว่าสำนวนท่านทุธท่านเรียกว่าเพียงพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางแองจริงนบาลีก็จะใช้ว่าหลุดพน้นนะก็ เ, เลยปรับให้ตรงอย่างนี้ก็เพราะว่าเราดูบาลีจากสำนักเดียวกันคือ ใช้จากบาลีสยามรัฐท่านใช้ตัวนี้เราก็ใช้ตัวนี้เ น, นี่ยความยาวนานแห่งกลับ น, นับกันไม่ได้เลยยาวนานมากและกลับที่ล่วงไปแล้วเนี่ยก็โอ้โหมากมายเหมือนเม็ดทรายในมหาสมุทรเนี่ยนี่ขนาดกลับเดียวเนี่ยนี่อุปมากลับเดียวยังโอโ้ท้อแท้เลยนะ แล้กลับที่ล่วงไปแล้วเนี่ยอ้มันนับไม่ถ้วนเลยดังนั้นใครจะไปนั่งรู้กำเนิดของสังสารวัตเป็นยังไงสุดท้ายเป็นยังไงไม่มีทางน ะ, นะเกิดตายไม่รู้กี่กับก็ไม่รู้นะไม่ปรากฏอย่าไปสนใจนออกจากสังสารวัตรให้ได้แค่นั้นเอง <c oughs> นะ แล้วทีนี้เรื่องอันนี้จังทุกขังนัตตามีใครจะต่อไหมเอาให้เคลียร์นะเอาให้เคลียร์เรื่องนี้เรื่องหลักเรื่องใหญ่เขากล้าครับพระอาจารย์สารมาชั้นล่างครับอสาราชั้นล่างว่างไงอันนี้ที่ ท, ที่มีบางคนเข้าใจว่าอ น, นัตตาค่าอัตตาเนี่ยคือสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นจะเรียกว่าอัตตาเนี่ยถือว่าถูก โดยถูกบ้างหรือเปล่าครับอย่างเช่นเขาอุปมาว่าเช่นเราขับรถไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเกิดสัญญาว่าเนี่ยต้นไม้ต้นนี้เป็นสิ่งที่เราพอใจแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือคาว่าอัตตาอย่างเงี้ยถูกอ๋อถูกในระดับของนามธรรมได้หมดนะ่ะขนาที่เขาไปยึดอุปทานเนี่ยปุ๊บเนี่ยมีภพมีชาติชลามรณะตรงนั้นแล้วน่ะการเกิดในนามธรรมไงน่ะ วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยทิฏฐุปาทานความเห็นน่ ะ, นะความเห็นการเข้าไปยึดก็เป็นอัตตาน่ะเป็นตัวตนเหมือนกันอัตตาจริงไม่ได้มีแต่รูปอย่างเดียวนามด้วย น, นามธรรมา ท, ทุกประเภทแต่สรุปแล้วมันก็มีแค่5ธรรมชาติคือกัน5้น่ะทีนี้การเข้าไปยึดการเข้าไปพอใจยึดเพราะอะไรเพราะมาจากอยากอยากเพราะอะไรอยากเพราะพอใจน่ะ ตัวราคะคือพอใจฉันทะราคะเป็นตัวสังโยชน์เนี่ยพุทธเจ้าบอกและพระลาหนาก็ต้องละความพอใจในนิพพานดังนั้นตัวความพอใจมันพอใจได้ทั้งสังคตะและอสังคตะถ้าตัวความพอใจยังมีอยู่มันจะหล่นมาอาสังคตะอีกเอ้ยมามาสังคตะอีก ดังนั้นพระพุทธเจ้าและพระหลานคีนาศพทั้งหลายจะรู้ว่าความพอใจในนิพพานก็ไม่ได้จึงละนันทิในนิพพานละความสําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานละความสําคัญมั่นหมายในนิพพานละความสําคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานละความสําคัญมั่นหมายว่านิพพานของเราและไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานดังนั้น ความที่เข้าไปเพลินในนิพพานก็มีเห็นไหมทั้งที่นิพพานเนี่ยไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนแต่เป็นความมีอยู่เป็นความที่เข้าไปยึดนะที่พระเสขาทั้งหลายเนี่ยจะหมายมั่นซึ่งนิพพานจะยึดนิพพานว่าเป็นเรานี่แต่พอถึงแล้วพระพุทธเจ้าก็ตามพระหลานก็ตามก็จะไม่ยึดนิพพาน ปฏิปทาการไม่ยึดนิพพาน5อย่างอย่างที่บอกใช้ปฏิปทาการเพิกถอนความสําคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงสีนัยยะนะซึ่งในโดยความเป็นว่าของเราไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเรานี่ และอีกปฏิปทานหนึ่งคือไม่เพลิน อ, อย่างยิ่งสิ่งนิพพานนะดังนั้นความเพลินคือพอใจพอใจคือเพลินเพลินคืออุปทานอุปทานคือเพลินถ้าเพลินในนิพพานก็ยึดนิพพานยึดนิพพานก็แสดงความยึดยังมีอยู่ความเพลิยนยังมีอยู่ความพอใจยังมีอยู่มันก็พอใจในอสังขตะได้สังขตะมากลับมาพอใจในสังขตะก็ได้ <eston ods> เมื่อวางความพอใจในสังคตะได้แล้วสามารถเห็นแล้วทั้งสังคตตสังคตะก็จะรู้ว่าตัวความพอใจนี่เหมือนกับตัวใหญ่เลยต้องละความพอใจจึงละความเพลินความพอใจในนิพพา น, นอันนี้เป็นอย่างเนี้ยพอเข้าใจาั้มครับแล้วมีอันหนึ่งคือในยะตรงข้ามาครับถ้ามีคนเขาบอกว่าการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยเนี่ย เรียกว่าเรียกว่าอาณตาครับการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยเรียกว่าอนัตตาครับอันเนี้ยอย่าไปก็ต้องอย่าไปสรุปเองว่าอนัตตาเรียกว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยต้องดูว่าผู้เจ้าใช้อนัตาอย่างไรถูกต้องไหมดังนั้นความหมายของศัพ์คำใดก็ตามถ้าตถาคต มีตัวอย่างของการใช้ศัพท์นั้นแล้วช่วยไปใช้ตามแบบตถาคตเพราะนั้นพวกพวกจานานุกรมทั้งหลายเนี่ยยม เ, เชื่อได้ระดับหนึ่งแต่อย่าไปเชื่อสนิทนะนั้นพจานานุกรมก็เขียนว่านิพพานเป็นอนัตตาโนนเป็นนี่ อ, อย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนฟังก่อนนะดูว่าตถาคตใช้อย่างไร เอาง่ายๆโ ย, ยมเป็นคนทำโพจนาณุกรมคนแรกโยมจะไปหาศัพท์จากไหนเข้าใจไอ่าถ้ากิกเป็นคนทําโพชนาณุกรมคนแรกเจอคําว่าอนัตตาไม่มีโพชนานุกรมในโลกอยู่เลยท่านทั้งหลายจะทํำยังไงก็ต้องเข้าไปดูว่าตถาคตพูดว่าอนัตตาเกี่ยวกับอะไรบ้าง ใช้ลำดับขั้นตอนยังไงถูกต้องไหมออนั่นแหละนะด้วยการเอาพระสูตรต่างๆที่มีคำว่าอนัตตาออกมานะดูว่าพระองค์จัดอย่างไรมีเป็นร้อยเลยรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นไปเพื่ออาพาธสิ่งนั้นเป็นอนัตตานะพระสูตรต่างๆมีเยอะแยะนะ แล้วเข้าใจลึกซึ้งถึงความหมายอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ว่าของที่มันเกิดมาเสื่อมระดับผู้เจ้าจึงเรียกมันว่าอนัตตาความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นการถอนซึ่งสังโยชน์สังโยชน์เป็นอย่างหนึ่งสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์เป็นอย่างหนึ่งสังโยชน์คืออะไรชันทราคะ่ะคือตัวสังโยชน์ ตัวความพอใจคือตัวสังโยชน์สิ่งที่มันพอใจคืออะไรคือขันห้านี่ขันห้าคือสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์ความพอใจก็ไม่ได้มีในที่ไหนนอกจากมีในขันห้าอย่างนี้แต่ความพอใจหรือสังโยชน์ไม่ใช่ขันห้านะอ่าขันห้า มีเพราะความเข้าไปยึดมีเพราะความเข้าไปพอใจเข้าไปเพลินนะดังนั้นไปดูพระสูตรที่พระองค์ตัดแยกเกี่ยวกับเรื่องสังโยชน์กับสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์คือความพอใจกับสิ่งอันเป็นที่ตั้งของความพอใจอย่างนี้เข้าใจไหม <c oughs> ดังนั้นถ้าเราบอกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรก็คือเราละความพอใจได้ แล้วความพอใจนั้นไปมีในอะไรมีในขันห้าเราไม่ยึดเพราะอะไรเพราะเห็นโทษขันห้าขันห้ามีอาทีนะวะคือมีโทษเมื่อเห็นโทษเรื่อยๆจึงวางความพอใจได้วางสังโยชน์ได้วางความผูกพันสิ่งร้อยลัดที่เข้าไปยึดมันได้อย่างนี้แอบแยกกันดีๆนะอย่างนี้นะนพอเข้าใจไ้มนี่ ชัดเจนครับพระอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับข้างบนชัดเจนไหมข้างบนไม่ชัดเคลียร์นะเคลียร์นะนี่เรื่องใหญ่ของพุทธศาสนาเลยนะลวโยมจะได้ไปเป็นกระบอกเสียงให้พระศาสดานะเดี๋ยวนะ้ขอข้างหน้าไม้อยู่ข้างหน้าพอดีเดี๋ยวค่อยเตรียมไม้อาชแนงนะขออนุญาตครับกล่าวถึงเรื่องที่คาถามทุกคำถามที่โยมถามมาครับก็เลย นิกย้อยไม่ได้ถึงเรื่องหนึ่งว่าวันที่21ธันวาครับที่ว่าเขาว่าทำลายว่าจะมีโลกแตกอะครับในหลายคนก็เรียกลูกหลานเข้าไปอยู่รวมกันเผื่อว่าตายได้ตายด้วยกันอะไรเงี้ยครับเอ่อนตัวตัวผมเองผมก็มองว่าเออขันห้ามันเป็นสั่งคาตาครับก็เลยวันนั้นก็เลยอยู่กอลมหายใจเป็นเป็นพิเศษครับกะว่าถ้าเกิดตายพิเศษวันทีก็ขอให้จิตดูจิตอยู่กับรูปล้วก็แตกดับไปทีเดียวเลยครับจะได้เข้านิผ่านไปทีเดียวเลยครับอแต่พอดีว่า พอเป็นความจริงแล้วก็ไม่ตายครับก็เลยมองกับมองมองก้าวไปอีกว่าเมื่อเราดูว่าเราตายเรายังทําเลยครับแล้วความตายมันอยู่กับเราได้ทุกขณะจิต น, นะครับก็อย่าลืมลมหายใจแล้วก็อย่าลืมรู้แต่ดับไปเรื่อยๆครับเผื่อว่าถ้าเกิดวันหนึ่งตายจริงภายในเซี้ยทีจะได้ไม่ต้องกระวนในสังสารวัตอีกครับผมใช่ไหมครับอผลที่สุดปฏิทินมายงมายาอะไรก็อ น, นิจจังเห็นไหอทฤษฎีฝรั่งก็อ น, นิจจังอีกแล้วเนี่ย ก็จำไว้ดีๆนะอันนี้จังมันมีเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะผ่านไปอีกสิบยี่สิบปีมาอีกแล้วนะทฤษฎีโนโ้นโผมาในโน้นไอ้นี่นะคำตถาคตรเราแน่นอนที่สุดเลยนะอ่ อ, อฟังเหมือนเข้าใจนะครับแต่แต่มาคิดอีกทีมันก็เหมือนไม่เข้าใจสักอย่า ง, งคืออสังคตรธรรมนะครับฮัลโหลนะครับ <c oughs> อสังคตรธรรม <c oughs> เกิด ไม่ปรากฏแล้วก็ไม่ไม่มีปรากฏในการเกิดทีนี้เสื่อมเสื่อมเออครับคือไม่เกิดสําหรับผมเองคือมันบางทีผมเอาคําว่าคำว่าเกิดไม่ปรากฏคือมีการเกิดแต่ไม่ปรากฏเอ๊ะมันก็งงอยู่เกิดแต่ไ ม, <พำ S 1> ม่ปรากฏครับทีนี้ไม่ไม่มีปรากฏในการการเกิดอ ก็คือ <polarization> ถ้าสรุป <inequ> ง <ination> ่ายๆก็คือไม่เกิดใช่ไหมครับไม่เกิดก็ไม่เกิดเนี่ยไม่เกิดเวลาจะเรียกไม่เกิดแล้วจะเรียกยังไงก็คือเนี่ยเกิดไม่ปรากฏน่ะหรือเกิดไม่มีหรือไม่เกิดน่ะอะไรอย่างเงี้ยน่ะมันแล้วแต่ภาษาไทยจะเรียกอ่ะบาลีก็คือณอุปาโทปัญญาจติอุปาโทอุปาตาอุบัตินะน่ะอ่าจุติบุกอุปาตา นะจุติคือตายอุปะตะก็คือเกิดอุปะตะหรืออุบัตินะอ่าอุบัติเกิดขึ้นโผล่ขึ้นดังนั้นเวลาโยมดูจิตตัวเองอ่ะเวลานั่งสมาธิดูสิแวบความคิดขึ้นมาเกิดไหมเกิดดูเนี่ยนี่เกิดปรากฏเห็นไหรู้นะจักการเกิดเห็นสมูทัยเรื่อยๆแล้วจะรู้จักว่าเกิดปรากฏเห็นสัตว์มันเกิดไหมอ่า เห็นฝนมันเกิดไหมนี่เกิดปรากฏมันมาจากลายสาวไปสิไปเหตุมีเมฆเพองมาจากอะไรสาวไปทุกอย่างกดอิทัพปัจจยตาสาวไปนะผัสสะเกิดเวทนาเดิมไม่มีเวทนาเจ๋อเอเอามาละเวทนาเกิดเกิดเพราะอะไรผู้เจ้าบอกสาวไปสิก่อนเวทนามีอะไรมีผัสสะมีก่อนผัสสะมีอะไรมีลูกตามีหูมีใช่ไหมก่อนตามีหูมีอะไรมีตัวท่าต้องมีก่อนใช่ไหมเ น, นี่ย แต่และอันเนี่ยเกิดปรากฏเกิดปรากฏเกิดปรากฏเป็นแบบๆขึ้นมาใช่ไหมครับผมนี่เรียกว่าเกิดปรากฏอย่างนี้เข้าใจไหมครับอ่าไปทําความเข้าใจปฏิจจ์ครับแล้วถ้าเกิดไม่ปรากฏแสดงว่าสรรพสิ่งทั้งหมดต้องไม่มีจริงไหมครับผมสายปฏิจจ์ทั้งหมดระบบนี้ไม่มีไม่มีแล้วจะเรียกมันว่าอะไรผู้จ้าจึงบอกคลองแห่งการเรียกนะี่ยมีเฉพาะในสังกตะในนิพพานไม่มีคลองแห่งการเรียกไม่มีคลองแห่งการบัญญัต โยมจะบัญญัติอะไรในเมื่อเกิดไม่ปรากฏจะเรียกอะไรมันจะเรียกผ้าต้องมีผ้าให้เรียกจะเรียกหนังสือต้องมีหนังสือให้เรียกแล้วยมจะเรียกอะไรมันใช่ไหมพระเจ้าก็ไม่รู้จะเรียกอะไรนะพระองค์ก็บัญญัติเลยว่าสิ่งสิ่งหนึ่งนะสิ่งสิ่งหนึ่ ง, รงครับสิ่งสิ่งหนึ่งครับพระองค์บอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบ ในสิ่งนั้นยังไม่มีดินน้ำไฟลมยมรู้จักดินคือของแข็งใช่ไหมครับของเหลวรู้จักนะไฟพลังงานความร้อนรู้จักใช่ไหมธาตุน้ำรู้จักดินน้ำไฟลมธานลมรู้จักในสิ่งนั้นไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามอะยมรู้จักความกว้างไหมความยาวรู้จักความเล็กความใหญ่ใช่ไงามไม่งามดวงอาทิตย์สวยไหมดอกไม้สวยไหมอันนี้น่าเกลียดรู้จักใช่ไหม แต่ในนั้นไม่มีนะและโยมจะเรียกอะไรมันเรียกไม่ได้ไม่รู้จะบัญญัติอะไรมิติไม่มีอ่ะเพราะเกิดไม่ปรากฏจึงไม่สามารถบัญญัติกรอบมันไปได้การบัญญัติทางตาก็บัญญัติไม่ได้การบัญญัติทางหูก็บัญญัติไม่ได้โยมจะได้ยินอะไรก็ต้องมีเสียงปรากฏจริงไหมครับผมจะได้กลิ่นก็ต้องมีกลิ่นปรากฏใช่ไหมครับผม ดังนั้นเมื่อเกิดไม่ปรากฏโยมจะบัญญัติทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้จะบัญญัติยังไงอ่ะใช่ไหมเพราะอายตนะในนั้นไม่มีใช่ไหมอ่านี่ไงว่างสุญญาตาไงผู้เจ้าบอกสุญญาตาว่างใช่ไหมว่างจากอะไรว่างจากรูปว่างจากเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณว่างจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ บ้างจากสิ่งเหล่านี้เข้าใจไหมครับผมเข้าใจยังครับคือเกิดไม่ปรากฏนะครับอแต่ถ้าถ้าพูดสั้นๆก็คือไม่เกิดล่ะเอาง่ายๆว่าไม่เกิดแต่มีนะครับนิพพานมีนะฮะไม่ได้ศูนย์ไงครับไม่ได้ศูนย์อมันเป็นสภาวะว่าอย่างนั้นเถอะครับสภาวะคือนิพพานมีแต่ไม่มีการเกิดไม่ปรากฏครับนั่นแหละเราก็เรียกเหมือนพระพุทธเจ้าเรียกไง อสังขตานิพพานอย่างนี้นะใช่ไหมอามตตาไม่ตายนี่ชื่อแทนนิพพานเนี่ยสามสิบกว่าชื่อนายมไปอ่านเรียกเลยนะเรียกอย่างนั้นไม่ผิดเพราะพระุทธเจ้าคือผู้ที่ฉลาดในการบัญญัติมากที่สุดดังนั้นเราไม่ต้องไปคิดใหม่เลยจะเรียกไอ้สิ่งนี้ว่ายังไงอ๋อไม่ต้องเรียกตามพระพุทธเจ้าถึงจะถูกต้องครเข้าใจไหมครับผมทุกคุณครับอหรือต้องเอาไป ค่ควรดูอีกสักพักหนึ่งคือบางทีอินทรียบารมีมันมันยังไม่ถึงก็เลยฟังไปแล้วก็ยังงงอยู่งงอยู่อย่างเงี้ยต้องค่อยค่ไปไล่ไปทีละขั้นทีละขั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิค่ายควรพระสูตรที่โยมต้องจําให้ได้คือกฎของสังคตะจําได้อย่างไปท่องซะนะสังคตตสังคตตาสังคตตาอันนี้จางทุกขังอนัตตาต้องไปท่องนะพระสูตรที่เอาโสมมาขึ้นไปเมื่อสักครู่เนี้ย นะรพระสูตรที่ตัดไว้กับพระอนุนต้องไปท่องนะครับผมเพราะมันจะต้องใช้การประมวลผลด้วยใจของโยมเมื่อคำพระศาสดาอยู่ในการทรงจำแล้วถึงจะเอาไปไข้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำได้เห็นนะคนคนหนึ่งจะรู้สัธรราได้อย่างไรศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียบสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ไข้ควรพิจารณา เนื้อความที่ตนทรงจำไว้นะดังนั้นถ้าโยมจาไม่ได้เนี่ยโยมจะพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ได้อย่างไรการพิจารณามันจึงไม่ทะลุไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนี่แหละประโยชน์การทรงจำคำตาถาคตให้ได้เพื่อประโยชน์ตนเองในการไขควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจาไว้นั้นขั้นตอนต่อมาทําทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน โยมไปเดินจงกรมนั่งสมาธิหยิบเอากฎสังกตตาสังคตะอันนี้จังทุกสังนัตตาไปใคข้ควรนะมันจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะความเพียรผู้มีสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรม12ขั้นตอนของคนคนหนึ่งจากไม่รู้อะไรเลยแล้วจะรู้สัาธรรมได้อย่างไรเข้าใจไหมครับเดินตามพระเจ้าไปสินะอ่าอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับ อันนี้จังมีอีกไหมเคลียให้หมดอนนี้จังทุกขังอนัตตานะแต่ไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยธรรมางงมาก่อนเหมือนกันนะเดินจงกรมนั่งสมาธิหยิบเรื่องนี้มาค่ายคนะอันนี้จังมันยังไงนะทุกขังมันยังไงอนาตตามันยังไงเนะี่ยวนคิดค่ายคนอยู่อย่างเนี้ยนะอ่าใช้ธรรมาวิจยะ เทียบเคียงพัสูตรนั้นพัสูตรนี้ดูไปเรื่อยเื่อเดี๋ยวเข้าใจยังไงเนี่นยเรายกตัวอย่างอย่างสิ่งที่เราเห็นเนี่ยในสภาพธรรมาชาติเนี่ยภูเขาเป็นยังไงต้นไม้คนสัตว์นามารมด้วยตัวเราเองตัวเรามีอะไรรูปกายไม่พอมีจิตมีอารมณ์ต่างๆสุขทุกขความจามําความคิดปรุงแต่ง เ, เกิดไหมดับไหมไข้ควรให้ครบให้ครบทุกมันจะเข้าใจเชื่อมไปกันหมดน่ะแล้วก็จะเกิดความมั่นใจขึ้น เนยอืความชัดเจนขึ้นในจิตค ร, ครั้งแรกผมก็เข้าใจว่านิพพานเป็นอนัตตาเหมือนกันนะครับอย่างที่น้องก็พูดก็มีท่านพูดว่าสัพเพธรรมาอนัตตาครับคือทำทั้งหลายเป็นอนัตตาผมก็เลยเข้าใจว่าเออนิพพานก็เป็นสวัตสภาวะธรรมอย่างหนึ่งคือเป็นธรรมอย่างหนึ่งก็เลยว่า รวมไปว่าสัพเทธรรมานัตตานี่ผ่านเป็นอนัตตาไปผสมกันเองนั่นอันนี้อันนี้ไม่รู้ผิดหรือถูกยังไงคือคำคำนี้คือว่าคำสัพเทธรรมานัตตานะครับถูกสัพเทธรรมานัตตาเนี่ยแต่ทำมันทําฝ่ายไหนล่ะฝ่ายสังคตะหรือสังคตะมันคุณสมบัติเหมือนกันไหมล่ะใช่ไหมอ๋อครับมันแยกออกมาอีกทีหนึ่งเออมันคนแล้คุณสมบัติมันก็เออมันสังคตะสังคตะ ไปเอามาปนกันยังไงในเมื่ออันหนึ่งเกิดปรากฏอีกอันเกิดไม่ปรากฏน่ะใช่ไหมครับขอบคุณครับแล้วโยมดูสิอนัตตาเนี่ยผู้เจ้าใช้กับอะไรใช้กับขันห้าถูกต้องไหมอนัตตาใช้กับขันห้าใช่ไหมอ่ามีเป็น100ร้อยพสูตรนะรูปเป็นอนัตตาเคยได้ยินใช่ไหมเวทนาเป็นอนัตตาใช่ไหมอ่าดังนั้นเวลารูปเป็นอนัตตาเนี่ยอนัตตามาจากไหนมาจากทุกใช่วยไหม อแตกสลายแตกสลายมาจากเสื่อมใช่ไหมเสื่อมมาจากเกิดใช่ไหมเมื่อกี้ที่ถอยให้ดูเข้าใจตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยอ่าแต่นิพพานเนี่ยเกิดไม่ปรากฏใช่ไหมแล้วนิพพานเสื่อมได้ไหมไม่เสื่อมใช่ปะแน่ใจเดี๋ยวไม่ช่วยนะเมื่อนิพพานไม่เสื่อมนิพพานไม่ดับใช่ไหมไม่ดับเพราะมันไม่เสื่อมใช่ไหมไม่เสื่อมเพราะมันไม่เกิดใช่ไหมอ่า เมื่อไม่เกิดไม่เสื่อมไม่ดับแล้วอนัตตามาจากไหนอยู่ๆอนัตตาโผมาอย่างไงอ่ะเหตุปัจจัยปฏิจจสมุปบาทยมต้องรู้ว่าคำคำหนึงจะมีได้เนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยของคําำนั้นมาก่อนใช่ไหมผู้เจ้าบอกอนิจเจทุกขสัญญานีเห็นไม่เที่ยงมากๆจะเห็นทุกขังนั่นน่ะคือทุกมันเกิดมาจากไม่เที่ยงถูกต้องไหมอ่าสิ่งที่จะดับโดยไม่ผ่านการไม่เที่ยงมีไหม ม, มันก็ต้องจางคลายก่อนเสื่อมก่อนแล้วมันก็ดับถูกต้องมอ่าเมื่อดับแล้วเนี่ยเราก็เรียกไอ้สิ่งนั้นนะสิ่งนั้นเนี่ ย, นนยมันมีขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปอะ่ะสิ่งที่จะมีสิ่งที่มันมีขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปเนี่ยยงจะเรียกมันว่าอะไรอะ่ะตัวตนชั่วคราวตัวตนไม่ถาวรนะตัวตนไม่จริงสมมติบัญญัติอยากจะเรียกอะไรก็เรียกไปสินีใช่ไม้ม อนัตตาผู้เจ้าบอกอนัตตาเนี่ยคือนิยามของคำว่าอนัตตาที่ผู้เจ้าใช้ดังนั้นการนิยามอนัตตาอย่าไปนิยามเองนะต้องนิยามภายใต้สิ่งที่าศาสดาใช้เป็นตัวอย่างให้ดูอนิจจังทุกขังอนัตตามีตัวอย่างให้ดูเป็นร้อยพะุูตรทำไมไม่ดูไปตั้งบัญญัติอนัตตากันเองเห็นไห มันน่างงไหมเนี่ยจริงจแล้วมันไม่น่างงอะไรหรอกโยมถ้าใช้คำผู้เจ้าค่อยๆไขควรทีละอันทิอันทีลอันแล้วทุกอย่างเกิดจากเหตุไงนะเสื่อมเกิดจากเหตุคือเกิดดับเกิดจากเหตุคือเสื่อมถูกต้องไหมเอาอันนี้ให้ถูกก่อนนะเนี่ยใช่ไหมดังนั้นผู้เจ้าก็ใช้รูปเป็นอนัตตาใช่ไหมเวทนาเป็นอนัตตาโดยผู้เจ้าก็ไล่เลียงจากเสื่อมดับ อนัตตาทั้งหมดถูกต้องไหมแล้วพระองค์ก็ยังตอกย้ำอีกว่าสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาถ้าโยมบอกว่านิพพานเป็นทุกนิพพานเป็นอนัตตาจริงไหมะละ่ะแล้วนิพพานเป็นทุกได้ั้มไม่ได้แสดงเราไปใส่คำเองใช่ไหมไม่มีในพุทธวจนะนี่เข้าใจยัง โอ้โหยังใช้คำว่าพอใจ่ายเนะมันต้องฟันธงแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยขออนุญาตผ่าจานนะครับ<ม>เออมีคําถามฝากถามมาครับว่าทําไมทําไมมนุษย์ต้องเข้าสู่นิพพานด้วยครับในเมื่อว่าเดี๋ยวสุกเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สุกบางทีมันก็มีความสุขอยู่แล้วอะครับเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วทําไมคนเราต้องนิพพานด้วยอะครับในเมื่อว่าบ น, บนวินญญาณตายเกิดถึงแม้มันจะทุกข์บ้างเดี๋ยวมันก็สุข ข, ขึ้นมาใหม่อยู่ดีอะ จะไปตัดขาสองข้างแล้วสายแล้ทุกไปเดี๋ยวมันก็ดับโอ้โหทุกไปกว่าจะดับออยากทุกไหมล่ะเหมนไหมอ่เนี่ยมันไม่คิดเนี่ยว่าคิดว่าโอ้เราจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดหรอมันไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดนะอะแล้วคนที่เขาพิการแขนขาดขาขาดอะไรเซ็งไหมเซ็งหมดยโยมไปสัมภาษณ์กันเลยนะหงอยกันหมดเลยนะ อืโลกไม่โซฟาแล้วใช่มอืมแล้วชอบไหมละ่ะไม่ชอบเยไปสัมภาษณ์สิไอ้พวกอยู่ไอซียูนอนปะแง่ประแงผพันเป็นบัมมี่อยู่นละย ห, หรือให้ลูกตาใส่ท่อใส่สายชอบมไห ม, อมบอกว่าอยเดี๋ยวทุกกระดับเอาเลยมีสัมภาษณ์สิใครชอบมนะันแล้วกวจะดับกี่ปีโอ้โหนอนไว้ห้าปีสิบปีใช่ไหมนั่นนะ่ะอยากทุกข์อีกไหมละ่ะไม่อยากเนี่ยถึงอยากนิพานกัน เห็นเวลาแบบอย่างนี้ผ่านแล้วมันครั้งเดียวไหมล่ะพระเจ้าบอกที่สุดแห่งการถูกแทงด้วยห อ, อกลาวย่อมไม่ปรากฏเนี่ยถึงบอกกันเนี่ยเธอเนี่ยถ้าถูกแทงด้วยห อ, อ ก, กวันละร้อยเล่มสามเวลาเช้าร้อยกลางวันร้อยเย็นร้อยตลอดทั้งร้อยปีแลกกับการรู้ลิขสัตว์เอาไหมพระเจ้าบอกกุลบุตรผู้ฉล า, าต้องตอบตกลงเลย บอกอา้าวเพราะถ้าไม่รู้อะไรสัตว์ที่สุดแห่งการถูกแทงด้วยห อ, อกเหลาไม่ปรากฏเลย เ, ลเราก็โดนกันมาแล้วตลอดการยาวนานนั้น เ, นเป็นอย่างนี้นะนั้นชีวิตนี้เนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวขาวหน้ามันก็เจออีกแต่คนคนนั้นเนี่ยที่พูดอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่ทุกข์เนี่ยยังเห็นทุกข์ไม่พอ ไม่ใครครวนไม่พ่นาซึ่งไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะพิการหรือเปล่าพรุ่งนี้เขาจะถูกไฟลวกทั้งตัวปะยมดูสิอุบัติเหตุในกรุงเทพวันเป็นร้อยลายเนี่ยมีใครคิดว่าวันนี้ฉันจะมีอุบัติเหตุมีมะไม่มีขับรถออกจากบ้านทุกคนก็นแฮปปี้กันทุกคนขับตูมเปียงอ่าเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งใช่ไหมอ่า ไม่ตายก็พิการไฟพวกบ้างนอนไอซีูบ้างอย่างเนี้ยไม่มีใครอยากเจอหรอกโยมแต่มันเจอทุกวันน่ะเอา้าทำไมมันเจอทุกวันน่ะใช่มแค่นี้ก็น่าจะเห็นแล้วไม่มีใครอยากเจอหรอกโยมไปสัมภาษณ์ได้คนที่เจอนะ่ะไม่น่าเลยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องทุกคนนะ่ะใช่ไทุกไหมทุกเนี่ยอืมเนี่ยแหละทุกจึงเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาขึ้นมา นะนั้น <c oughs> <c oughs> เวลามีทุกเนี่ยเอามาพิณาดีๆนะนี่นชีวิตคนไม่ได้สุกตลอดแล้วก็สุกก็ไม่มีถาวรสุกถาวรมีมัหมถ้าสุกถาวรในโลกมีผู้เจ้าก็เอาเนะี่ยเพราะนั้นรือสีโยคีก็อยากหาสุกถาวร น, นะนั่งสมาธิกันปึกเลยเ <c oughs> ข้าสมาธิกันนิถาวร น, นาน <c oughs> เป็นวันเป็นอาทิตดับไหมดับ พอดับแล้วแต่ไม่เห็นความเสื่อมมันเข้าใหม่ดีกว่าเข้าใหม่อะไปเริ่มใหม่มีสุกใหม่ปืดไปสักพักดับอะออกมาสักพักหนึ่งใช้ชีวิตปกติเข้าใหม่ดีกว่าอไืไม่เห็นไม่เห็นอันนี้จังไม่เห็นทุกขังเนี่ยเห็นนะอาศาัยการเข้าไปสงบระงับเรื่อยๆอย่างนั้นแต่ไม่เห็นเกิดดับคิดว่านั่นอะ่ะคือถาวรละเดี๋ยวตายไปชั้นเกาะอารมณ์นี้ถาวรอากลายไปเป็นพรหมอีกอยู่ยาว เสร็จแล้วพมตายไหมตายดับพ้นนรกไหมไม่พ้นใช่ไหมอ่าเพราะถ้ามีดับต้องมีเกิดใหม่ใช่ไหมเพราะเชื้อของการเกิดยังไม่หมดมและเกิดใหม่แ น, แน่ใจไหมว่าจะได้เป็นพรมไม่แน่นอนพูจ้าบอกพรมเทวดาที่ตายแล้วกลับมาสู่ความเป็นเทวดาอีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับขุนดินในมหาปฐพี นนเวลายมฟังเนี่ยฟังปัจจุบันเนี่ยให้เข้าใจถ้ายังวางสัญญาเก่าไม่ได้มันจะคาอย่างนี้แล้วมันก็จะบอกว่าแค่พอรู้เรื่องนะเห็นไหมอ่าเพราะยมไม่วางสัญญาเก่าถ้ายมปรับปุ๊บยมวางสัญญาเก่าแล้วยมทําความตั้งใจฟังเดี๋ยวนี้ค่อยๆไปปั๊บปๆ๊ยมจะจบเลยยมจะทิ้งสัญญาเก่าได้รู้เลยว่าไอ้นี่ผิดนะไอ้ของเก่าเนี่ยผิดแน่นอนนะแล้วยมจะเข้าใจน ะ, ะเพราะนั้น มันต้องวางทําหัวให้เกงกลี้ยงเกงกลี้ยงแล้วเริ่มเริ่มฟังป๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปปุ๊บเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจยากเข้าใจไหมไม่ใช่เรื่องซ <laughs> ับซ้อนอาจารย์ครับโขอโอกาสครับอสาระไม้ชั้นล่างครับออได้ได้ฟังเมื่อเช้านี้แล้วก็เลยมีแนวมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งตรงที่ว่า ในตัวเรานี่ก็มีวิมุติอยู่ด้วยใช่ไหมครับในในสภาวะของของสัตตานังเนี่ยก็ก็มีวิมุติอยู่ด้วยใช่ไหมครับก็สัตตานังมันมันก็เป็นชื่อเรียกในขณะที่สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมีความหลงในขันท่าครับเพราะฉะนั้นเวลาหมดหลงแล้วเนี่ยมันก็กลับสู่สภาพเดิมคือวิมุติใช่ไหมครับเออดังนั้นก็เหมือนกับความมีวิมุติหรือความว่างสุญญตาเนี่ยมันก็มีอยู่อยู่แล้ว ถ้าไม่มีอยู่อยู่แล้วเนี่ยมันจะไปหาอะไรใช่ไหมครับก็ที่เหมือนกับความเบานะพอเราวางความเบาก็มาแต่ความเบาวิ่งจู่ดมาป่าไม่ความเบามันอยู่ในนี้อยู่แล้วเข้าใจไหมครั บ, รบพอยมวางของหนักความเบาก็ปรากฏขึ้นเหมือนกับสุนญญตาาก็มีอยู่อยู่ในพวกเราอยู่แล้วแต่เพราะความพอใจในขันห้าที่โยมเข้าไปจับไปยึดมันน่ะอ่าอย่างนี้เออั้างงาั้น ตะเข้าใจถูกหรือเปล่าไม่ทราบครับว่ า, วาถ้ายัางยังวิมุตเนี่ยมันเป็นมันเป็นเซ็ตใช่ไหมครับแล้วก็สังขารของเราเนี่เป็นแค่สับเซ็ตสับเซ็ตที่เข้าไปอยู่ในวิมุตจะจะคล้ายๆอย่างนั้นก็ได้แต่เพียงแต่ตรงเนี้ยมันมันเป็นความว่างที่ไม่มีประมาณเลยนะคือวิมุตเนี่เราสามารถที่จะเข้าไปหาได้โดยรอบใช่ไหมครับ หรือว่าเราต้องเข้าไปนที่ครับแคบมันก็มันเป็นคําพูดแบบนั้นแต่มันไม่ได้เป็นการวิ่งเข้าไปมันวิชาวิมุติปรากฏน่ะมันมีอยู่แล้วใช่ไหมมันมีอยู่แล้วนะครับเหมือนเมฆหมอกที่มันหายไปพอเมฆหมอกหายไปปุ๊บก็คือของเดิมมันมีอยู่แล้วอย่างเนี้ยออืเพียงแต่ว่าถ้าเราถ้าเราไปจับไอสัตตานังนี้มันไปจับที่สังขารหรือว่าอะไรใช่เราก็จะไม่เห็นวิมุติ มันเกิดเพราะเราไปพอใจของเกิดแก่เจ็บตายคือขันท่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยวางได้ก็คือกลับมาที่วิมุตใช่ไหมครับใช่ครับคือทิ้งขันท่าหมดทิ้งความพอใจในขันท่าทั้งหมดทิ้งความพอใจในของแก่เจ็บตายทั้งหมดรับสภาวะเดิมของพวกเราก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่แล้วน่ะ ขอโอกาสพระอาจารย์ครับอาจากขอขอประชุมสงฆ์ครับว่าไงนะ น, นี้ครับขอสาธยายพระสูตรครับพระอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องที่คุยกันอยู่พอดีเลยครับเรื่องปรินิพานครับชื่อพระสูตรว่าหมดอาหารก็ปรินิพานพระสูตรดังนี้นะครับภิกษุทั้งหลายถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหา ในอาหารคือคําข้าวก็ดีในอาหารคือผัดสะก็ดีในอาหารคือมนุษ์สันเจตนาก็ดีในอาหารคือวิญญาณก็ดีดังนี้แล้วไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในสิ่งนั้นๆ้วิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ใดจเจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใด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 ในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปไม่มีในที่ใดภิกษุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่โศกไม่มีทุลีและไม่มีความขับแค้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนยอด หรือสาราเรือนยอดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือใต้ก็ตามเป็นเรือนที่มีหน้าต่างทางทิศ ต, ตะวันออกครั้นดวงอาทิตย์ขึ้นมาแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ส่องเข้าไปทางช่องหน้าต่างแล้วจกปรากฏอาขอโทษครับจะตั้งอยู่ที่ใดแห่งเรือนนั้นเล่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จากปรากฏที่ฝ า, ฝาเรือนข้างในด้านทิศตะวันตกพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าฝาเรือนทางทิศตะวันตกไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจากปรากฏอยู่ที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้น จากปรากฏที่พื้นดินพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายถ้าพื้นดินไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จากปรากฏอยู่ที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจากปรากฏในน้ำพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายถ้าน้ำไม่มีเล่า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 ในอาหารคือผัสสะก็ดีในอาหารคือมโนสันเจตนาก็ดีในอาหารคือวิญญาณก็ดีแล้วไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญ ง, งอกงามอยู่ไม่ได้ในอาหารคือคำข้าวเป็นต้นนั้นๆวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญ ง, งอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใด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 อุประมาณนี้ครับช่วงแรกที่ได้ฟังพระอาจารย์แสดงธรรมเกี่ยวกับพระสูตรนี้เนี่ย อ, อ่าจะเข้าใจเลยว่าอ๋อในการรับรู้ใดๆเหมือนที่พระอาจารย์แสดงธรรมก็คือว่ามันเป็นการรับรู้ในวิญญาณของเราถ้าสิ่งนั้นวิญญาณไม่เป็นรับรู้มันคือไม่มีใช่ไหมครับก็คือคือเข้าใจแค่นี้แต่ว่าเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนที่ว่ามาใคร่ครัวแล้วว่าเอ๊ะไอ้วิญญาณกับนามรูปเนี่ยมันอาศัยกันและการเกิดขึ้น แล้วก็จินตนาการไปไม่ออกว่าพอไอ้สิ่งนี้มีสี้มันก็จะมีปุ๊บทันทีแล้วเวลามันดับมันจะดับไปได้อย่างไรที่ว่าถามพระอาจารย์ว่าคือจินตนาการไปไม่ออกอะครับเสร้วพระอาจารย์ก็พูดถึงพระสูตรนี้แล้วพอไปได้อ่านอีกทีก็เห็นขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าอาธิบายไว้เป็นขั้นตอนอย่างเนี้ครับก็เลยพอจะอ่าเหมือนกับพอจะอต้องต้องใช้อย่างนี้มั้งครับว่าคือความสงสัยในทางมันก็ มันก็บรนเทาไปอะครับพระอาจารย์แต่ก็อืมก็ยังอยากจะขอคําถามพระอาจารย์ครับคือว่าคําว่าก้าวลงอ่ะครับพระสูตรที่บอกว่าการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีคือคําว่าก้าวลงก็เลยนึกถึงพระสูตรที่อาตาดกับพระ อ, อนนท์เรื่องการกําเนิดในคันนะครับว่าอ่าการก้าวลงวิญญาณลงไปในคัเนี้ก็จะเกิดมีได้อยากจะขอโอกาสพระอาจารย์แสดงแสดงคําว่าก้าวลงให้ ให้ก้าวลงก็คือคกา ร, ร, รปรากฏขึ้นนั่นแหล ะ, ะการปรากฏขึ้นของสิ่งสิ่งนั้นก็คือการก้าวลงมันเป็นเรื่องของของสำนวนการพูดการแปลไม่ใช่เป็นการเอาเท้าก้าวลงอะไรไปอย่างนีน้การปรากฏขึ้นของนามรูปนั่นแหละครับผม การก้าว <9 S 2> ลงไปแห่งนามรูปหรือการที่วิญญาณเนี่ยเข้าไปรับรู้เนะี่ยการก้าวลงเป็นอย่างนี้ครับผมตรงนี้ก็คือเราก็ทำสมาธิไปแล้วก็ไข้ขวดแล้วก็เห็นการเกิดดับไปก็อาจจะทาให้เข้าใจตรงนี้ได้ว่าก้<อ>าว <9 S 1> ลงมันจะเป็นอย่างไรเราจะเห็นได้จากการทำสมาธิใช่ใช่ใช่เราต้องนั่งสมาธิดูจิตของเราเนี่ยเกิดดับเกิดดับดูซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ย ดังนั้นการแปลสํานวนการแปลต่างๆเนี่ยมันต้องมาจากการปฏิบัติด้วยไงและถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจสํานวนการแปลว่าอ๋อแปลอ๋อใช่ใอย่างนี้แหละนะอ่านะมันจะเข้าใจขึ้นและถ้าคนที่แปลด้วยปฏิบัติด้วยก็จะแปลได้เนียนขึ้นละเอียดขึ้นเหมือนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นอย่างเนี้ยคนที่ ไม่ได้ปฏิบัติก็จะจะไปนั่งแปลแต่เรื่องภาษาอย่างเดียวคํานึงเรื่องภาษาอย่างเดียวจะบางทีจะมองไม่ออกการแปลในบางครั้งเนี่ยจึงบางทีไม่สอดคล้องไม่ค่อยสอดรับหรือไม่เกิดความกระจ่างได้นะดังนั้นก็ต้องบวกกับการประพฤติปฏิบัติเราก็จะเข้าใจภาพทั้งหมดภาพทั้งหมดก็คือการที่วิญญาณขันบนอยู่ในขันทั้ง4นั่นแหลนะอาการจิตในปฏิจจสุวรรณนั่นแหละ เราก็จะเห็นก็กลับไปดูซ้ำๆดูจิตทำงานซ้ำๆเรื่อยๆว่ามันทำงานยังไงเกิดดับยังไงเนี่ยวนแล้วก็อ่านซ้ำกลับมาดูจิตนั่งสมาธิกลับไปอ่านซ้ำกลับมาดูเดี๋ยวก็เข้าใจนะเพราะมันอธิบายออกมาจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นะอาการในจิตของเราทั้งนั้นน ะ, ะเป็นอย่างนี้ขอบคุณครับอาจารย์ นี่จะให้ดูอีกอันหนึ่งพระสูตรนี้นะนเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงเห็นนะดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันจะเป็นทุกข์แล้วก็ตนเนี่ยกลังเข้าไปหลงเมือ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ เขาก็ย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่มันแตกสลายนะนะที่ตนกําลังหลงนั่นแหละเป็นหนทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเข้าใจคําว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไหมคนที่พูดอันนั้นมันโยงกันผิดนะไม่ได้ใช้พุทธพจนะมโยงใหญ่นะเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ ทำทั้งปวงที่เป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นทุกข์นะที่ตนหลงที่ตนกําลังหลงอยู่นั่นะน ะ, ะนั่นแหละเป็นหนทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเห็นไหมพรนิพพานเนี่ยมันจะมายงอยู่กับทำทั้งปวงเป็นอนัตตาหรือเปล่า ดังนั้นโยมต้องไปศึกษาปฏิจจสุบาทอัตมาอธิบายตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะมากในซ d ดีเก่าๆหลายๆอันเขาจะแยกทำทั้งปวงทำทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าจะแยกอยู่ในฝั่งขัน5นะเป็นอนัตตานิจังทุกขังอนัตตาไม่ได้เกี่ยวกันนิพพานเลยนิพพานเป็นอสังคตาเกิดไม่ปรากฏดังนั้นการบัญญัติอะไรในนิพพานเนี่ยมีไม่ได้เลยสักอันนึงนะอ่า เอาพระสูตรเหล่านี้ไปพิจารณาเนี่ยทำทั้งปวงเป็นอนัตตานะเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนะเบื่อหน่ายในทำทั้งปวงนั้นน่ะที่มันเป็นอนตัตตาที่ตนกําลังหลงอยู่นะ่ะนั่นแหละเป็นหนทางหมดจดนะนั่นนหะเป็นทางแห่งนิพพานอันเป็นทำหมดจดนะเพื่อจะไปสู่นิพพานนะเขาเบื่อหน่ายในทำทั้งปวงตรงนี้เพื่อจะไปสู่นิพพานเข้านะใจไหอืม แ ล, แล้วทําทั้งปวงที่มันเป็นอนัตตาเนี่ยเข้าใจไหมพระสูตรเหล่านี้ยมไม่ได้อ่านไงเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างเนี้ยแล้วคนที่จะอธิบายก็ต้องมานั่งรวบรวมพระสูตรเพื่อให้เห็นแง่มุม ว, ว่าคนนี้มันไม่เข้าใจอะไรต้องโอ้มันติดอะไรนาะหาพระสูตรอันไหนมาให้มันดีนาะไอ้นี้ไม่เข้าใจอะไรหาพระสูตรอะไรมาให้มันดีนาะมันไม่เคยอ่านพระสูตรนี้อย่างเนี้ยนี่เป็นความยาก ที่อตาตมาจะต้องมานั่งหาพระสูตรอธิบายให้โยมฟังเนี่ยนะมันไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าอาตมาเป็นคนบัญญัติเองเป็นผู้เจ้าเองมันก็ง่ายนะผลิตเองเลยปาปๆ บ, บ, บเข้าไปแต่อตาตมาไม่ใช่เนี่ยอตาตมาต้องอาศัยคําศาสดาเนี่ยเพื่อให้โยมเข้าใจแล้วก็ต้องโยงให้ได้เลยโยงก็จะนึกไม่ออกเพราะนั้นถ้าโยงไม่เสพคบธรรมะของศาสดาโยมจะยิ่งโอรู้ตามยากเลย โยมต้องเสพคบธรรมะตถาคตมากมากปุก๊บโย ม, มพูดปั๊บเข้าใจพูดปั๊บเข้าใจเข้าใจเข้าใจนี่เพราะมันเรียนภาษาเดียวกันคือภาษาตถาคตใช่ป่ะอือพระเจ้าจึงตัดเนี่ยจะไปฟังคําสาพกจะไปฟังคําแต่งใหม่เนี่ยชัดหรือยังเนี่ยจะไปฟังคําสาวกเนี่ยทิ้งหรือยังยังไม่ทิ้งต่อบไปจังเสียดายอยู่เห็นไหมเออถ้ายังไม่ทิ้งโยมไม่มีทางปัญญาไม่เกิด่ะไง ปัญญาในแบบปฏิปุชาวินิตาปริสาโนอุกาเจตวินิตามันจะไม่เกิดนะโยมจะมีสัญญาผิดๆเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยมาโยมมันจะขัดกันกันกบคําตถาคตตลอด น, ะ, นะจำอาจารย์นั้นพูดมาอาจารย์นี้พูดบอกวางอาจารย์ไปก่อนดูแต่คําตถาคตเนี่ยฟังนี้ยังไม่เข้าใจดังนั้นตถาคตพูดยังไม่ฟังเลยใช่ไหมโยมก็ขัดงานกับตถาคตขัดงานกับพระพุทธแล้วปัญญาจะเกิดไหม ไม่มีทางหรอกไม่มีทางแทงตลอดในคํำตถาคตหรอกใช่ไหมโยมจะไปเรียนตําราตีกอล์ฟของไทเกอร์บูดแล้วเป็นนั่งอ่านตําราตีกอล์ฟนักกอล์ฟประเทศไทยแล้วมันจะเข้ากันได้ไหมมันเชื่อใครตกลงจะเชื่อใครเนี่ยนไทเกอร์บูดบอกงั้นไปสมัครเรียนอย่างนั้นแล้วกันมันเรียนกับผมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ใช้นี่ใช้ทุกครั้งสิพูดคนอื่นไม่ได้ยิน คือข้อดีของความไม่รู้ก็ดีอย่างหนึ่งคือพราะเราไม่รู้พอเรารู้เนี่ยเราก็ถ้าได้รับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องมันก็ทําให้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะอย่างอย่างเนี้ยอย่างในเรื่องของอนัตตาอะไรเป็นอนัตตาอะไรไม่เป็นอนัตตาเนี่ยจากที่โยมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันไม่มีสัญญากรรมใช่ค่ะไม่มีสัญญาเกลี้ยงใช่ค่ะก็เลยเข้าใจง่ายเลยเข้าใจง่ายนี่ๆีโยมดูตัวอย่างนี่เข้าใจไปแล้วเห็นป่ะ ไอพวกในสมองเยอะๆเนี่ยไม่ตื้อไม่เข้าใจอาจารย์ผมอย่างเงี้นี่ผมอ่านมาอย่างเนี้เรียบร้อยอย่างเนี้ยเรียบร้อยไม่เข้าใจหรอเข้าใจไหมอ่มันต้องวางเกลี้ยงๆเนี่ยปั๊บเข้าใจเลยคือฟังแค่นี้อาตมาบอกฟังในปัจจุบันยมเอาปัจจุบันนะฟังปัจจุบันนะอาตมาว่าอาตมาก็อธิบายเก่งพอสมควรแล้วนะถ้าโยามบอกไม่ได้อาตมาก็แม่ท้อจ้สู้ไว่ไหวแล้ว แต่นี่ยังมีให้กำลังใจต่อมาด้วยแก้วเปล่าๆว่างๆอยู่น ะ, ะไปดูเรื่องอะไรมาเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าจะพยายามต้องศึกษาในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทให้มาก เ, <อ>าเรื่องของสังสารวัฏให้มากนั่นแหละนั่นแหละยิ่งจะเสริมความเข้าใจความชัดเจนเข้าไปไ้ไม <c oughs> ไปเรื่องอื่นบ้างดีไหมขอการครับสารไมัล่างชันลางว่าไง อาจารย์ครับอันนี้ผ ม, ผมโดนเพื่อนถามมาแล้วก็สตันไปนเหมือนกันก็คือว่ า, เ, <อ>าเขาถามว่าทําไมจําเป็นด้วยหรือว่าจะต้องรู้ว่าพระมีศีลกี่ข้อทําต้องรู้ด้วยหรือว่าบัวมีสามเหล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ซึ่งคือผมเคยคุยกับเขาหลายครั้งตอนแรกเขาไม่เชื่อแต่ผมก็ทําให้เขาเชื่อได้แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาต้องการรู้แค่วิธีการนั่งสมาธิแต่เขามองว่าไอ้บัวมีกี่เหล่าศีลพระมีกี่ข้อเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องรู้ไม่ใช่เหรอ เขายกมาเพื่อให้รู้ว่าไอ้คำแต่งใหม่นะมันผิดครับไม่อยากรู้ก็ไม่อยากรู้ไม่เป็นไรใช่ไหมได้ตอบถูกครับเออ <laughs> ใช่ไหมแต่ยกมาเพื่อให้รู้ว่าไอ้พวกที่บอกคําสาวกดีคําแต่งใหม่ดีเนี่ยมันผิดยกข้อผิดให้เห็นไม่ได้ไปว่าไปตําหนิไปตีเตียนแต่เรากําลังเชิดชูคําตถาคตว่าคําตถาคต ด, ดีมากดีที่สุดสุดยอดแล้วอย่าไปแต่งใหม่ และเวลาคุณแต่งใหม่มันจะมาขัดกับคําตถาคตเรายกประเด็นให้เห็นในเมื่อคุณบอกยังไม่เห็นว่าคําสาวกไม่ดียังไงเนี่ยผมก็ยกให้คุณเห็นเนี่ยเข้าใจไหมอ่าแต่คุณมันยังไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยไปรู้เรื่องอื่นก็ได้อย่างนี้เมื่อรู้แล้วว่าเออคําแต่งใหม่มันผิดนะมันมีนะอยกให้ดูได้จะยกกี่เรื่องก็ได้เนี่ยอย่างนี้อ่าเพราะฉะนั้นเขาจะได้รู้ว่าคําแต่งใหม่มันผิดมันมีข้อผิดมันเยอะ นะเนี่ยแล้วเราจะได้มาศึกษาคํำตถาคตซะใช่ไหมครับชัดเจนครับชัดเจนไหมครับขอการครับพระอจารครับขอแยกครับขอแยกต่อจากเมื่อสักครู่เลยครที่ผมได้ยินค่อนข้างที่จะปล่อยมากนะฮะเวลาชาวพุทธหรือว่าใครจะพูดถึงเนี่ยในพุทธศาสนาเราต้องพูดถึงการทําสมาธิกันทำสมาธจริงๆแล้วมันมันต้องพูดว่าเราต้องการเห็นอริยสัจสมาธิเนี่ยการทําสมาธิเป็นเพียงวิธีการ ที่ทำให้เห็นอริยสัจเนี่ยได้ชัดเจนแล้วก็แจ่มแจ้งขึ้นเพราะถ้าเราพูดเกี่ยวสมาธิคนก็จะมุ่งแต่สมาธิสมาธิอืโดยที่ไม่เห็นโทษของสมาธิว่ามันก็มีโทษเพราะมันก็ดับวันหนึ่งที่ไม่ได้สมาธิเหมือนเดิมเราก็ทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นเราเราข้ามสมาธิไปเรามองพุ่งตรงสู่อริยสัจดีกว่าว่าทำยังไงเราถึงจะได้เห็นอริยสัจแล้วก็ละมันได้จริงๆอ่าครับไม่ทราบผมเห็นถูกหรือไม่ครับใช่นั่นแหละเป้าต้องเห็นอริยสัจนั่นแหละนะ เราจะเห็นอริสัตยด้วยสมาธิด้วยสติด้วยอะไรปัญญาด้วยอะไรก็ตามเอาละให้เห็นอริสัตให้ได้นะดังนั้นคนเห็นอริสัตได้ผู้เจ้าเรียกพวกยิงแม่นนะยิงเพียงเดียวนัดเดียวอันนี้คาศึกตายเลยทันทีนะไอพวกไปเห็นโน่นเห็นนี่ก่อนนะเียกยิงไม่แม่นนะขอาการกรรมอาจารย์เมื่อสักกู่ได้ฟังว่าความพอใจไม่มีที่ไหนนอกจากขันห้าใช่ไหมครับใช่แล้วก็ อาจารย์ก็อธิบายถึงการละความเพลินในขันห<ช>้าแล้วก็มาถึงการละความเพลิน <c oughs> ความพอใจในนิพพาน <c oughs> อันนี้มันจะเป็นในยะยังไงครับแสดว่าเราต้องละความเพลินความพอใจในขันห้าแล้วก็บวกอีกหนึ่งก็คือละความเพลินความพอใจในนิพพานอย่างนี้แลครับก็จริงๆละความพอใจอย่างเดียวนั่นแหละแต่ความพอใจมันมีทั้งสองอันแต่พอจะหลุดอันแรกมาก็คือทิ้งกอแล้วใช่ไหมพอหลุดอันแรกมาคือหลุดขันห้ามาับ เพิ่งมาเจอตัวความเพลินว่าโอ้ความเพลินจริงในตัวเป้งในตัวใหญ่มันพอใจทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยแต่พอใจพอพอใจฝั่งเนี้ยสังกตะหลุดยาวเลยมันถอนขึ้นมาไม่ได้กว่าจะถอนขึ้นมาได้แทบตายเวียนว่าในสังสารัตนะหาประมาณไม่ได้พอหลุดมาแล้วถึงจะมาเห็นว่าโอ้เพราะนันทิเป็นมูลแห่งความทุกข์นะ อ, อย่างเนี้ย เ, เพราะมีทุกข์นะ มีพบจึงมีชาติชรามเมรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วอย่างนี้ดังนั้นถ้าเพลินปุ๊บเนี่ยมีอุปทานแน่นอนเลยมีอุปทานก็จะมีพบชาติชรามรณนะตามมามาเห็นตรงนี้อ๋อพรานคีนาศพก็วางนี่วางความพอใจวางความเพลินน่นะวางตัวความเพลินนั่นเองซึ่งตัวความเพลินนนจะยึดได้ทั้งสองฝั่งเลยนิพพานก็ยึดได้สังฆตาเขายึดได้แต่เวลายึดสังฆตาหลุดยาวเลยสิถอนมาไม่ได้ เพราะไม่มีความรู้มรคแปดนะไม่รู้ว่ามรคแปดเป็นตัวที่ถอนใช้ในการถอนขึ้นมาขออนุ ญ, ญาตครับคือจะสอบจะขอความรู้พระอาจารย์ว่าครั้งหนึ่งครับเคยได้ไปทำงานที่ประเทศอเมริกาครับแล้วก็ได้สนทนากับเพื่อนคริสเตียนนะครับเป็นเป็นชาวต่างประเทศนะครับคราวนี้เขาถามมาว่า ศา ส, สนาของเราอะครับผมเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าสมมุติว่าเราไปฆ่าหมาชาติหน้าต้องเกิดไปเป็นหมาครับอผมพขั้นแรกก็คือเป็นภาษาไทยก็ยากอยู่แล้วครับคราวนี้เป็นภ า, าษาอังกฤษยิ่งยากหนักเลยครับเราก็ไม่สามารถจะอธิบายให้เขาเ ข, าข้าใจได้ว่าแล้วมันจะเป็นกฎแห่งกรรมได้ไงถ้าเกิดเป็นจริงหรืว่าช่วยชี้หมาสักตัวหนึ่งที่มันเคยเป็นคนมาให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่อธิบายอย่า ง, างเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นถ้าโยมไปอ่านในหนังสือแก้กรรมที่ทําไม่ให้เนี่ย ไม่ใช่ว่าทํากรรมอย่างไรได้กรรมอย่างนั้นคนคิดอย่างเนี้ยคิดผิดนะเนี่ยแต่ทํากรรมอย่างไรได้รับผลของกรรมอย่างนั้นถ้าฆ่าหมาต้องไปเป็นหมามีเอ้ตลกมันเอาไปเล่นอย่างนี้ไปฆ่าผลันจะได้เป็นไปเป็นผลันดีไหมละ่ะอ่เนี่ยมันเอาไปเล่นตลกได้นะเนี่ยเห็นไหเอ่เวลาบทบัญชนาผิดเนี่ยใช่ไหมอืมไม่ได้เลยพอมาโยงอ๋อพระเจ้าบอกนะ องค์ก็ละเอียดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าทํากรรมอย่างไรได้รับกรรมอย่างนั้นอันนี้ผิดนะเนี่ยทำกรรมอย่างไรได้รับผลของกรรมอย่างนั้นเช่นผลของการฆ่าคือลายอายุสัน้นนะโยมจะได้รับอายุสัน้นหรือถ้าทําเป็นปกติมีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิตนะอย่างนี้อยู่ตลอดเลยนี่เป็นไปเพื่อนรกกําเนเศชานเปลิวิสัยนี่ผลของกา ร, รผลของการกระทําการฆ่านั้นๆนี่เป็นอย่างนี้เห็นนะ ต่างกันนิดเดียวนันเนี่ยนะไปกันคนละเรื่องเลยนะอ่าแล้วเราจะอธิบายให้เขาเข้าใจได้ไงครับว่าทำผลกรรมใดก็ต้องเป็นผลกรรมอย่างนั้นนะครับเพราะเขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีครับแถมต่างแถมต่างศาสนาอีกะครับผมอาา่าฮะต้องค่อยๆให้เขาเข้าใจในเรื่องใกล้ๆหยาบๆยาง่ายๆไปก่อนนะนะว่าเช่นเราสำรวมอินทรีย์สำรวมใจเนี่ยนะวาจามันจะดีไหมกายมันจะสงบระ ง, งับไหม การ ท, ทิ้งความคิดอกุศลมันดีไหมยอย่างเนี้ยเวลาคิดไปพยาบาทไปเบียดเบียนไปฆ่าเขาไม่ทำเนี่ยเกิดประโยชน์ไหมเนี่ยค่อยๆให้เขาเห็นตรงนี้ไปก่อนไปเรื่อยๆนะจากนั้นมันจะค่อยค่ลึกไปเองไปเชื่อมกับ น, นา ม, มาทําเองอย่างเนี้ยนั้นถ้าถ้าเขายังไม่เห็นง่ายๆตรงเนี้ยอย่างการเราควบคุมวาจาควบคุมกายเนี่ยความประพฤติเรียบร้อยของเราก็จะปรากฏแก่สายตาของคนอื่น แค่นี้มันก็ดีมหาศาลนะใช่ไหมอ่าคนสํารวมินทรีกับคนไม่สํารวมินทรียก็ต่างกันอย่างนี้อ่าอันนี้ก็เป็นพื้นพื้นง่ายๆการพูดจาไปปฏิสัมพันธ์กับใครไปค้าขายพูดจามีสัจจะคําตรงคําจริงนะบอกอย่างไรทําอย่างนั้นนะมันก็ตรงไปตรงมาเราก็รู้ว่าครบคนนี้เฮ้ยคนนี้ตรงไปตรงมาว่ะพูดจาเป๊ะไปตลอดมันสัมผัสได้ใช่ไหมคนพานมีกรรมเป็นเครื่องหมาย บัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายอย่างนี้อ่การกระทําเขาเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบนะอกเนี่ยให้เห็นผลของสิ่งใกล้ๆตัวใกล้ๆอย่างนี้ก่อนนะแล้วมันจะค่อยๆเข้าใจลึกไปถึงเรื่องนามาธรรมนะนั้นคนพวกนี้ก็จะใช้เวลานานกว่าคนอื่นหน่อยบางนะในการทำให้เข้าเข้าใจนะก็ค่อยๆค่อย ค, อย ค, อย ค, อยควรไป พอการครับสารมาชันล่างครับนะว่าไงอันนี้ถามเพื่อเด็กครับถามเพื่อเด็กเผื่อเด็กเขาถามมาก็คือว่าทําไมต้องทําบุญทําไมต้องเข้าวัดแล้วบุญคืออะไรครับเพื่ อ, อเพื่อ น, เ พ, อ น, เ, พอนเพื่อนพี่ๆน้องๆจะได้เอาไปตอบลูกหลานครับก็บุญกิยาวัตถุสามะทานศีลแล้วก็ภาวนาน่ะ ทำแล้วเดือดร้อนในภายหลังไหมสะอาดไหมกายวาจาสะอาดไหมน่ะเกิดวิปฏิสานความเดือดร้อนใจไหมสิ่งใดทําไปแล้วเนี่ยเกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยอันนั้นไม่ดีน่ะความกังวลน่ะความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นน่ะวิปฏิสานความเดือดร้อนใจน่ะจิตใจสะอาดขึ้นไหมทำทานเนี่ย นะปราศจากความตระณีนะความยึดมั่นถือมั่นลดลงไมนี่นะการวางจิตให้ถูกต้องก็จะได้ผลทานมหาทานชั้นเลิศเป็นอย่างไรนะรักษาสินห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมานะเนี่บุญทั้งนั้นนะกุศลกรรมบทกุศลกรรมบท10 อากุศลกรรมบท10เนี่ยแยกแยะบุญบาปนะเป็นเหตุให้เทพปรากฏสุคติใดๆปรากฏเป็นเหตุให้นรกกําเนิดเรชานเปลวิสยัยและทุกติได้ปรากฏเนี่ยนะตัวกุศลกรรมบท10อากุศลกรรมบท10บกุศลอกุศลอย่างหยาบหยาบนะอย่างละเอียดขึ้นไปสติปัฏฐาน4นิวรณ์หนะเองนี่ก็ค่อยๆ อ, อ, อธิบายให้เ ข, าข้าใจ อยากถูกฆ่าไหมไม่อยากถูกฆ่าแล้วไปฆ่าคนอื่นคิดว่าเขาอยากโดนไหมเขาก็ไม่อยากโดนค่ะอยากถูกขโมยไหมข้าวของเสียหายไม่อยากแล้วไปขโมยของคนอื่นคิดว่าคนอื่นเขาจะพอใจไหมไม่พอใจสิ่งใดที่เราไม่พอใจเราไปหยิบยื่นความไม่พอใจให้คนอื่นเขามันเหมาะไหมไม่เหมาะแล้วก็ไข้ควรไปเนี่ยเนี่ยบุญละแค่เนี้ยบุญละนะได้ทําบุญละอืม ดังนั้นแกแค่การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาอันนี้เป็นบุญแล้วนี่สังคมไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเราคนไม่ต้องตายเพราะเราสัตว์ไม่ต้องล้มตายเพราะเราเป็นมหาทานชั้นเลิศพระเจ้าจึงบอกเป็นอภัยทานเอเวลาทานอภัยญระชาทานไม่ปลูกเวรไม่ผูกพยาบาทเป็นการให้อภัยเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณนะแลนะ ก็อธิบายได้เยอะเนาะครับทาไมต้องเข้าวัดครับทำไมต้องเข้าวัดแหละเข้าคุกเอาไม่เลยไม่เข้าคุกแล้เข้าวัดไม่เอาก็จะได้มาสั่งสมสุดจะสั่งสมคุณงามความดีเวลาเขาบอกอะไรคือความดีนึกไม่ออกใครมันจะบอกได้บ้างเนาะความดีคืออะไรน่ะเข้าไปหาทายาทแห่งธรรมตาคต ผู้ที่เป็นทายาทแห่งธรรมตถาคตก็จะถ่ายทอดคำตถาคตมาให้ฟังใช่ไหมจะไปเข้าวัดผิดก็ไปเอาคำปริบาโชคมาถ่ายทอดให้ฟังอีกอได้มิฉาทิิกลับไปอีกอย่างนี้นะอ่านั้นคำว่าวัดมันไม่ใช่มาตรฐานความถูกต้องหมดนะทำวินัยของตถาคตอันพระองค์จัดไว้ดีแล้วประกาศดีแล้วนั่นแหละคือความถูกต้องนะ ส่วนพระในวันดจะประกาศคําตถาคตรหรือประกาศคําพวกเดลทีหรือปริพาชคนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะหรือจะมอมเมามิจฉาทิฐินะให้กับเราหรือมิจฉาชีวะให้กับเรานั่นก็อีกเรื่องนึงน ะ, ะนะเพร า, รชาชะคำนะนะว่าพระไม่ใช่มาตรฐานเดียวกันหมดเนะี่ยอืมเหมือนไปหาหมอรักษาตายก็มีรอดก็มีนะอืมหลายมาตรฐานเองเหมือนกันนะนั้นก็ลักษณะเดียวกันนั่นแหละ ทำวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วนั่นแหละคือความถูกต้องนะเด็ดตามตถาคตดีไหมละ่ะเข้าวัดอย่างเงี้ยนะการเกี่ยวข้องกับสมณพะผู้เจ้าบอกว่าเพื่อให้ได้ยินได้ฟังทมได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังนะอ่า ยมเคยได้ยินไหมเนตังมะ ม, มะเนสโวมัสมิณะเมโสอตาไม่เคยมันหมายถึงอะไรครับนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะเคยได้ยินไหมหากินเป็นธรรมไม่เครียดคัดทําตนให้เป็นสุขอิ่มหนาแบ่ง ป, นปันเพราะกระซับบรรเป็นบุญโอ้ไม่เคยเลยครับดีเอามาฟังซะอแล้วเอาไปทําตัวอย่างนั้นนะแล้วจะไม่ทุกข์อย่างนี้แก้ปัญหาความทุกข์ในชีวิตนั่นแหละเข้ามาเกี่ยวข้องกับบัณฑิตนะได้รู้ธรรมะของบัณฑิต น่ะได้เรียนรู้ทำของสั ต, ตบุรุษนะผู้ที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วทดลองมาแล้วน่ะผู้เจ้าก็ค้นคว้าเรื่องความไม่ตายมาก่อนนะเหมือนกับคนที่นั่งในศาลาเนี่ยสมมติว่าโยมอยากอ่ะเข้าถึงความไม่ตายโอ้ดิฉันอยากเข้าถึงความไม่ตายออกป่าดีกว่าไม่รู้มีใครสอนบั่งเรื่องความไม่ตายไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยแต่อยากค้นคว้าเองก็เข้าไปป่าไปเขา ไปทดลองก่อไฟบูชาไฟดูสิเป็นยังไงอืไม่ได้เรื่องบูชาน้ําเดินลงน้ําสิเขาว่าน้ํามันดีน่ ะ, ะบูชาน้ำํำคุยว่าก็ลองมาแล้นะนะพอเข้าไปในป่าก็เจอพวกสแสวงหาความไม่ตายกันเต็มเลยไอพวกนี้ก็นั่งบนน้านอนบนน้าเอามั่งสิเอาสะหน่อยนะเพื่อมันจะเข้าสู่ความไม่ตายได้ก็ไม่ได้ยืนขาเดียวอ้าปากกินน้ําค้างกินอุจจาระปัสาวะ ไม่อาบน้ําทําตัวปล่อยวางไม่เอาอะไรเลยนะเปื่อยเปล่าไร้มารยาทเป็นชีเปลยนะทํามาหมดนะพี่เจ้าก็ทํามาก็ไม่รู้อ่ะว่าความไม่ตายจะทํำยังไงคิดว่าทําอย่างเนี้ยจะเข้าถึงความไม่ตายนั่งกลางหิมะไปนั่งเลยทนหนาวให้มันถึงที่สุดอเดี๋ยวมันคงจะปิ้งระเบิดขึ้นมาเป็นความไม่ตายนะไม่อีกไม่สําเร็จเนี่ยจากความไม่รู้มันก็ลองกันไปอะโยมทุกวันนี้มันก็ลองกันอย่างนี้มันก็ลองกันไปเรื่อยๆนะ อยากได้สุขถาวร อ, อยากได้อมาตะทำความไม่ตายอยากมีสุขถาวร น, นะนั้น <c oughs> เมื่อชีวิตทางโลกมันเจอทุกเจอสุขเจอทุกเจอสุขโอ้ความทุกข์มันเยอะทำยังไงนอ้องจะหมดทุกข์ใช่ไหมก็ออกสแสวงหากันไม่สแสวงหาก็ถึงความหลงไหลมีสติฟั่นเฟือนไปนะไอ้พวกสแสวงหาก็มีสแสวงหาเจอกับไม่เจอพวกเจอมิตรชั่วก็พาไปกินเหล้า นะทางแก้ทุกข์ของเขานะทุกข์กลับหนักเข้าไปอีกนะหมดเนื้อหมดตัวเมานะเพื่อนอาตมาเนี่ยเนะมากลับมาถูกลดชนสองการซ้อนนอะกระโหลกแตกตาทะลักกระดูกหักหมดเลยนอนโรงพยาบาลหกเดือนรอดอนะืดีไม่ตายนะอืเนี่ยหาทางแก้ทุกข์ผิดนะเพื่อนชวนไปกินเหล้านะัโดนทุกข์ซ้ําเข้าไปอีกนอะืม แย่ yeah, เลยใส่กระโหลกไฟเบอร์นะเนี <laughs> ่ยมันทุกข์ไหมล่ะมันก็ทุกข์กันนะสู้อยู่บ้านนั่งสมาธิสบายๆนะรู้ลมหายใจเขาออกทำจิตให้สงบแล้วเออเกิดปัญญาคอยแก้ทุกขออ์ปัญหามันเกิดจากอะไรนออะไรค่อยๆใช้ปัญญาแก้ไปเนี่ย <Yeah. S 2> มีประโยชน์ไหมเข้าวัด <laughs> <laughs> เห็นประโชติยัง <laughs> ค่อยๆไปอธิบายเขาฟังนะอเขากาดครับอาจารย์ครับสารมาชั้นล่างครับครับมีเพื่อนทาง Facebook ฝากมาถามพระอาจารย์นะครับเรื่องข่าวใกล้ๆนั้ไม่เคยได้ยินครับเรื่องการทำเนสชิกกครับว่าต้องทำวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี่มีในพุทธวจนะหรือเปล่าครับเรื่องอะไรนั้นขอทาทาเนสชิกอะครับเนสชิกล่ะออ ในพศมีมีพรไหมครับแล้วถ้ามีนี่พศอธิบายไว้ว่าอย่างไรบ้างครับต้องทำแบบไหนครับถือรีอบทสามยืนเดินนั่งไม่นอนนะน ะ, ะที่มีอยู่นะวันนี้ยังไม่ได้ตรวจจริงๆจังๆหรอกนะแต่ก็ในทุดดงกวัฏต่างๆเนี่ยมีที่มาที่ไปคนละที่คนละทางกันแล้วก็เอามาประมวลนะไว้เรื่องทุดงดงกวัฏก็ไว้เป็นอีกโปรเจกต์หนึง่ง แล้วกันถ้าจะสำรวจให้จริงจริ ง, จ, รงจังแต่ตอนนี้ก็คือเป็นที่ทราบมาคร่าวๆก็เป็นพุทธเจชนะแหละแต่มาจากคนละที่คนละทางแล้วเอามารวมกันนะแล้วก็เป็นการถือรี บ, บท3คือยืนเดินนั่งไม่นอนนะเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ล่ะครับไม่ได้กำหนดอยากจะทำเมื่อไหร่ก็ได้เลิกเมื่อไหร่ก็ได้เป็นตัวเลือกนะไม่ได้กาหนดไว้ครับุณครับ ขอขายพระอาจารย์ครับว่าไงเออตอนนี้ตั้งแต่ศึกษาพุพทธพจนะมาครับผมครับก็เลิกสวดมนต์เลิอกอะไรหมดทุกอย่างครับผมแต่ว่าพรนึกย้อนไปแล้วว่าเมื่อครั้งที่ยังสวดมนต์อยู่ครับมันก็ยังมีอาการที่ว่าอิ่มบุญสักอิ่บเ อ, อิบจิตใจครับแล้วมันเกิดแล้วอาการนั้นคือเรียกว่าอะไรครับในการสวดมนต์ที่ว่าไม่ใช่ของพระเจ้าแต่ก็มีอาการรู้สึกอิ่มบุญเหมือนกันนะครับเอ คือปิติมันก็เกิดได้จากความเริ่มใสในสิ่งที่เราเริ่มใสยอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราเริ่มใสปิติก็เกิดได้นยยมไปไหว้ภูเขาลูกกระเจดีสวนป่าศักดิ์สิทธิ์อะไรยมก็อิ่มใจอาตมาเด็กๆยมพ่อพาไปรดน้ำมนต์มาโอ้ปื้มใจมีความสุขสบายละหมดทุกข์ละนะแต่เราอิ่มแบบอวิชากลับมากะทุกข์อีกน่ะ พอให้พระมาแขวนก็โอ้ยชินใจใช่ไหมอออกจากบ้านยกมือไหว้สารภูดโหมวยรอดแล้วกูสบายแล้วนางรดเมฆคราวเนี้ยมันซิ่งไว้ไม่ตายแน่นอนเลยโอ้รดเมฆแต่ก่อนมันซิ่งมากมัรู้เดี๋ยวดีมันยังซิ่งอยู่อ่ะเหมือนเดิมใช่อืม <laughs> มันแถมป้ายให้เราตลอด ม, มายิ่งเด็กๆโผมไม่ชอบเรามันอู้สองสมป้ายเดินกลับมาเซงเซ็ง นะนะเนี่ยไหวเนี่ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยปิติอิงอามิตรนะปิติสุขที่อิงอามิตรรูปเสียงขินรดเนะี่ยมันไม่ถาวรเนีนะ่ยมันก็ประกอบด้วยอวิชาความหลงเนี่ยนั่นะนะมันต้องมีมีวิชาด้วยมีความไม่หลงมีความถูกต้องด้วย ขอการะครับอาจารย์สี่ทุ่มแล้วครับผมว่าสี่ทุ่มแล้วจะได้ไปญาติพี่น้องจะได้กลับบ้านบางส่วนที่กลับไกลแล้วก็ได้ไปนั่งสมาธิด้วยครับอาจารย์จะได้พักผ่อนจะได้มีแรงครับใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้า่านี้ไม่เข้าดาวอ่ะเข้าดาวนะอาจารย์ครับล้วทางพระ ทางศาสนานี่ยเขาดาวควรทำอะไรเดีย่ะครับนั่งสมาธิข้ามคืนนะครับนั่งสมาธิปฏิปุชาวินีตาก็ได้น่ะก็แบบพระเจ้าพิมพิสารขอพระาศาสดาที่เห็นปริพาชกเหล่าอื่นเข้ามานั่งใต้แสงจันทร์ประชุมกันสนทนารมเป็นที่รื่นเริงก็เลยถามพระาศาสดาว่าสามารถไหมที่จะบัญญัติการประชุมกันในวันเพ็ญขึ้นมาเนี่ย คุณชาก็บอกสามารถนะก็เลยอนุญาตให้มีการประชุมกันในในวันเป็นนะพระจันทร์เต็มดวงนั่งกันในป่านะคุยสนทนาธรรมโอ้ะบรรยากาศนะสุดยอดเลยอย่างนี้นี่การมุงไว้ให้การสนามในป่าเนะไปนั่งสนทนาธรรมกันข้ามคืนได้นะถกธรรมะกันนะหรือนั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติคือปฏิบัติตามธรรมะ ตถาคตนะดีหมดนะ่ะเพราะพระองค์บอกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นะชื่อว่าเธอเนี่ยเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดดีไหมล่ะอ่าสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดแม่จะมีอะไรมันประเสริฐกว่านี้อีกนะ นั่งสมาธิเดินจงกรมเลยนะาตามกําลังนะง่วงก็นอนหลับพักผ่อนตื่นมาก็ชําระจิตให้หมดจดจากอาวรณนิยธรรมด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิอีกนี่ครูชาตก็บอกไม่ได้ไม่ให้นอนนะให้นอนแต่นอนแล้วก็อนอนพอดีกินก็ไม่ได้ห้ามกินกินได้แต่กินพอดี นะเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยนะนี่คาพรเจ้าไพโาลนั้นนี่นะใหญมันเต็มนักพร่องไว้นิดนิดหนึ่งนะเนี่ย <c oughs> เนี่ยถ้าเราหยิบคำของของพระองค์มาใช้เนี่ยโยมมันจะมีแต่ความงดงามนะพระองจึงเรียกว่าเรียกว่าความประพฤติเรียบร้อยเพราะนั้นความประพฤติเรียบร้อยเนี่ยคืออะไรก็คือความประพฤต ทางกายที่เรียบร้อยทางวาจาที่เรียบร้อยทางใจที่เรียบร้อยความประพฤติเรียบร้อยทางกายเป็นยังไงดรเอสทำท่างงงแสดงยังไม่ได้อ่านพบภูมิต้องไปอ่านพบภูมิก่อนจะทราบว่าความประพฤติเรียบร้อยทางกายคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปิดในกามความประพฤติเรียบร้อยทางวาจาคือการไม่พูดโกหกคาหยาบเพื่อเจอสาะเสียด ความประพฤติเรียบร้อยทางใจคือไม่เพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นความไม่พยาบาทน ะ, ะความมีสัมมาทิฏฐินะเห็นถูกต้องกรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีน ะ, อ, ะอย่างนี้ <c oughs> นี่คือความประพฤติเรียบร้อยทางกายทางวาจาทางใจโอ้วันนี้คําถามทางอินเทอร์เน็ต27คําถามไม่ได้ตอบเลยนะอะ โดนสารามาแย่งหมดเลยเดี๋ยวไว้ตอบวันหลังนะมีผู้ชมตั้ง307ท่านนะจาก13ประเทศไทยลาเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันออสเตรเลียอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสสวีเดนเดนมาร์กอิตาลี <c oughs> นี่ก็ล้วนเป็นผู้ติดตามอย่างเหนียวแน่นแฟนพันธ์แท้นะ ตอนนี้มีคนลงหมุดกี่คนแล้วหละนะสองร้อยหกเนาะสองร้อยหกใครต้องการประกาศคำตถาคตนะช่วยกันไปลงหมุดซะแล้วก็ทำตัวให้ได้อย่างนั้นจริงๆนะเจอใครที่ไหนก็เนี่ย คำศาสดาฉันเนี่ยดีที่สุดนะนี่ไปโสดาบันบุคคลนะไม่มีก็มาขอจากที่วัดนะเดี๋ยวเอาไปแจกให้ที่อื่นได้ช่วยกันนะกระจายคำตถาคตน ะ, นะวัดบา ร, รมีกันเลยนะเนี่ยนะแต่ก็ใครจะไปสู้บา ร, รมีตถาคตได้นะโยมมาสู้ได้มันไม่ได้อะทมวาไม่ได้ ผู้เจ้าบอกเหมือนแสงอาทิตย์กับกับแสงหิ่งห้อยนะอ่อหิ่งห้อยจะอาบแสงเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นนะโยมถือคำตาตาคตแล้วเป็นนั่งอ่านคำคนอื่นเนี่ยโอ้โหเสียสมองเลยนะหมดราคาทันทีเลยนะต่างกันอย่างมากเลยนะแต่เนื่องจากบางทีคนนั้นยังไม่ได้เสพครบธรรมะตาตาคตมากนะอ่ะ ก็จะยังไม่เห็นเสรภบทาตถาคตได้มากเนี่ยเลิศมากเลยสุดยอดนะนักธามาก็มาหาเสียงให้พระศาสดานี่แหละหาเสียงให้ผู้เจ้านะขอโอกาสครับอาจารย์ครับพอดี น้องเรื่องพูดเรื่องเขาดาวนะฮะ uh huh. ก็ก็เป็นครั้งแรกที่ที่เอช่วงปีใหม่ที่ได้มา uh huh. ปฏิบัติธรรมที่นี่ uh huh. ก็ดูแล้วแต่ก่อนก็สมัที่ผ่านมาก็คงจะไปงานปาร์ตี้อะไรกัน uh huh. นะฮ ะ, uh huh. ะนี่ว่าโอ้วะปีนี้คนเยอะเ uh huh. ต็มแน่นเลย uh huh. เราก็เหมือนก็เหมือนกันว่าเราก็า ก, ากำลังจะมาสร้างประเพณีใหม่ uh huh. ประเพณีที่แบบประมาณว่า ประเพณีหนีนรกนะประมาณนี้อืหน้าหนีนรกคงจะพ้นนรกกันได้นะประเพณีหนีนรกใช่พ้นนรกพ้นนรกได้ปกติแล้วก็จะไปปาร์ตี้อะไรสังสรรค์อ้าวชนแก้วมามายุคนี้วันนี้เดี๋ยวนี้ก็คงจะอ้าวดูลมก็คงจะเปลี่ยนเป็นจากปาร์ตี้ธรรมดาเป็นอานาปาร์ตี้ครัอตอนนี้ใช่ใช่ เป็นประเพณีใหม่แล้วครับเป็นปาร์ตี้สังสมสุตตะใช่ครับอาปาปาตีสัจชายาพสูตรครับผมก็คงจะพ้นนรกฮะนะครับผมขบคุณดีดีเมื่อมีการประชุมรวมกันของคนนี่ทําอะไรนะกิจสองอย่างไหนใครตอบได้กิจสองอย่างหนึ่งอะไรฮะ อ่านั่งนิ่งอย่างพระรายีเจ้านะโอ้โหตอบเป็นเสียงเดียวกันใช่ไดอ้อย่างนี้จะเป็นแบบพวกเบิร์ดพวกอะไรได้ไม่สองกล่าวทําหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวใช่ไหมอ่าเนี่ยนี่แสดงว่าโยมคล่องคำตถาคตอะไรนะอ่านั้นเราจะเริ่มพูดภาษาเดียวกันละเวลามีปัญหาอะไรปุ๊บไปแก้ปัญหาปุ๊บเราจะหยิบคำตถาคตมาแก้นี่เรียกผู้เจ้าเรียกว่าอะไรมีอาวุธมาก มีอาวุธมากเธอสั่งสมอาวุธไม่มากสั่งสมคําตถาคตเปรียบเหมือนสั่งสมอาวุธไม่มากนะอ่า <c oughs> เป็นอย่างนี้มันจะหยิบอาวุธมาแก้ทุกได้ทันนะแล้วก็ปราบวาทะอันเป็นฆ่าศึกต่อผู้สนได้นะอ่าเขามาเนี่ยวาทะอย่างนี้มาอ๋ออย่างนี้เหรอตถาคตว่าอย่างนี้ โยมก็งัดเอาอาจารย์ตัวเองมาว่าโอ้โหอาจารย์ตัวเองจะมาสู้ตถาคตได้ไหมเนี่ยมันคนละชั้นนะอนั้นยกมาเลยใครก็ตามนะลูกศิษย์ต ถ, ถาคตมันะนะอืแล้วก็คํำผู้เจ้ามีเหตุมีผลแต่ถ้าโยมไปไปถกกับลทัทธิอื่นผู้เจ้าบอกให้เอาความดีที่เห็นตรงกลางมาคุยกันนะเดี๋ยวมันจะไปทะเลาะกันนะ เอาความดีที่เห็นตรงกันมาคุยกันว่าศาสดาใดสมาทานประพฤติปฏิบัติความดีที่เห็นตรงกันเนี่ยได้มากกว่าละเอียดละออ ก, กว่ากันให้ไปนับถือศาสดานั้นพู้ชายเราแฝงไหมนะเอาเลยเอาศาสดาใดก็ตามมาเอ า, เอาความดีที่เห็นตรงกันมาดูสิคนฟุ้งซ่านดีไหมไม่ดีคลิกก็บอกไม่ดีพูดก็บอกไม่ดี ผลเรียบร้อยดีไหมดีความเรียบร้อยของคลิสมีกี่แบบของพุทมีกี่แบบสมาธิใจตั้งมั่นดีไหมคลิปอกดีพุทปอกดีสมาธิของคลิสมีกี่แบบนะอ่าสมาธิของพุทมีกี่แบบนะอ่าเห็นนะโอ้นี่ตั้งเปรบเทียอย่างนี้อ่าเนี่ยพระเจ้าวางหลักให้หมดแล้วนะ วันนี้คนเต็มห้องทุกห้องเลยเนาะในภาพไหนลองดูดูคำถามทางอินเทอร์เน็ตซิมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยอ่ขอรบกวนอาจารย์อธิบายการสมัครแผนที่พิกัดอีกทีเข้าไปไม่ถูกอ๋อนอโสมาร์ ขึ้นให้ดูหน่อยอ่าจอขึ้นแผ่นที่หน่อยสิ <c oughs> ครั้งแรกเข้าไปยังไงครั้งแรกก็เข้าไปเลยอ่ไปดูที่หน้าเว็บก่อนเลย <c oughs> นี่ครั้งแรกเข้าไปที่เว็บนะเราก็จะไปเจอเนี่ยนะพุทธวจนะเน็ตเวิร์กนะเข้าไปที่ช่องนี้น่าจะเป็นแถบสีสีให้มันด่นๆนหน่อยนะอะตอนนี้กำลัง เป็นที่สนใจ <c oughs> จากนั้นก็จะเจอหน้านี้นะหน้าแผนที่แล้วก็รีสิสเตอร์ใช่ไอ่าเข้าไปด้วยการใส่อ e ีเมลนะใส่พาสเวิร์ดนะตรงช่องข้างบนมเอ่อช่องบนหรือต้องใส่ตรงนี้บนสุดนะบนบนสุดต้องใส่ e mail, ไหมอีเมลพาสเวิร์ด อ, อ, อ๋อ อ๋อถ้าเข้ามาครั้งแรกก็คือต้องมาใส่ตั้งแต่ first name last name email password แล้วก็ password ซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็กด register นะจดเข้าไปปุ๊บเข้าไปแล้วก็จะมาถึงหน้านี้สมมุติอันนี้ก็ใส่ไปพ u ท t ชนะ a mark at gmail o com นะ กดเข้าไปปุ๊บก็จะเข้ามาหน้านี้หน้าแผนที่อนี้พอเข้ามาหน้าแผนที่ปุ๊บเนี่ย <c oughs> เราก็ไปไปหาสถานที่ของเราเราก็กดช่อง my place ใช่อ่าแล้วก็ขึ้นนะมาทีนี้ตรงนี้เราใส่ไปแล้วถ้าคนที่ยังไม่ได้ใส่ก็ใส่ ลองกดตรงนี้เข้าไปได้มันก็จะมีช่องให้กรอกนะว่ า, าชื่อสถานที่นะช่องแรกชื่อสถานที่ place, place name นะ state นะนะสถานะเป็นอะไรภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็ใส่ไปนะ phone number ก็ใส่ไป address ที่อยู่ก็ใส่ไป ทันนี้มาตรงไอ้นี่ไอ้ระติจูดลองติจูดเนี่ยนะไอ้ไอ น, นี่ไม่ต้องไปกรอกนะไม่ต้องไปกรอกแต่ถ้าใครรู้ก็กรอกไปก็ได้แต่ถ้าไม่รู้ไม่ชัวร์อย่าไปกรอกให้เลื่อนมาที่แผ่นที่ด้านขวามือนะนี่แผ่นที่ด้านขวามือนะ เ, อเลื่อนเลื่อนมาแผ่นที่ตรงนี้นะเห็นแผ่นที่ด้านขวามือนี่ไหมนี่นะ จุดแดงๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเสมอนะคนเขียนโปรแกรมจะทําให้จุดแดงเนี่ยอยู่ตรงกลางเสมอแล้วเราเลื่อนแผนที่ไปเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมเราก็เลื่อนประเทศไทยถ้าอยู่ประเทศอื่นเราก็เลื่อนไปเลื่อนแผนที่ไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยอย่างนี้สมมติอยู่ออสเตรเลียทําไงเราก็เลื่อนไปนะเลื่อนไปเลื่อนไ ป, อ, นไปอย่างนี้นะอ่าเลื่อนไปอ่านี่ประเทศออสเตรเลียทวีปออสเตรเลียนะ นี่เราก็เอาแดงๆไปจุดตรงแถวออสเตรเลียเนี่ยอย่างนี้อสมมติกลับมาประเทศไทยเนะีเราก็กลับมาประเทศไทยกลับมาประเทศไทยแล้วเราก็ขยายประเทศไทยตกทะเลไปก็เลื่อนขึ้นมาบนบกนะอ่าแล้วก็ c l o s เข้าไปอีกนะ <c oughs> สมมติเราจะเอาวัดนาป่าพงนะอ่าวัดนาป่าพงศ์เราก็โค o s เข้าไปวัดนาป่าพง์อยู่ที่ไหนก็อำเภอลำลูกกานะ เอ๊ะทำไมมันขาวๆงั้นมองไม่คยเห็นนะหรือปรับแผ่นที่เป็นเป็นนั่นไะเป็นอดาวเทียมอ่าปรับแผ่นที่เป็นแผ่นที่ดาวเทียมน่ะอ่าเด็เด็ดเด็ดเด็ดเด็ดเด็ยเด็ดเอย่าเิ่งใส่ที น, นี้เราก็ <c oughs> เราก็เลือกสมมติว่าเราเลือกยากเมื่อกี้เอาโสมากเลือกไปเรือกมาเอ๊หาลําลูกกาไม่เจอเอาโสมากก็จะ คีย์คำว่าคีย์ชื่ออําเภอเข้าไปนะง่ายดีแล้วก็กดค้นหาแฟบมันก็จะสะโคปกรอบมาให้อําเภอหรือจังหวัดนะตีกรอบเข้ามาให้ปุ๊บเราก็เห็นแล้วจุดแดงๆมันจะไปชี้ที่ลาลูกกาพอดีเห็นนะอ่านี่ดังนั้นแต่ถ้าเราชํานาญแผนที่เราก็ดึงเข้าไปเลยปื๊ดปื๊ดปื๊ดปืดปนะแต่ถ้าหาไม่เจอเอ๊อยู่ตรงไหนนอหนะเราก็คีย์คาเข้าไปกดปุ๊บมันก็จะมาลงใช่ไหม อ่าเราก็เริ่มหาละอ่าใกล้ละลำลูกกามองไปมองไปเราก็ดูวิวททัศน์อ่าข้างบนเลื่อนไปอีกนิดหนึง่งนะขึ้นขึ้นบนขึ้นขึ้นบนอีกอ่าขึ้นอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่าเห็นโรงงานทางซ้ายเห็นนะเนี่ยโรงงานปูนตรงเนี้ยแล้วก็เห็นป่าแนวป่าตรงเนี้ยเราก็ดึงเข้าไปเห็นนะอาคารหลังคาอเอกประสงค์นี่นี่หลังคาสาราไม้เห็นนะจุดแดงๆ น, นะ อ่าเนี่ยซาลาที่เรานั่งอยู่นะจุดแดงๆตรงนี้นี้เราก็ต้องมองมองภูมิประเทศจริงของเราได้เพราะไอ้ Google มันมาแอบถ่ายไว้เรียบร้อยหมดแล้วทั่วโลกนะมันถ่ายทุกวิวเลยนะมันถ่ายไปทั่วโลกเลยโยมไปดูดิดึงเข้าไปเห็นหลังคาบ้านโยมเลยนะบอู้ว่ามันมาแอบถ่ายเราตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะมันทําแผนที่ไปทั่วโลกเลไ ย, ย่งนะีเนะพอ ปากลงไปที่ศาราไม้ปุ๊บโ <c oughs> ยมเลื่อนไปดูลองลองท่านนักเลื่อนไปดูทางซ้ายมือเลื่อนเลื่อไปทางซ้ายมือรัติจูดลองจูดมันจะวิ่งให้เลยเห็นไหมอัตโนมัติไม่ต้องไปใส่บอกแล้วไม่ต้องไปใส่ถ้าใครไม่รู้รัติจูดลองจูดของประเทศบ้านตัวเองนะอย่าไปใส่เดี๋ยวมันจะผิดนะมันก็จะออกมา1 4ึ่ง1ี่เนี่ยนะรัะติจูดลองจูดที่หนึ่งจุดแปดสอง 402นะนี่อเมริกาเลยยิงจรวดไม่ผิดเลยนะโปะลงนะ <c oughs> เข้าบ้านทันทีเลยเนี่ยจะไปสู้อะไรกับมันจะไปลบกับมันเลย <c oughs> ลงพิกัดเป๊ะหมดเลยนี่ขนาดแผนที่แบบว่าเชิงพานนิดนะทั่วๆไปนะแล้วถ้าเป็นการทางทหารนะมันโอ้โหโครสได้เป็นระดับเซนเลยโยมมันเห็นหมดเลยดาวเทียมมันส่องลงมาปุ๊บเห็นเลยใครไปไหนรถคันไหนวิ่งไปไหนเนี่ย โอ้เวยมันละเอียดมากเดี๋ยวนี้นะอันนี้เราก็เห็นแค่หลังคาเนี่ยมันให้เราเห็นแค่นี้นะจริงๆมันเห็นเยอะกว่านี้นะไอ้คนทำเนี่ยนะนอันนี้พอต่อไปเราปักเราปักผุดได้ละตรงละเราก็มาใส่ข้อมูลต่อไปนะลอติจูดลองติจูดเนี่ยนะเพราะนั้นคำเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูลอติจูดลองติจูดเมื่อกี้อ่า please use the map on the right side to locate your place นะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมใช้แผนที่นะเพราะเดี๋ยวจะไปอยู่กลางทะเลทรายอยู่กลางอ่าวไทยอะไรอย่างเงี้ยนะแ น, นพราใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็มาใส่จังหวัดอะไรปทุมธานีประเทศไทย activity ก็มีกิจกรรมอะไรนะ ไม่มีอะไรเลยใช้ตัวเองนี่แหละประกาศคำตถาคตนะง่ายที่สุดนะฉันประกาศคำตถาคตแอคทิวิตี้ของฉันนะหรือถ้าใครมีหนังสือซีดีนะรับจากที่วัดไปอะไรไปนะหรือผลิตเองได้ก็เาเป็นที่แจกข้อมูลหนังสือซีดีหรือใครสามารถจัดกลุ่มฟังธรรมได้เรื่อยๆอย่างบ้านพุทธวัดนะบ้านพุทธวัฒนาศีวรลีนะ ภาวนาแกลเลอรี่บ้านธรรมสุขอะไรอย่างนี้หลายๆที่จัดฟังธรรมได้อ่าก็ใส่เข้าไปนะติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกไปอย่างนี้ใครจัดคอร์สปฏิบัติธรรมได้บ้างอ่าคิดดีคลินิกจัดได้นะคนนั้นคนนี้จัดได้กลุ่มชวนมุน่นทำอะไรอย่างนี้ก็อ่าใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ <c oughs> กรอกตรงนี้เสร็จก็มาใส่ข้อมูลเพิ่มเติม อ่อก็มูลเพิ่มเติมตรงนี้อยากจะใส่อะไรก็ใส่เรามีความสามารถพิเศษด้านอะไรบ้างเขียนโปรแกรมเป็นนักพัฒนาโปรแกรมเป็นทนายเป็นข้าราชการเป็นนักศิล ป, ปะเผื่อจะเรียกใช้งานได้บ้างก็มาใส่ตรงนี้ไปนะอ่าหรือเรามีความสามารถอะไรเรก็ใส่ไปนะหรือมีความคิดเห็นอยากจะเสนอแนะอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปนะสวัสดีปีใหม่2556นะเนี่ย แล้วก็ใส่เข้าไป <c oughs> ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารสัมพันธ์การเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์การระหว่างพุทธพจนนะเกลือข่ายพุทธพจนะผู้ที่ศึกษาคำของตถาคตและเวลาเราไปไหนเราก็นะพอมาปทุมธานีจะไปนอนไหนดีเจอวัดนาบารโภกแวะมานอนได้สลาในประสงค์นะ ไปที่อังกฤษก็เซิร์ทไปโอ้ยมเอกอังกฤษนะไปมีบ้านพอให้พักไหมแวะไปพักหน่อยไปเอาหนังสือซีดีนะไปที่สวีเดนอ๋ออาจารย์พันเตเอกลพลอยู่วัดดลรนาวัดนารามมีที่พักร้อยกว่าคนสบายแล้วไปพักสักหน่อยนะคอเดียวกันคอพุทธวจนะนะเนี่ยเราก็สะดวกไปทุกที่นะั้น ลองดูภาพรวมทั่วโลกเราก็จะเห็นภาพรวมแล้วว่ามีใครบ้างนะออ เ, เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้พอกรอกเสร็จทั้งหมดอย่าลืมอย่าลืมกดสุดท้ายสุดท้ายต้องกดอะไรกดบันทึกเซฟนะกดชึบเข้าไปอย่างนี้นะ <c oughs> พอกดเซฟหรือบันทึกเสร็จแล้วก็เรียบร้อยละนี่ขั้นตอนมีแค่นี้นะอืม เราก็จะตำแหน่งพิกัดของเราก็จะปรากฏในแผ่นที่ทุกคนก็จะเห็นได้นะเนี่ยง่ายๆแค่นี้เองไม่มีอะไรลายชื่อก็จะมาอยู่ทางแถบซ้ายมือเนี่ยลายชื่อของคนที่บันทึกเข้าไปนะอ่า <c oughs> หมุดนี้ก็จะแจ้งสถานะยมเห็นไหมว่าหมุดเนี่ยมันมีทั้งสีอ่าเนี่ยลองไปดูแบบหลายๆสีหน่อยซิอันนี้ ครบเมืออ่าเนี่ยเห็นไหมมีหมุดสีขาวมีหมุดสีน้ำตาลนะสีแบบจีวรเนี่ยก็คือภิกษุภิกษุณีนะเราก็แบ่งสีไปให้เป็นนักบวชแสดงว่าสถานที่นั้นน่ะอาจจะเป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์นะเป็นตัวภิกษุนะส่วนสีขาวก็เป็นอุบาสกอุบาสิกานะอ่า นั่นก็คือเราจัดเรียงตามบริษัท4นั่นเองนะ <c oughs> เราก็จะได้ไปถูกนะอันนี้ก็วัดนาปราพคงที่ลงไว้ก็มีมีตำแหน่งของวัดตำแหน่งของอ่าตามมาพิกุคึกฤทธิต์ตำแหน่งของพิกุมาร์ชาคาวาโลนะทดลองลงไปพอทดลองลงก็เออมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะันเนี่ยนะ พอเราคลิกกดลงไปที่ตำแหน่งตรงนั้นก็จะขึ้นรายละเอียดตรงนี้ขึ้นมาเ น, นี่ยพิกุมาชาร์ค า, าวโลวัฒนาป่าพงศ์สถานะคือบุคคลคือภิกษุชื่อก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ถ้าภาษาอังกฤษก็จะได้รู้จักกันได้ทั่วโลกหน่อยนะหมายเลขโททศัพ์อีเมลที่อยู่ประเทศ กิจกรรมมีอะไรข้อมูลเพิ่มเติมนะนะทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ในตําแหน่งที่หมุดมันใกล้ๆกันอย่างเนี้ยนะบางทีมันจะจิ้มเอานิ้วจิ้มเข้าไปยากอย่างนี้เราก็มาจิ้มที่ด้านซ้ายมือได้จิ้มตรงชื่อคลิกเข้าไปที่นี่หรือใช้นิ้วจิ้มใน iPad ก็ใช้นิ้วจิ้มไปนะที่อยู่ก็จะขึ้นมาพอจิ้มครั้งที่สลงก นะรายละเอียดก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยแค่นี้เนะง่ายๆก็ใช้ได้ไหน iPhone iPad นะหรือ Samsung ระบบของแอนดรอย Android ใช้ได้หรือยังหรือก็ได้แล้วใช่ไหมอ๋อกูเขียนทั้ง2องอนะไรเนาะโอเค <c oughs> อ่านี่เรื่องเกี่ยวกับ าการสมัครพิกัดแผนที่นะแล้วก็อย่าลืมพวกที่ไปตกทะเลอยู่กลางทะเลทรายอยู่ขั้วโลกลช่วยดึงกลับมาด้วยนะเลื่อนแผนที่ซะเนะนี่ยยังอยู่นะยังค้างเติงอยู่กรีนแลนด์หลายคนนะวิชิตคลองศัก์เนี่ย <c oughs> ไหนลองเลื่อนเลื่อนคำถามไปช้าๆไปเรื่อยๆอธิบายความหมายของคําว่ากรมอ่ ะ, อะผ่านไปอีกสิผ่านไปอีกอบ้านที่สนใจไประธรรมฟังธรรมอืออ่าผ่านไปไปทายิอาผ่านไปอืออ่าผ่านไปผ่านไป เดีเดดเดอืมหนังสือหาซื้อไม่มีแล้วครับนี่คือที่ไหนสงสัยเรื่องพบภูมิหรือมั้งอ่าผ่านไปคำถามธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยไปตอบภ่มนี้ก็ได้นะ านานขอดูคำถามที่11อหน่อยสิก็บอกผมไม่เหมาะกับพุทธศาสนาหรือเปล่าครับผมคิดว่ามีปัญญาสามพลาห้าสามโอ้โหคิดขนาดนั้นเชียวเหรอปฏิบัติมานานานั่งสมาธิก็ไม่ได้นานานั่งได้อย่างมากแค่ห้ายีนาทีโอ้โหหลแล้วยี่พนนาทีนี่มันไปคิดเองทั้งนั้นนะพะเจ้าบอกขอแค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ได้เนี่ยไม่ศึกษาพุาทธศนะท้อใจเห็นไหอ่า ไม่มาถามตถาคตเนี่ยเไม่เคยนั่งได้นานๆเลยอยากนั่งปฏิบัตินานๆพยายามแล้วแต่ก็ไม่เคยเกินครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยไปเอาครึ่งชั่วโมงเป็นเกณฑ์มาตรฐานเนี่ไปคิดเองนะปรุงแต่งเองเนี่ยปฏิบัติมาจะเป็นปีแล้วช่วงนี้ก็ปฏิบัติทุกๆวันเลยก็เหมือนเดิมพอเข้าสมาธิก็หลุดง่ายจะทําอย่างไรดีพยายามอดทนแต่บางทีก็ยอมรับว่าท้อเหมือนกัน อย่าไปท้ออย่าไปท้อนะหรูแล้วแค่เนี้ยนึกถึงเราหายใจมากๆนะความคิดที่ว่าเราไม่ดีนะมีปัญญาน้อยอะไรเนี้ยอตินิปาตะสําคัญตนว่าเลวว่าไม่ดีโนะยนทิ้งผู้เจ้าบอกให้โยนทิ้งเนะี่ยฟังผู้เจ้าแค่คิดโยมก็ไม่ได้ทำแล้วนะความคิดมันก็ปิดกั้นแล้ต้องคิดว่าเราทําได้นะทุกคนมีสุขภาพเป็นมนุษย์เนี่ยทําได้ทั้งนั้นนะ ไม่ต้องไปกลัวหรอกนะอืมลองผ่านไปซิมีอะไรอืมอืมอ่าผ่านไปผ่านไปอื ม, อ, มอ๋อนี่ถามก็ <c oughs> าถามว่าอะไรอ่ะคําถามที่สิบสี่ พระอาจารย์ครับทําไมที่วัดยังมีพระพุทธรูปพระพุทธองค์สอนพระวกฤตว่าแม่ร่างกายท่านไม่น่าชื่นชมเลยเน่าเหม็นสิ่งแทนองค์ท่านยิ่งแย่ไปใหญ่ทำไมไม่ละลึกถึงพระองค์โดยไม่ผ่านรูป <c oughs> เขาก็ละลึกโดยไม่ผ่านรูปกันทั้งนั้นนะมยมไปแก้กฎหมายประเทศไทยได้หรือยัง นะออยอมดูสิคนไปยุ่งกับพระพุทธรูปนะ่นะน่ะถูกสารสั่งจำคุกสองปีรอลงอาญาไปแล้ว <c oughs> นะ่อย่าไปหาเรื่องอะไรตรงนี้อยู่เฉยๆไว้ก่อนธรรมะอย่างอื่นมีอีกเยอะนะปฏิบัติทำไปก่อนนี่จะไปนั่งปฏิบัติอยู่ในคุกซะก่อนนะ <c oughs> นะรอบรู้บ้างไหมเนี่ยนะ่ะว่า อยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะอืเห็นนะตามพุทธวจนะบรรพชิตปงผมและโหนดไม่ให้โกนคิ้วทำไมพระไทยโกนรู้นะพวกไฟเรื่องคิ้วนะ่ถูกปลดจากพระไปแล้วนะั่นนะใช่อ่านีเพิ่งเกิดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอายุเท่าไหร่ไม่รู้เนยะรู้ประวัติศาสตาร์บ้างหรือเปล่าใช่อ่าไฟเรื่องนี้มากยังไม่เปลี่ยนกฎหมายไม่ปรับให้มันดีเรียบร้อย ก็ ป, ปลดเลยจากความเป็นพระล้วนี่ไปประกาศศาสนาอะไรได้ศ <c oughs> ูนย์ไปเลยใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยโยมเห็นะยังไม่ได้หรอกมันเอมันยังมีเรื่องอีกอะไรอีกเยอะยงไปศึกษาให้ดีก่อนนะศึกษากดทางโลกกดทางทำอะไรให้เรียบร้อยนะธรรมะมีตั้งร้อยเเนี่ยยศึกษาให้มันแจ่มกระจ่างเนะไปติดเรื่องกอนคิ้ว นี่เรื่องนี่แล้วทำให้ทรมาทั้งหมดมันล่มสลายเนี่ยมันดีหรือเปล่าใช่ไหมวันดีขึ้นดีโย ง, ยงเรียบร้อยมีคนมาเชิญไปนี่มันจะหาเรื่องแล้วไปศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนเนาะศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีนะเขาอะไรอะไรกันมาบ้างอย่างเนี้ยนะ นั้น <c oughs> ศึกษาธรรมะอย่างอื่นเอาตัวหลุดพ้นพอแล้วเนี่ยเยอะนะพระพุทธเจ้าบอกเราเนี่ยนะภิกษุเนี่ยปรงผมและหนวดครองผ้ากาสายะนะอ่าเพราะฉ น, นั้นมีต้องเยอะนะ่ะถ้ายมจะไฟเรื่องนี้เอ้าทำไมจีวอไม่ยอมน้ําฝานะยอมกันให้หมดทั้งประเทศนะอ้าช่วยไฟหน่อยได้ไหมอ่ามันมีเรื่องไฟอีกเยอะเลยนะอ่าอ่าพรุทธเจ้าให้ฉันมือเดียวทําไมฉันสองมือ ออมีเรื่องไฟอีกเยอะนะเนี่ยยมอยากไฟมื่อไหทำไมไฟแค่นี้นะออพอไปฟังใครมาเลือไฟกันแค่นี้มันมีอีกเยอะนะพระเจ้าบอกอันหนึ่งภิกษุได้รับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสกิยาภาจิตถูนี่อีกเยอะเลยนะถ้าโยมจะไฟมีเรื่องไฟเยอะเลยใชเออ่เนี่ย <c oughs> นั้นถามว่าโกนคิ้วแล้วมีอาบัตไหม ไม่มีไม่มีหมูมหน้าเนะขาโ ก, โกนไว้ก่อนโกนไ้ก่อนนะใช่ไหมแต่ถ้าโกนคิ้วแล้วมีอาบาัตทําไม่ได้อแต่ไม่มีอาบาัตนะเคยรู้บ้างมหมเหลยใช่ไหมอ่านะนั้นไม่รู้ก็ต้องรู้ทั้นั้นเนี่ยอนะ่นั้นพระเจ้าไม่ได้บอกให้โกนคิ้วบอกตรงผมและหนวดนะแต่โกนแล้วมีอาบัตไหมต้องดูมุมนั้นด้วยนะเห็นไหมอ่านะนะอย่างนี้ <c oughs> ถ้าพุทธรูปเหมือนกันโยมก็มาอุ้มไปแทนอาตมาหน่อยก็แล้วกันออกเดี๋ยวมีคนมาเชิญโยมไปไปสถานที่อันควรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีมาอ้าวเป็นวัดตามกฎหมายแล้วทำไมไม่มีอ้โหที่นี่เรื่องมาบานเลยนะเดี๋ยวได้ออกสื่อมะ เยมให้องมาอยู่ผาสุกหน่อยเหรอแค่นี้ก็ลบเข้าไปทั่วประเทศพอแล้วนะนะใจเย็นๆแบบไปเรื่อยๆเอาธรรมะที่มันเป็นประโยชน์อนะ <c oughs> เ, อเป็นประโยชน์หลุดพ้นได้อันเนี่ยกายยคตาสติอัญชนหลอใ ด, ไ, ดไม่หลงลืมอมัตะชื่อว่าอัญชนหลันไม่หลงลืมเอาแค่เนี้ย่ปฏิบัติไปหลุดพ้นได้แล้อย่างอื่นเดี๋ยวไปคิดมากนะ เดี๋ยวค่อยๆใจเย็นๆนะนะเดี๋ยวเราค่อยๆทําเองอะ่ะนะถึงเวลาที่มันเหมาะมันสมมันมันจะเลิกของมันไปเองตามเหตุตามปัจจัยนะออย่าใจร้อนเนีย่ยใจร้อนเดี๋ยวโดนปลดง่ายๆนะ <c oughs> ค่อยๆใจเย็นๆไปเรื่อยๆให้คนเขารู้จักพุทธวจนะก่อน <c oughs> ให้พระรู้จักพุทธวจนะมากๆก่อน เวลาโยมจะไปถกเดี๋ยวทไมกคิ้วไม่กคิ้วทําไมต้องเอาพระพุทรูปเขาจะเอาคําใครมาบอกเขาจะเอาคําอาจารย์เขามาพูดกับโยมมาโต้กับโยมเขาจะเอากฎหมายมาโต้กับโยมแล้วโยมจะไปทำอะไรก็ได้เพราะเขายังไม่ศรัทธาคําตถาคตยังไม่ศรัทธาพุทธวจนะแต่ถ้าโยมประกาศพุทธวจนะยุทธศาสตร์เดียวทําไปจะมีใครต้านให้เขาศรัทธาในตถาคตคตําตถาคตซะก่อน คำตถาคตใ ด, ดที่มันยังกฎหมายมันยังขัดกับคำพูดเาอยู่ก็เฉยๆไปก่อนใจเยน็นๆนะใจะเย็นๆอย่ารีบร้อนนะ เ, เชื่อผู้นำชาติผ้นภัยเดินตามเดินตามเดินตามไปก่อนนะค่อยๆไ ย, ยควรดีๆเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเองนะพอมหาชนทั้งหลายหมู่พระทั้งหลายเนี่ยรู้แล้วว่าคำศาสดาตัวเองเนี่ยดีที่สุดเลิศที่สุดมีความแยบคลายเป็นข้อมูลในการ นำไปประพฤติปฏิบัติได้ไม่ใช่ปฏิเสธเป็นเดียวเพียงทฤษฎีอะไรเนี่ยไอคำพวกนี้ลบหมดออกจากหมู่ความเห็นของพระหรือยังใช่ไหมอ่าถ้ามันลบได้มากอย่างน้อย 50-50 ห50เนี่ยนะอ่าะนะเริ่มเริ่มใช้ได้แล้โยมอยากจะเปลี่ยนอะไรเนี่ย <c oughs> ถ้ามีสัก 80-90 นะแต่ 80-90 นี่ก็ยังไม่ได้นะถ้า ระบบการปกครองยังไม่มันยังไม่ไม่เข้าไปแก้ไขระบบตรงนั้นนะอ่าโยมจะมีกําลังมากก็เอากำลังปราบเลยปราบเรียบนะอ่าดูอิสลามเนี่ประท้วงเหรอยิงตายเรียบหมดอนะ่เรียบร้อยจบไปอ่าใช่ไหมดูเทียนั้นเหมือนอะไรนะนะประท้วงใช่ไหมเรียบเรียบอ่เรียบร้อยทุกอย่างสงบ กลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมฉัจะไลบอะไรกับเขาเราเอาตัวรอดไปอยู่วันๆสบายๆไปเนี่ยนะหลุดพ้นได้พอแล้วนะเอ อ, อย่าไปไฟอะไรมากเข้าใจไ้ยเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยไหนเลื่อนไปดูสินะจอข้างหลังเนี่ยนะเออไปไกลเลยนะนะไม่ใช่คำถามเดิมเลย ยังอยู่เรื่องเดิมเนี่ยจากอุดรธานีชื่อพัทธละเนี่ยเข้าใจไหมพัทธละเนี่ย <c oughs> <c oughs> พัทละเขาส่งอีเมลมาถามอาตมาเนี่ยอาตมาบอกเอาไปถามในค่ำวันเสาวหรือที่สาธารนณะหน่อยมันจะได้ได้ประโยชน์กันเยอะๆนะอาตมาพิมพ์ไม่เก่งขี้เกียจตอบ <c oughs> มันไม่มีเวลาจะตอบเป็นการส่วนตัวนะบอกให้เขาถามมานะ คนอื่นจะได้ทราบไปด้วยนะบอกพระธทรรมกิจรับใช้คารวาสเช่นยอมหาเงินสร้างโรงพยาบาลบ้างภายเรือให้ประชาชนนั่งบ้างไม่ผิดปฏิโมกสิกขาหรือครับมันไม่ใช่ปฏิโมกสิกขานะมันผิดสัมปันธศีลาสินในกลุ่มแรกนะรับใช้ไปเป็นทูต นะยอมตนให้คลิหัดหรือปิดในส่วนนั่นสังฆาทิเศษข้อ13แต่ต้องไปกระทาในานิคมเมืองหลวงอย่างนี้ในบ้านเรือนของญาติโยมในละแวกบ้านอย่างนั้นนะเรียกว่าการเป็นผู้ประทุษส้ายสกุลอย่างนี้ ไปช่วยเขาทำโน่นทํานี่ยอมตนรับใช้เขานะนะเข้าไปในบ้านเรือนงเขานะไปลดน้ําต้นไม้ไปดูแลอ่ะเกิดพระเข้าไปสักรูปหนึ่งเราโยมเดี๋ยวอาตมากวาดบ้านให้นะ <c oughs> เดี๋ยวดูแลโน่นนั่นนี่ให้นะอ่าหรือฆราวาสก็ใช้ท่านจงไปโน่นเอานี่มาเอานั่นมาอย่างนี้นี่ยอมตนนะรับใช้เขาเนี่ยนะอันนั้นอยู่ในสัมปนาสีลานะ ภิกษุมีศีลสมบูรณ์เป็นอย่างไรนะดังนั้นพระเนี่ยไม่รับใช้ใครนะไม่รับฝากของใครโยมบอกว่าอาจารย์เอากระถนไปฝากให้คนโน้นหน่อยนะเอาไปฝากเองสิเนะี่ยไม่เกี่ยวนะโยมก็บอกอู้พระไม่มีน้ําใจเลยโยมเดินทางมาต้องไกลนะฝากหน่อยก็ไม่ได้ออนั่นแหละไม่มีน้ำใจนี่แหละเราต้องเกรงใจพระเจ้านะรักษาศีลเอาไว้ใช่ไ แต่ก่อนก็ <c oughs> ผมทรัพย์มาขุดน้ำบาดาลให้แล้วก็บอกอาจารย์ผมจอดรถไว้ที่นี่ฝากอาจารย์หน่อยนะดูแลหน่อย <c oughs> โอ้ยไม่ดูไม่ดูไม่ดูดูเองนะ <c oughs> ไม่รับฝากอยากจอดก็จอดนะไม่รับฝากอะไรทั้งนั้นน ะ, นะหายไปทำไงา อ, อาจารย์ผมฝากอาจารย์แล้วไม่รู้จะดูสวยไหมสวยเนนะผ <c oughs> ูเจ้าเนี่ยป้องกันให้วิสุิ์ดีแล้ว <c oughs> อย่าไปรับฝากอะไรใครนะ โยมฝากของมาไม่ให้เอา้าทีฉันโทรไปหาอาจารย์ยังไม่ให้เหรอโอหนี่นัดไว้เสียนัดไปหมดเลยนะ เ, เสียพ้าสูเอ็กใช่ไห ม, อ, มอย่าไปรับฝากอะไรไม่ดีอยากเอาให้เอาให้กันเองนะอ่างั้น <c oughs> หรือถ้าถ้าโยมก็มีเทคนิคหน่อยแม้ดิฉันว่าจะเอานี้มาถาวายเอาโศโทษนะอ่าใช่ไหม ไม่รู้จะทํำยังไงดีอะวางไว้เนี่ยยมอย่าใช้อะละมาแล้วกันวางไว้ <c oughs> เดี๋ยวจัดการให้ต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> มีเทคนิคหน่อยสิใช่ไหอบอกความประสงค์แค่ น, นั้นน่ะเออดิฉันทำไงอะวางไว้นั้นน่ะยมก็วางเชื่อเชื่อใจเชื่อใจเถอะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเคลียร์ให้แต่ถ้าโยมเอ่ยปากใช้เรียบร้อยไม่ได้ไม่ทําให้เนอ่ยใช้กัปปิยะโวหาระ เน่เกี่ยวข้อกับภาพน้องฉาลาดน่นนะอย่างพระเนี่ยขุดดินไม่ได้ <c oughs> ใช้ให้เขาขุดก็ไม่ได้ก็จะปลูกต้นไม้จะทำยังไงเนาะ อ, อัตมา ก, ก็บอกเออโยมอัตมาอยากได้ต้นไม้ตรงเนี้ยนะแต่โยมก็ซื้อตรงเลยเกินเอาต้นไม้ไปวางบนนั้นจริง โอเคก็ปล่อยมันไปทำใจนะใช่ไหมแทนที่จะฉลาดอยากได้ใช่ไหมขุดหลุมหน่อยใช่ไหมอ่าแล้วก็เอาต้นไม้ดินกรบน้ํารดใช่ไหมอ่แต่เราก็ใช้มันไม่ได้โยมขุดหน่อยพะขุดปุ๊บใช้ให้เขาขุดโอ้โหโดนละอาบัตไปจิตติใช่ไหมอ่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับพระมันต้องฉลาดเองนะอือต้องมีความฉลาดนิดนึงบางเรื่องพระเจ้าไม่ให้ทำใช่ไหมอ่า ด, ดังนั้นการศึกษาวินัยของพระก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ได้ความละเอียดอาตมามาแรกๆนี่ก็สร้างป่านี่แหละเนี่ยคนสวนหนึ่งคนไปเนี่ยบอก ช่วยเนี่ ย, ยจะปลูกต้นไม้แนวเนี้ยดุงช่วยก็ต้องฟังให้เป็นแล้วก็ขุดต้นไม้แนวนี้ได้แต่เราไม่ได้ใช้ให้เขาขุดเราอยากได้ต้นไม้แนวเนี้ยอสองเม็ดพอไหมครับเม็ดหนึ่งพอไหมเออได้ได้ได้ไดแต่ไม่ได้บอกให้ขุดนะอยากาไปวางก็ไปวางเดี๋ยวก็มีปัญญายัไงเห็นไหมเนี่ ย, <laughs> ยกลับไปย่าโวหารเนะ น, นี่ยอันเนี้ยหลีก หลีกเลี่ยงอะ่ะแต่หลีกเลี่ยงภายใต้การรักษาการประครับประคองสิกขาลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเอื้อเฟื้อทําวินยัยนะเราจะพูดตรงๆก็ได้แต่ทําไมเราไม่ใช่ไหมเราต้องการเอื้อเฟื้อทําวินยัยว่าไม่ให้มันผิดนีน่ไอ้คําว่าเอื้อเฟื้อเนี่ยมีคนเคยถามแล้วบอกอ ม, มันหา ม, มุมอธิบายยากบางทีมันก็คิดออกนะลักษณะอย่างเนี้เอื้อเฟื้อทํามวินยัย ไม่พูดหาคำพูดที่มันสลัดสลวยกว่านั้นนะอย่างนี้ก็จะมีหลายๆเรื่องเกี่ยวกับวินัยที่ต้องใช้กัปปิยโวหารคำพูดที่นั่นคำพูดที่เหมาะสมอย่างนี้เราก็จะได้ใช้ปัญญาเคยมีข่าวลงหนังสือพิมพ์ครับว่าประมาณว่าแม่แก่แล้วครับแล้วลูกลูกชายไปบวชครับแต่ว่าแม่ไม่สามารถทำนาได้ครับ พาลูกใช้ก็เลยถอดจีวรแล้วก็มาไถานาให้แม่ครับเนออย่างนั้นผิดไหมครับโอ้มันไม่ใช่กิจของสมณะเลยนะอะก็มีสองความเห็นไอ้ความเห็นหนึ่งก็กตันยุกตันยุอีกคำหนึ่งก็ไม่ได้กิจของสองฆ์ก็ไม่รู้ว่าจะกาตันยุผู้เจ้าสอนไปแล้วเนี่ยนะยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้ ให้มีจาค้าสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสามาัมปทาชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาไม่ใช่ยังมารดาบิดาผู้ไถานาไม่ได้ด้วยการให้เราไปไถานาแทนใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยไม่มีันอย่าไปทําเกินพระพุทธเจ้านะนี่แหละนะไม่ศึกษาธรรมวินยัยพระศาสดามันก็เข้าสู่มิจฉาทิฏฐิเห็นนะ ที่ชัยภูมิมีหนักกว่านี้ก็ไถานาเหมือนกัน <c oughs> ออกพรรษาแล้วปุ้มเนี่ยเขาจะพระมานั่งบนสาาติดป้ายเบอร์หนึ่งสองสามสี่ชาวบ้านจับฉลากนะในฐานะที่ในพรรษาก็ได้เลี้ยงดูท่านเจ้าท่านมาพระคุณเจ้ามาเป็นอย่างดีก็มาไถานาให้บ้านกับผมกันบ้าง น, นะก็ใครจับได้เบอร์อะไรก็พระรูปนั้นก็ไปไถานาให้บ้านนั้นนะนี่อยู่ชยภูมินะ เมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยพระที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจารย์ลักษักกับจารย์โสพลเนี่ยไปอยู่ที่นั่นนะแล้วก็ <c oughs> ไปเจอตรงนี้ก็โอมาเล่าให้ฟังเขบอกโอ้มันไม่ถูกมึงนี่ก็เรียกผู้ใหญ่บ้านมาคุยว่าเออเอตมาว่ามันไม่น่าถูกนะอย่างเนี้ยอืมเห็นตอนหลังก็เลิกเลิกกันยังไงท่านก็พยายามพูดคุยให้เข้าใจว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยเรื่องแปลกๆอย่างเนี้ยโยมถ้าเราไม่ ไม่เดินตามธรรมวินัยที่ตถาคตบัญญัติแล้วจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ตัดสินแล้วเวลาไปพูดเขาบอกโอ้ยธรรมเนียมเขาทามาตั้งนานล้ะนี่มันไม่ได้ยกคำพุทธเจามันยกธรรมเนียมมันยกประเพณีมันยกอาจารย์ฉันแล้วมันจะได้ไหมมันไม่ได้ไม่มีทางจบเลยยมจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ต้องให้ใช้พุทธวจนะก่อนดังนั้นอาตมาจึงบอกยุทธศาสตร์เดียวนะผลักดันให้คนศึกษาปฏิบัติตามพุทธวจนะ เผยแผ่พุทธพจนะออกไปนี่แหละความที่เราต้องลงพิกัดแผนทีน่ประกาศพุทธพจนะสถาบานันใครช่วยกันประกาศเป็นรัตนนาประกาศคําตถาคตไปเมื่อทุกคนศึกษา ค, าคําตถาคตสัทธาตถาคตรู้แล้วว่าใช้คําตถาคตอย่างเดียวเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องจบเลยโยมอยากจะแก้อะไรนิกายต่างๆจะหมดไปได้น่ ะ, ะพระจะทานสองมือมือเดียวอ่ะพระเจ้าตัดยังไงล่ ะ, ะก็ทำตามนั้นจบทุกคนยอมพระเจ้าแล้ว ตอนนี้มันไม่ยอมอาจารย์ฉันว่ามาอย่างนี้อูยนี่หลวงปู่นั้นว่าอย่างนี้นี่หลวงอานั่นว่าอย่างนี้ลงกันไม่ได้หรอกจอ้ะใช่ไหมสังฆสามัคคีจะเกิดขึ้นทันทีเลยในหมู่คณะพระเนี่ยแต่พระก็มองโอ้มันยากมันสูงเกินไกลเกินท่านคึกฤคิดเกินไปแล้วไกลโพดน่ะไม่ต้องแก้ตัวเองเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมยมดูสิอาตมาทํามาเนี่ยนะ ห้ 5, ปีเปีเอา้าก็คนก็เต็มทั่วโลกได้อย่างนี้ใช่ไหมอ่แล้วถ้าโยมช่วยกันทำละ่ะอู้มันก็เป็นกําลังที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มเพมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมพุทธเจ้าอาศัยพระภิกษุ60รูปแรกในการประกาศศาสนาอา่าเดินไปนะอย่าเดินทางเดียวซ้ํากันถึงสองรูปเดินไปเส้นทางละรูปพุทธเจ้าองค์เดียวสร้างได้60จาก60สร้างได้ทั่วโลก ใช่ไโยมนั่งที่ศาลานี่กี่คนชั้นล่างกี่คนห้องประชุมสง์กี่คนโยมมั่นใจหรือยังคําตถาคตดีวางหรือยังหนังสืออื่นเนี่ยซีดีอื่ น, นอาจารย์นุ อ, อาจารย์นี้วางโยมเอาอาจารย์อะไรมาแทนอาอาจารย์ครึ่งลิตไปแทนหรอไม่ใช่เอาตถาคตไปแทนเข้าใจดีๆนะโยมเอาคําตถาคตไปแทนนะและอาจารย์โยมแต่ละคน ใครจะมาเก่งเข้าตถ า, าคตมีไหมไม่มีอาตมานำเสนอใครนำเสนอธรรมตถ า, าคตให้ศรัทธาตถ า, าคตศาสดาของคุณเองที่คุณยังไม่เคยเข้าไปศึกษาคําสอนของพระองค์อย่างแท้ยังไม่แยบคายยังไม่เสพครบมากคุณจะยังไม่ลึกซึ้งยังไม่ศรัทธาในคําตถาคตอย่างถึงที่สุดก็เลยปฏิเสธคําศาสดาตัวเองว่าสูงเกินไกลเกินดีที่สูงสูงดีแต่อย่าไปอ่านนะต้องอ่านอาจารย์ฉัน เมันมันยังไงกันนะใช่ไหมอดีก็ต้องอ่านคำตถาคตสิน ะ, ะใช่ไหมซาสดาเป็นคนบัญญัติทาบัญญัติวินยัยอ่านจากต้นต่อไม่ดีเหรอดีดีหมดนะยากง่ายมีอยู่ในนั้นนะมันคือความจริงนะนี่เป็นอย่างนี้ <c oughs> ดังนั้นถ้าแก้ตรงนี้ได้เนี่ยทำตรงนี้ได้เนี่ยโยมจะปรับอะไรก็ได้เราจะมีศรัทธาร่วมกันแล้ว พอพูดว่าผู้เจ้าไม่ได้บัญญตัติปุ๊บทุกคนจะยอมอ๋ออันนี้ผู้เจ้าบัญญัติทุกคนจะยอมนะกฎหมายตราใหม่ทําไมในเมื่อผู้เจ้าบอกอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าเพิกถอนกฎหมายผู้เจ้ามีแล้วนะ่ะทำวินัยที่ศาสดาบัญญัติไปครบถ้วนสมบูรณ์คุณไม่เชื่อไม่ศรัทธาพอแค่นั้นเองว่าผู้เจ้าเนี่ยแค่กฎผู้เจ้าปกครองคนได้ทั่วทั้งโลกนะกฎระเบยียบของพระศาสดาปกครองส่งได้ทั่วทั้งโลกไม่ต้องกลัวอาการิโกด้วย อย่าไปบัญญัติพรบ อ, อะไรใหม่อะไรมาไม่ดีอ่ะไม่ดีบัญญัติใหม่เรียบร้อยอจะงงจะสับสนนี่หมดมทอนี้จะแก้อย่างไงใช่ไหมเพราะนั้นอุดรธานีเข้าใจดีๆนะนี่น <laughs> พระท่าละเ <laughs> นี่ยแล้วก็ข้อสีถาม่าทำไมพระเจ้าวาดขึ้นไปมีเงินเดือนแสดงว่าพระอาบัติกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับก็เนี่ยมันจะแก้อย่างไงโยมก็ อ, อย่างที่บอกเนะ่ะแก้ไม่ได้หรอก ก็ก็อ้างโน้นอ้างนี่ทุกคนยังไม่ได้อ้างพระพุทธเจ้านั้นให้ศรัทธาในพุทธวจนะก่อนนะพุทธวจนะเป็นยังไงอะไรก็อ่าก็ถกกันไปสืบประสูตรว่าไปหนังสือสืบเล่มอ่านง่เข้าไปอ่านศึกษากันซะศรัทธาพอหรือยังนะวางวัตถโกตุลมงคลหรือยังนะออะไรต่ออะไรวางวางวางวา ง, ง่ายอย่างเนี้ยพูดภาษาเดียวกันหมดอน ะ, นะ อ่า <c oughs> อันไหนลองเล่นเลื่อนไปสิ้ำห า, าคนคิ้วไม่มีในพื้นที่ทำไมพระพระต้องโคนคิ้วหรือไม่อ๋อก็ไปหานั่นนะ่บนะบรรพชิตต้องทำยังไงปรงผมและโหนดคารวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งทุรีบรรพชาเป็นโอกาสว่างเนี่ยกี่คำนี้ไปก็ได้นะ อมีใครมีประเด็นอย่างอื่นอีกไหม <c oughs> เดี๋ยวจะเตรียมตัวเลิกเราจะห้าทุมแล้วเนี่ยนกิ๊กกลับหรือยังอ่ะกิ๊กอ่ <c oughs> กิ๊กหายไปแล้วมัง้งสไตล์ครับ <c oughs> ยังอยู่เหรออ๋อค้างวัดเขาวันนี้ครับข้างวัดโอ้โหโตล่กวันนี้ญาติโยมเหนียวแน่นไม่ลุกไปไหน <c oughs> มีมุ้งกลางให้นะกลางสนามเผื่อใครต้องการอากาศดีๆนอนนี่มาจากกประเทศเลยยอมสงานคีธรรมราชแ่ทัพอบางไสกรุงเทพมาจากไต้หวันพงอ๋อ คนที่ลงมาใหม่นะเอาสมาร์กบอกคนที่ลงมาใหม่เอาสมาร์กบอกหน่อยกันนะตอนนี้มีคนลงพิกัดเพิ่มขึ้นมาอีกมีใครอะไรยังไงบ้างก็จากที่เมื่อกี้ได้แสดงการลงทะเบียนไปก็มีคนที่ลงมาใหม่มากพอสมควรก็จากที่สังเกตก็เห็นว่ามีจากทั่วประเทศเลยนะครับก็คือจากระยองสงขลานครศรีธรรมราช อิทยาแม่ห้องศอนนกะขราจากีมากรุงเทพแล้วก็ยังมีจากทางที่ประเทศไต้หวันเหมือนกันครับก็แสดงว่ามีคนฟังอยู่พร้อมกับเราก็ทั้งทั่วประเทศเหมือนกันครับถึงต่ามเทเมืนกาก ค, ครับใช่ครับก็เอ่อตอนที่เข้ามาเมื่อทุ่มกว่าก็ที่บอกสองร0 1อ้ยหนึ่งอะไรอา่าสอหนึ่งตอนนี้237สานะอ่า ก็ลงมาขึ้นมาเรื่อยๆปึ๊บๆึึ บ, บนี่จากปอกไปเมื่อวันไหนนะเมื่อเสารอ์อาทิตย์นะวันเสาร์หนึ่งวันวันนี้วันจันทร์เนะี่ยสองวันนะสองวันคนก็ลงมาสองร้อยสามสิบเจ็ดละนะเดกก็คงทยอยลงเรื่อยๆ นี่ก็ความเป็นเน็ตเวิร์นะนี่ให้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ยังไม่เปลี่ยนจะได้เปลี่ยนหรือผู้ที่กำลังกั้มกึ่งจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะไรเนี่ยน ะ, ะนั้นเราก็รักในตถาคตศรัทธาในพระศาสดาต้องการให้ศาสนาตั้งมั่นมั่นคงดำรงอยู่ได้นานน ะ, น ะ, นะเราก็ช่วยกัน <c oughs> ไหนลองดูดูเมื่อกี้ที่ตีแถบให้มีเรื่องอะไรเน ะ, ะไม่ทราบว่าหากทานอาหารเพียงแค่หนึ่งมื้อจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่าอ๋อผู้เขียนมีอายุแค่18อาจจะเป็นวัยกำลังโตอ๋อดูตัวอย่างอาตมาได้เลยตั้งแต่อายุ16 หนึ่งมือ้อสามมือ้อหนึ่งมือ้อสามมื้อสลับกันไปกันมาอย่างเงี้ยตั้งแต่อายุสิบหกแล้วเขไปวัดกับหนึ่งมือ้อนะ่ะกลับมาบ้านกับสามมือ้อคล่องเลยทีนี้นะรู้เลยว่าพอลดเหลือหนึ่งมื้อมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวกระเพาะมันขยายอย่างเงี้ยนะในหนึ่งมื้อเราจะกินได้เยอะนะแต่พอมันเหลือสา ม, มื้อนะเราจะกินอย่างหนึ่งมื้อนะโอวันนี้จะฟาดได้เต็มเลยกินไม่ลงอ่านะ มันจะซอยให้เหลือสามื้อเองเนี่ยดังนั้นในมื้อของโยมสามมื้อเนี่ยนะมันก็หน่อยนึงหน่อยนึงหน่อยหนึ่ ง, น, น, งนะดังนั้นพระทานหนึ่งมื้อเนี่ยมหาสานอัดปุ๊บพระเนี่ยั <c oughs> <c oughs> ยนเยอะเมื้อหนึ่งเนี่ยนะก็เพราะมันขยายเองเนี่ยนะอ่าเพราเราจะเห็นนะพอเราอยากจะกินเยอะๆอย่างมื้อเดียวอย่างที่เคยทานนะพอมาระบบสามื้อนะก็ทําทไม่ได้นะอะ่ามันก็ ไปตามธรรมชาตินั่นแหละนะนั้นอันนี้ไม่ต้องไปกลัวหรอกนะ <c oughs> ก็ยังทำการงานได้ฝึกได้ไรได้นะแต่ก็คารวะน่ะก็ทานสามมื้อไปสินห้านะผู้เจ้าก็ไม่ได้บังคับอะไรในเรื่องการกินนะจะมาไปไปอาจจะ เกินพอดีไปนิดหนึ่งสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยไปฝึกโดดล่มนหนึ่งเดือนน่ะตามหลักสูตรของนักเรียนเขาอ่ะแล้วก็ฝึกเหมือนกับเพื่อนแต่ทานมือเดียวเกือบแย่เหมือนกันน ะ, นะ <c oughs> ก็ไม่เหมาะมันไม่เหมาะกับ <c oughs> พอเ ร, เราช่วงขึ้นปีสี่ไปฝึกภาคสนามตอนปีสีก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทานมือเดียวละก็ทานสามมือ รักษาสิน5้าตามปกติอย่างนี้นั่งสมาธิอะไรเอาอย่างนี้นั้นะเรื่องอาหารก็ดูดูความพอดีแล้วกัน น, น้ำหนักลดอูไปเป็นสิบกิโลสิบกว่ากิโลมไม่พอดีนะ <c oughs> มีคำถามไหนนั่นนนอีกบ้างมเมื่อวานไปงานฝังลูกนิมิตผมเข้าไปในวัดไม่ได้เข้าไปลดน้ำมนต์ไม่ได้ไปปิดทองลูกนิมิตผมตรงเข้าโบสถก์กราบพระกำหนดลมหายใจแล้วก็กลับผมอยากถามพระอาจารย์ว่าผมทำผิดหมายมันควรทำหรือไม่ควรทำหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดอะไร นะ เ, เขาทําเดรัราชานวิชากันเราก็ไม่เข้าไปยุง่งนะเราก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเราไปทําสมาธิกําหนดลมหายใจกราบพระก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ถ้ากราบพระแล้วไปอ่อนวอนบนบานสารกล่าว ท, ท่านก็อันนี้ก็จะเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิอีกเหมือนกันนะมันอยู่ที่เจตนานั่นแหละนั้นก็เหมือนกับการกราบพระพุทธรูปที่ อุดรพัทธละอุดรถามมานั่นแหละเจตนาเราทําอย่างไรสมมติไม่มีพระพุทธรูปอ่าอันนี้พระพุทธรูปออกไปหมดนะอ่าเราก็ยังมีการกราบอยู่พระพุทธเจ้าบัญญัติการกราบกันไหวนะแล้วเราจะหันไปทางไหนอ่าหันมากราบโยมแล้วกันนะมันก็มั่วสั่วกันไปหมดเนะ่ยงงอ่ะงั้นหันไปทางขวาอ่ากราบคนว่าไปกราบเสาหรือเปล่านะคนก็พูดได้ทางนั้นนะหรือกราบมุ้งตลกมุ้งออกนะ หลกสาวออกหรือนะเหลือแต่ต้นไม้เอาไปเจอต้นไม้เอากราบต้นไม้แล้วมั้งนี่หรือต้นไม้ออกให้หมดทั้งวัดโอ้อันนี้กราบทิศ น, น, นี่อ่ามันได้ทั้งนั้นนะโยมไม่มีจบหรอกถ้าคนไม่เข้ามาถึงเจตนาใช่ไหมว่าเจตนากราบเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โยมลองสมมุติภาพสิใช่ไหมสมมติภาพตูทีละอันหรือพระพุทธรูปออกเจอกําแพงหรือกําแพงออกเจอต้นไม้หรือต้นไม้ออกหมดหมดไม่ต้องไปอยู่แล้วบนโลก แมนะ้ไปวุ่นวายกับเรื่องวัตถุอยู่อย่างเนี้ยนะต้องสับสนตายเลยนะ เ, เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะ เ, เจตนาเราเราเลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเราเลึกถึงพระเจ้าเป็นอย่างไรพระเจ้าก็บัญญัติไว้แล้วพระองค์ตรัสรู้จริงนะเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างนี้พระธรรมเป็นยังไงยังไงนั่นะนะ่ะเราเลึกถึงตรงนั้นนะง่ายๆนายนะ ยังอื่นก็ไม่มีอะไรลวมัง้งมีไม้ข้างหลังนะคำถามอะไรที่มันเด็ดเดดหรือว่าต้องการการตอบอย่างเร่งด่วนนะ อ๋อสังสารวัฏยาวไกลหาต้นปลายไม่เจอแม้แต่พระาตาตากตเองก็ไม่สามารถย้อนไปดูต้นกินเนลสของสังสารวัฏจักรวันได้ใช่หรือไม่โอ้อันนี้เริ่มจะไปวิเคราะห์วิสัยของผู้เจ้าแล้วผู้เจ้ามีความสามารถมากเกินกว่าที่เราเราทราบอนะและความเป็นสัพพัญญูผู้เจ้าบอกจะน้อมไปดูอะไรก็ได้และไม่มีประมาณผู้เจ้าต้องการดูลึกกว่า น, นั้นก็ดูได้ ใกล้วันนั้นนี่ก็รู้ได้ใกล้วันนั้นนี่ก็รู้ได้นะแต่ผู้เจ้าจะนั่งดูจนตลอดร0อปีแล้วท่านก็ปรินิพานฟรีไม่ได้บอกสอนบริษัทไหมเพราะอยากจะไปดูต้นต้นของมันเป็นยังไงก็เหมือนกับพิสูจนั่งดูวันละแสนกับนั่งดูตลอดทั้งร้อปีพิสูจนั้นก็ตายไปหนึ่งลูกลูกที่2ก็มานั่งดูตายไปก็ไม่ได้ทําอะไรถ้าผู้เจ้าไปทําอย่างนั้นตามความอยากของเราก็พอดี สัตว์โลกก็ไม่ต้องบรรลุทำกันเพราะลืมสอนอรลสสัสสีอา้าวตายไปแล้วพอดีแล้ลืมสอนอเลสสัสสีเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยโยมพรเจ้าท่านฉลาดกว่าเรามากเนะี่ยเรามันหัวไปคิดวนอยู่แต่อย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วนะท่านต้องระดับพระพุทธเจ้าแล้วท่านรู้แล้วอะไรควรอะไรไม่ควรเนะี่ยคำถามไหนเยอะยัยนมาอะไรยังไงแล้วสกรีนหมดนะ อ น, นี้ไปๆๆไ ไ, ไม่ตอบไม่ตอบเสียเวลาท่าถาคตไปไปโนนไอ้ น, นี่ถามเลยทัเลยปัญหาไปซะแล้วหยุดพอไม่ได้จบแค่นี้โอ้โหผู้เจ้าเนี่ยเรียกว่าลบทั่วโลกทานนะพรมพรมนี่ลบหมดนะสู้หมดปราบหมดน ะ, ะทิฏฐิแบบไหนมาเแบบไหนมาเห็นหมดนะคนทั้งโลกมีทิฏฐิ62บแบบนี่ใครจะพูดมาอะไรยังไง ร, รู้หมดปับป๊ บ, บ, บ, บแก้ไปเนี่ยโอ้โหพเจ้าเนี่ยสุดยอด นี่เป็นอย่างนี้เยองลองดูนั้นยุยมลองอ่านพุทธวจะนะไปนี่โอโ้โหนี่พระเจ้าเก่งมากนืมปราบหมดนะวา้ะอันเป็นค่าศึกตั้งหลายอืม อ, ม อ, มอม เียจะได้ไปพักผ่อนหรือว่าใครอยากภาวนาต่อมีกำลังก็เอาเนาะดูตามกำลังแต่ละคนห้าทุ่มพอดีนะเลกหนึ่งชั่วโมงนะจะเปลี่ยนปีใหม่ปีมันก็สมมตินะนะันเดินปีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอเอาสบายๆตามกำลังแต่ละคนนะะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะ <c oughs> ที่ได้มานะสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตนะก็อขอให้มนะีความเจริญในธรรมะของตถาคตนะมีดวงตาเห็นธรรมนะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการในั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเต็ม <c oughs>